คุณเน่งเน่งสุขโขทยอันนี้คุณพร้อมก่อนเชิญเลยเดี๋ยวอ๋อ ก, ก, การธรัมสการพระอาจารย์เจ้าค่ะสบายดีนะสบายดีเจ้าค่ะพระอาจารย์คะคือตอนนี้ลูกจะปรึกษาพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกทำเพจพวกให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาประมาณนี้เจ้าค่ะแล้วก็จะมีต่างชาติที่เขาแอดลูกเข้ามาเจ้าค่ะ แต่ว่าลูกลูกแบบภาษาอังกฤษลูกไม่ค่อยจะเก่งเจ้าค่ะลูกก็เลยจะแนะนําให้เขามามาปรึกษาพาร์ทชัได้ไหมเจ้าค่ะให้เขาเข้าไปในเพจภาษาอังกฤษแล้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณลาส่งไปแล้วคุณช่วยส่งไปให้คุณนิ่งหน่อยนะเป็นภาษาอังกฤษเจ้าค่ะเจ้าค่ะเราสามารถเข้าไปดูได้เมื่อคืนนี้ก็มีซูแบบนี้ในหน้าภาษาอังกฤษได้เจ้าค่ะทุกวันอังทุกวันอคารเป็นภาษาอังกฤษ เจ้าค่ะพูดกาษาไทยเดีวเราเขไปดูนะแล้วก็ลองส่งยิงไปดูเจ้ า, าค่ะพระพาอ า, าจารย์เจ้าค่ะแล้วลูกสงสัยเรื่องสมมว่ามีคนมาปรึกษาลูกเรื่องเรื่องสภาวะธรรมต่างๆเนี้ยเจ้าค่ะลูกสามารถให้คําปรึกษาได้ไหมเจ้าคะหรือว่ามันต้องเป็นพระวิปัสสนาจารย์เท่านั้นเจ้าคะเวลาให้เวลามีคนมาถามเรื่องสภาวะธรรมอะไรอย่างเนี้ยเจ้าค่ะ ถ้าเรารู้เราก็ตอบได้ถ้าเรารู้เราก็ตอบได้ถ้าเราไม่รู้ก็บอกเราไม่รู้เจ้าค่ะมค่ไม่ได้อยู่ที่ว่าไม่เป็นอาจารย์ไม่เป็นอาจารย์สมัยนี้อาจารย์ไม่แต่ไม่รู้มีเยอะแยะเจ้าค่ะยังไม่ต้องไม่ไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นเป็นหรือไม่เป็นอยู่ที่ว่ารู้หรือไม่รู้อ๋อเจ้าค่ะพราะตอนที่ลูกไปไปเข้ากรรมฐานแล้วค่ะมันก็มีความรู้พิเศษแบบเยอะเลยเจ้าค่ะ ลูกลองเข้าอุเบกขาแล้วก็ถอยมาอุปจาระอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็มันก็คือมันมันก็พอจะทําได้เนี้ยเจ้าค่ะแล้วก็พวกสภาวะธรรมต่างๆเนี้ยเจ้าค่ะมันมันมันอ่ามันทําแบบเหมือนจิตผู้รู้เจ้าค่ะเขาก็จะรู้เรื่องกายเวทนาจิตธรรมที่รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยเจ้าค่ะก็ <c oughs> จนถึงฝันนี้ลูกยังไม่ค่อยได้นอนเลยเจ้าค่ะเปล่อยวางหมดแล้วเจ้าค่ะปล่อยวางมันจะมาในรูปแบบไหนก็ห้ามมันไม่ได้เหมือนดินฟ้าก่ะเราก็ใช่เฉยถ้าปล่อยวางแล้วหลับสบายหลับสบายเจ้าค่ะใช้สติหยุดความคิดเวลาจะนอนอย่าไปคิดถ้าคิดก็ไม่หลับ การเป็นมีปัญญาฟุ้งซ่านเจ้าค่ะถ <c oughs> <the> <wor> ้านอนอย่างวันละแค่แบบสองสามชั่วโมงเนี้ยมันก็ไม่มีผลเสียอะไรใช่ไหมเจ้าคะมันก็สดชื่นดีนะเจ้าคะก็ดูที่ตัวเราเป็นหลักแล้วมันเจ้าค่ะมันตื่นมันไม่มันไม่เมื่อยมันไม่อะไรก็โอเคค่ะถ้ามันไม่ไหวเดี๋ยวมันก็ต้องพักของมันเองเจ้าค่ะขอบคุณเจค่ะเพราะก่อนหน้านี้ที่ที่ที่ลูกเล่นภาวนาก็จะป่วยทุกทีเลยเจ้าค่ะอันนี้ก็ แบบชิวๆเลยเจ้าค่ะนอนแค่สามชั่วโมงก็สดชื่นนะคะเหมือนจิตมันหลับลึกอะเจ้าค่ะต้องดูกำลังดูความเหมาะสมอย่าปล่อยให้ความอยากเป็นตัวขัดขันถึงแม้ว่าเป็นความอยากที่ดีแต่ถ้ามันเกิดกาลังอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่ามือนกขงเหมือนกับสายพินเนี่ยเวลาเราขึงสายพินขึงมันเต็มกันไปมันก็ขาดขึงมันห่อนมันก็ สีไม่รู้เรื่องสีต้องเข้ากลางๆพอดีไม่ไม่เต็มกันไปไม่หย่อนกินไปการปฏิบัติก็ต้องแบบนี้ไม่เกินกําลังเกินไม่เกินกําลังแต่ก็อย่าอย่าอ่อนกำลังอย่าอ่อนลังถ้าอ่อนกลังก็ขี้เกียจต้องค่ะพระอาารย์ก็ก็อันหาความอยากความโลภความโลภต้อค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้ว ลูกไปเขียนลบยลาออกเลยนะเจ้าคะเดี๋ยวมาโทษงานเดี๋ยวกลับไม่ไม่โเดี๋ยวไม่มีงานทํจะมายม่ไค่ะเพื่อลูกออยู่โรงพยาบาลด้วยใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็มันไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติเจ้าค่ะก็เลยว่าจะลาออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาอยู่ร้านยาเพื่อที่จะเจ้าค่ะแต่ก็จะมีเวลาปฏิบัติเจ้าค่ะยังมีรายได้อยู่นะใช่ยังมีรายได้เจ้าค่ะไม่งั้นเยอะลำบากเจ้าค่ะ แต่ไม่ขอใหพอมีรายได้เลียงปากเลี้ยง่างมพอแล้วไม่ต้องไปมากไม่ได้แบบอยากไม่ได้อยากร่ํำรวยอะไรแล้วเจ้าค่ะแต่หัวหน้ายังไม่เซ็นเลยนะเจ้าค่ะหัวหน้าไม่ยองก็อาจจะให้น้องเดี๋ยวเ่ากลัวเราตัดสินใจแบบวู่นวายมันคล้อันเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ยืนยันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาบอก็ะให้เราค่ะหนักแน่นเจ้าค่ะ ถ้าการโน้ตลงไปมีอะไรแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอคุณวิสเวลาสิเนเชียนอยากเยอรมันความหรืออย่างเลยไปให้พระท่านอีกกลัก็ได้กลับนมัสการค่ะพร้อมค่ะท่านพระอาจารย์ค่ะจริงๆยมไม่ได้มีคําถามอะไรค่ะคือกลับเรียนอ่า พระอาจารย์ไปแล้วเมื่อวานอัปเดตเรื่องการปฏิบัตินะค ะ, ะเหมือนกับถูกมัดมือชกให้ลองลองนอนน้อยดูคะ่ะแต่ปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาดคะ่ะท่านเหมือนกับในความในความโชคเละที่ต้องทำงานหนักแต่ว่าเหมือนโชคดีเหมือนได้เจอทางปฏิบัติของตัวเองนะค ะ, ะเดี๋ยวคงอาจจะต้องลองดูคะ่ะว่าจริงๆยมยมคิดมาต้องนานนะคะท่านยมปฏิบัติมาก็จะครบสี่ปีแล้วแต่ว่ามันเหมือนกับมันยังอยู่ที่เดิมนะคะมัน สิ่งที่เหตุมันเท่าเดิมผลเลยเท่าเดิมต้องเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นค่ะมันยังอยู่ที่เดิมค่ะ เ, เดี๋ยวโยมห่อไปมันเต็มร้อยหรือเกินร้อยนิ ด, นด จริงๆแลดีมากเลยค่ะท่านวันนั้นยมไม่คิดว่ายมจะนั่งได้นะคะที่เรียนท่านตายแล้วยมนอนน้อยมากแล้วก็ไปนั่งคิดว่าเอาเหอะไหนๆก็ตั้งใจจะทําก็เอาสักหน่อยมันจะหลับก็ให้รั่วมันหลับแล้วก็ขึ้นไปนอนอย่างนี้ยค่ะปรากฏว่ามันเข้าไปนะคะท่านจนแบบว่ามันหายไปหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ยค่ะเหลือแต่จิตดวงเดียวสว่างอยู่ตรงนั้นนะคะยมก็อยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงลค่ะความสุข่แจริงอยู่ตรงนั้นค่ะ ค่ออกมาปุ๊บมันเหมือนกับเราได้ไปอาบน้ําเย็นมันสดชื่นเลยค่ะท่านจากที่ง่วงเหงาหาวนอนเข้าไปอะค่ะต่อไปเรามีมีแ่งที่เราไปไปหาความสุขได้ไม่ต้องไปพึ่งใครไม่ต้องไปพึ่งอะไรค่ะแต่มันยังยังไม่เตเบอร์ที่ขนาดว่าเข้าได้อย่างนั้นทุกครั้งอะนะคะบางครั้งมันก็ไม่ไตั้งใจแต่พาเข้าถึงแบบตั้งใจมากๆไม่เคยถึงเลยค่ะทา่านเดี๋ยวไปตั้งใจเพราะมันมันเป็นอนาคตและจิตมันไม่เป็นปัจจุบันมันโมแต่ไปคิดถึงผล ให้มันอยู่ปัจจุบันเริ่มต้นที่สวนกลับมาเริ่มต้นที่สูงอะไร ม, มันนี่จะได้ไปได้ไม่รู้แหะไม่สนใจขอให้เรามีสติอย่างเดียวก็พอค่ะ ท, ท่านพระอารย์คะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าสิ่งที่เราพบเราเห็นจากการปฏิบัตินะคะมันยังอยู่ในรูในทางหรือว่าเราออกนอกทางไปแล้วอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นรูเบคามันสงบก็อยู่ในทางถ้ามันไม่มีเบคาไม่มีความสงบไม่มีความสมุข มันก็นับรูนับทางถ้ามันไปยุ่งกับอะไรต่างๆนี้นับรูนับทางนะมียุ่งกับนิเมันไปยุ่งกับอะไรความรู้พิเศษอะไต่างๆนี้นับรูนับทางยมเคยเคยกับเรียนพระอาจารย์ท่านไปนานแล้วนะคะว่ามันเคยรวมหลายครั้งนะคะหดหดเจ็ดครั้งแล้วหดมาเหลือเท่าปลายนิ้วก้อยแล้วก็รอยอยู่ตรงที่ปลายจมูกค่ะเวลามองเข้าไปแล้วมันเห็นแบบ มันเห็นสมองตัวเองทะลุกระโหลกมองกระโหลกแล้วไปเห็นสมองอย่างนี้เราก็ไม่ต้องสนใจอะไรมันเลยใช่ไหมคะให้กลับมาอยู่ที่รู้ใช่ไหมคะเพื่อเพื่อมันถ้ามันเห็นเพื่อศาสนาวิปัสสนาก็ดูได้คือยมไม่ได้ตั้งใจจะดูนะคะถ้ามันนอตายกลายเป็นซากศพเอาไปเผากลายเป็นขี้เถ้าอย่างเงี้ยดูได้แบบนี้ถ้ามันเป็นวิปัสสนาถ้ามันเป็นความจริงแตถ้าไปเห็นนางฟ้าเทวดาเห็นเลขเห็นเบอร์เนี่ย อยากไปยู่อยากค่ะแต่ไม่เคยเห็นอย่างนี้เดี๋ยวมันจะหลงเดี๋ยวมันตาทิพแทงหวยถูกทุกงวนเดี๋ยวมันก็เลยทันที่จะมาภาวนามันก็เลยไปนั่งแทงหวยเดี๋ยเปิดเป็นสมนักอ่าเป็นสมนักวาเบอร์ให้เลยค่ะไม่มีใครอย่างนั้นไม่มีค่ะแต่ว่าเห็นแบบแต่ได้เห็นเกิดแก่เจ็บตายเห็นเห็นอริยสัจเนี่ยนี่ก็เรียกอริยสัจเห็นทุก เห็นกิดแก่เจ็บตายของร่างกายเห็นนสุภะเห็นอาการ32อะไรเหล่าเนี้ดูได้แบบนี้เป็นเห็นอาการ32เป็นวิปัสสนาแล้วก็ถ้ามันโผลขึ้นมาเองนะเราตามนับถ้าเราทําสมาธิเราเราไม่อยากจะให้มันขึ้นมาแต่ถ้ามันขึ้นมาก็ดูได้ใช้ปณารมแทนคความว่างได้ทักจิตมันเคยเป็นแ สองสองสาครั้งเองค่ะท่านแล้วก็ไม่ไม่รู้วิธีเข้านะคะมันบังเอิญฟลุกขึ้นมาให้เห็นนะคะแล้วก็ไม่เคยเห็นอีกเลยค่ะอนี้ไปบางครั้งมันไม่ได้หรของพวกนี้มันนอนิจจังอนัตตาแล้วโยมเหมือนมีกําลังไม่พอที่จะดูมันต่อด้วยนะคะท่านก็กลับมาดูความบ้างต่อมาดูนิสิตต่อเพราะพวกนี้มันดุดจุดดุดกําลังเราไปได้ เหมือนกับหมดแรงที่จะดูเลยค่ะแล้วภาพมันก็วูบหายไปเลยค่ะองั้นถ้ายังไม่มีกําลังพ <c oughs> ออย่าไปสนใจกลับมาดูดูในส่วนที่ทําให้เรามีกําลังพลังดูแสงดูความสมบูดูความว่างมหได้นานแล้วคัะ <c oughs> ไม่โผล่มาอีกเลยค่ะท่านไม่เต็นอีกเลยนะ้องนานเลยแล้วยังไม่ต้องดูต่อ <c oughs> ไปเราเรียกมันขึ้นมาได้ถ้าเราอยากจะดูใช้วิปัสสนาขึ้นมานเราต้องทํา <c oughs> หมายถึงว่าทํากําลังของเราให้พอแล้ว<ต>มันจะทําทได้เองใช่ไหมคะถ้าเรามีอุเบกขามากพอเราทีนี้เรามั่นใจว่าเราสามารถควบคุมใจเราได้เราก็สามารถเรียกภาพเหล่านี้ขึ้นมาด้วยการนึกในใจเราได้ค่ะนึกถึงโคลกระดกนี้นึกถึงมุดปอดตับลำไส้อะไรต่างๆนึกถึงเวลาเราตายเป็นยังไงต้องไปนอนในโรงเนี่ยเดี๋ยวก็ จะไปเข้าเตาเผาเผาไปในขัานตายเป็นเศษที่เท่าไงอันนี้ต่อไปต้องทําเพื่อให้จิตใจมันชินกับความตายของร่างกายอ๋ออางนี้เองใช่ไหมคะที่ท่านเคยบอกโยมว่าถ้าไม่รู้จักวิธีใช้พลังจิตก็ไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับมันถ้าคือคนที่เต็นจริงๆแล้วก็คือเอามาใช้ดูอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะพิจารณาอย่างนี้ได้อะไราศาสตร์เนี่ ย, ยนี้อะไราศาสตร์ทุก บาดแก่จิตตายดูได้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยตั้งแต่เป็นน้ำสองหยดแล้วก็เริ่มเจราญเติบโตแล้วก็คลอออกมาแล้วก็โตจากทารกเป็นเด็กเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัว ม, มีสามีมีภรรยาเนี่ยก็กลายเป็นคนแก่คนเจ็บเนี่ยก็กลายเป็นคนตายเหมือนเล่าดูหนังเลยลรอคะท่านเพราะว่าเหมือนอที่โยมเห็นโยมเห็นเป็นภาพเลยอะคะ อันนี้สามารถดูได้ทุกเวลาถ้าเราต้องการถ้าเราอยู่ในขั้นเจริญปัญญาแล้วเราก็เวลายกเว้นเวลาที่อยู่ในสมาธิเท่านัที่เราต้องการที่จะหยุดไม่ให้ดูเพเราต้องการพักจิตต้องการให้มีพลังเพราะการพิจารณาสิ่งเหล่านี้มันก็ทําให้จิตอ่อนกําลังได้แสดงว่า อ, อ, อ่อนกำลังแล้วพอรู้ว่าอ่อนกําลังแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิในพักจิต ให้อยู่กับความว่างอยู่กับอุเบกขาแล้วพอออกจากความว่างออกจากอุเบกขามาก็พิจารณาต่อพิจารณาไปเรื่อยๆให้มันให้ดูว่าใจเรารู้สึกยังไงกับความเป็นจริงอันนี้ความเป็นจริงของร่างกายถ้ายังรู้สึกมีความทุกข์ยังมีความกลัวอยู่แสดงว่ายั ง, ย, งยังไม่ยอมรับความจริงอีกคำถามนึงนะคะท่าน จริงๆเราโยมไม่เคยตัวเองไม่ใช่สายดูจิตเลยค่ะท่านไม่ไม่เคยเข้าใจการดูจิตเลยมันเป็นยังไงแต่ว่าอาที่ที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนนใจที่ทเป็นกลางอันนี้มันต้องผ่านร่นางกายก่อนค่ะ <c oughs> ต, ตอนนี้ก็คือพิจรารณาร่างกายอย่า ง, งเดียวเลยนนใช่ไหมคะค่ะแสดงว่าที่ที่ท่านคุยกัน ปัจจุบันที่แบบมีเทศอะไรการนี้ก็คือเป็นเชิงทฤษฎีอย่างเดียวใช่ไหมคะก็ไม่ทราบว่าท่านพูดในกรณีใดก็ฟังไว้ก็แล้วกันแต่ให้รู้ว่าทำมันมีเป็นขั้นๆนี่ยคสติปัฏฐานสี่ยมไม่เคยเข้าใจเลยค่ะยมว่ามันส่งไปค่ะศึกษาร่างกายจนกระทัางปล่อยวางร่างกายได้ในทุกลูปแล้ววางร่างกายยาร่างกายคนอื่น ตัดการอารมณในความรู้สึกรักฉักลักไข้ในร่างกายของผู้เราตัดให้ได้ไาอาเอาคันที่เหมาะกับความสามารถเราก่อนพิจารณาความเจ็บของร่างกายมั น, ม, นมันต้องเจ็บไข้ได้ปวดแล้วจะร่างกายยังมีความเจ็บปวดต่างๆเราก็ต้องฝึกจิตให้รับความเจ็บปวดเหล่านี้ให้ได้ให้อยู่กับมันได้ไม่เดือดร้อน พอผ่านเวทนาแล้วทีนี้ถึงม่ดูจิตนะม่ดูว่าเราหนังตาเอาของหยาบ ก, ก่อนใช่ไหมคะท่านเวทนาหยาบมันเป็นขั้นขั้นี่คนไม่รู้เข้าไปอ่านแล้วมาว่าจับช่ายเอาเอาเอามันได้ทุกอย่างเอาทั้งกายเอาทั้งเวทน า, าทั้งจิตเอาได้แต่มันไม่ไ ม, ไม่ไม่มีกำลังที่จะไปตัดมันเอเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะ นันฟังได้แต่ต้องรู้ว่ามันเป็นขั้นเป็นตอนนั้นศึกษาระดับโทปัญญาตีโทเองเี่ยมันมีคอร์สมีคดูได้คอร์สนี้ป็นยาตีให้เรียนอะไรบ้างแล้วปัญญาโทให้ต่อด้วยอะไรเป็น ญ, ญาเอกให้ต่อด้วยมันดูแด้แต่มันทําพร้อมกันทีเดียวไม่ได้เ น, ะนาะขณะอยู่ระดับเป็นยาตีแล้วไม่เอาคอร์สของปัญญาโทเป็น ญ, ญาเอกมามาเกี่ยวด้วยเอาคอร์สของ ของปัญญาตีให้มันจบก่อนให้มันเรียบร้อยก่อนผ่าน 4.0 ก่อนทีนี้เราค่อยไปปัญญาโทต่ อ, ทอาที่แต่เราสูตรเขาเขียนว่านสติปัฏฐานสูต์มันเป็นหลักสูตรของการเจริญจิตใจให้หลุดพ้นจากทุกข์ทงปวงให้พ้นจากทุกข์ทางกายแล้วทุกข์ทางเวทนาแล้วก็ทุกข์ทางจิตต่อไปทางอารม์ ด้วยธรรต่าง ๆ, ๆที่ให้พระเจ้าทรงสอนให้สร้างให้ผู้ชมก็มีสติมีสติมีธรรมวิจโยก็คือปัญญาธรรมวิจัยวิริยะส่วนใหญ่จะมีอยู่เนี้ยสามตัวนี้มันจะอยู่ในในมรนิดต่างๆโชดผู้ ช, ชมออิทิบาสีก็มีวิริยะภะละห้าก็มีวิริยะมีสติมีปัญญา มันสรุปแล้วก็ต้องดูว่าเรามีทําเหล่านี้หรือเปล่าในใจเราถ้าไม่มีก็ไม่มีทางที่จะปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาปล่อยวางจิตได้บางคนเขาบอกเห็นจิตแล้วเข า, เขาก็พอแนละ้วไม่ใช่เห็นแล้วหยุดมันได้เปล่าเวลาเครียดขึ้นมาหยุดมันได้เปล่เวลาโกรธขึ้นมาหยุดมันได้เปล่เพราะฉะนั้นตะ่างหากการเห็นเห็นเพื่อกําจัดเห็นเพื่อรักษาเหมือนหมอนะ เห็นร่างกายรู้ว่ามีร่างกายมีอะไรรู้ต่เวลาร่างกายมันเจ็บใข้ได้ป่วยรักษาได้ปะ่ะถ้าอุเบกขาไม่พอก็จะหยุดอารมณ์พวกนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะใช่แต่อุบับติขาอย่างเดียวก็หยุดได้ชั่วครั้งชั่วคราวนั่นเองคับ<ะ>ถ้าจะให้มันหยุดถาวรก็ต้องเข้าไปที่<บ><บ>วิปัสนแล้วก็ไป<บ><บ>ห า, หาสาเหตุของสมุทัยก็คือตอนนี้มันตัญหาตัวไหนที่มันสร้างความทุกข์ตอนนี้ อยาไม่แก่อันนี้ก็เป็นตัญหาแล้วอยากไม่ตายก็เป็นตัญหาอยากไม่เจ็บก็เป็นตัญหาเนี่ยมันถึงยังมีทุกข์อยู่ถ้าใช้อุเบกขามันก็หยุดได้ชั่วคราวโอุเบกขาอ่อนกําลังมันก็กลับมาทุกข์ใหม่แต่ถ้าใช้ปัญญาเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้หละไปบังคับไปห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนิจจามีเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีดับอนัตตาเนี่ยเราไม่ เราไปสั่งมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราของเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปแก่ก็มันแก่เจ็บก็มันเจบ็บตายก็มันตายเราก็รับรู้ไปเฉยๆไม่ไปต่อได้ไม่ไปสร้างความอยากขึ้นมาให้ทุกข์ใจไปเปล่าๆตอนั้นเยหยุดตัวนี้ท่านเองหยุดตัวสมุทัยหยุดตัวความอยากหยุดแต่เอาไวความไม่อยากเราก็อยู่กับมันไปเหมือนเหมือนหยดน้นบาบนใบตัว ไม่เสื่องเข้าหากันจิตไม่เสื่องเข้าห า, าไม่เข้าหาร่างกายไม่เข้าหาเวทนาไม่เข้าหาอารมณ์รับรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้รู้ว่ามันเป็นตายละถ้าไปยุ่งกับมันก็จะเป็นทุกขังถ้าไปอยากให้มันเป็นนิจจังสุขขังมันก็จะนิจจังอัตตามันก็จะเป็นทุกขังเป็นแ มันเรื่องไว่ปรัสนาแต่ตอนนี้ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นอย่าอย่าเพิ่งไปกังวลกับมันคลายกังวลกับเรื่องสร้างอุเบกขาเข้าสมาธิให้ชํานาญให้ได้ก่อนหยุดจิตได้ทุกเวลานอยู่ท่ามันทําให้มันนิ่งได้เพราะเวลาเวลามันพยศนี่มันถ้าไม่มีกําลังมันก็ลําบากเหมือนกันนะเวลาตอนนี้มันปิเล็กมันไม่มันซ่อนเล็บอยู่นะมันเป็นเสือซ่อนเล็บมันเป็น อาจจะดื้อขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะวันได้วันหนึ่งเวลามันจะขึ้นมานี่ยสังเกตอยม่ไม่แต่เรื่องธรรมดาทั่วไปนี่บางทีบางวันก็เครียดขึ้นมาไม่รู้สึกตัวนะเห็นไ้มไอ้ทำไมมีเครียดด้วยกันทาไมตอนนั้นถ้ามีสติมีสมาธิดีพอรู้ว่าเครียดก็หยุดมันได้บริกรรมพุทโธพุทโธดูลงไปสักห น, น้ามืก็หยุด ขอบคุณค่ะเดี๋ยวยมลองลองลองเพิ่มลองทําเยอะๆแล้วนอนน้อยๆดูค่ะเดี๋ยวจะมากับเรียนผลค่ะว่าเป็นยังไงค่ะเอก็ก็ต้องรู้จักประมาณก็แล้วกันนะอย่าให้มันตึงกันไปย่าให้มันหยอดเกินไปครับพอดีโอเคคขอบคุณค่ะท่านศาสนาอาจารย์ศาสนาหมอศาสนาไม่อาจารย์ ค่ะกล่าวนามสการพระอาจารย์นะคะแล้วก็สวัสดีคุณบอยคุณหลาคุณชัยค่ะก็ก็ต่อถึงเลยนะคะพระอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยเพราะว่าตอนวันเสาร์ที่ฟังที่พระอาจารย์จะให้ทําไดสงป์ามหาบูหค่ะตอนที่ไปวันอาทิตย์ก็ยังกะว่าเอ้ยจะจะแบบขอพระอาจารย์แต่ว่าลืมพอดีพระอาจารย์ให้มาก็เลยเอามาฟังอ่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าตอนแรกฟังในรถเนี่ยก็ก็คิดว่าแบบไม่ไม่ไม่ได้เยอะมากก็ฟังไปเรื่อยเรรู้สึกว่ามันดีมากเลยแต่พอมาถึงบ้านปุ๊บก็มาเปิดในคอมโอ้โหแบบ คือต้องขอบคุณมาจาร์มากๆเลยคือมันขอหมดเลยอ่ะพระอาจารย์นี่ต้องหมดทังน้องตามหาด้วยใช่คือแบบภูดิใจมากแล้วก็แล้วก็คุณชายเป็นคนทำเนี่ย อ๋อคุณชัยชัยได้บุญมากขอบคุณมากเลยนะคะคุณชัยคือตัวเองอะไปเปิดเปิต้องการก็ติดต่อคุณสันใช่ดีมากๆเลยอะค่ะเพราะว่าสติปัญหาสิที่ฟังอยู่อะก็อยู่ในเนี้ยในนี้เมนกันแล้วก็เลยฟังไปสิบเอ็ดสิบเอ็ดหัวข้อแล้วก็เพิ่มติยาสัตว์กับไตลักษณ์แล้วก็พอมาเปิดดูในคลอมอู้ไม่ีชุดธรรมชุดเตรีมพร้อมเดี๋ยวจะลองย้ายมาฟังชุดธรรมชุดเต็มพร้อมก่อนก็รู้สึกว่าฟังค่ะค่ะคือฟังแล้วก็ก็รู้สึกว่ามันก็ มันอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดนะพระอาจารย์แต่ว่าหัวข้อที่เรากําลังกําลังสนใจอ่ะมันเข้าใจมากขึ้นมากๆเยอะมากเลยพระอาจารย์ก็เลยพยายามกําลังทําให้มันอยู่ในตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวพอไปอยู่วัดมันจะได้เอามาใช้ได้มีคําถามนะคะพระอาจารย์ mm hmm. คืออาทิตย์แล้วว่ะพระอาจารย์บอกว่าถ้าเราปฏิบัติอ่ะให้เราเหมือนกับให้เรามองว่าสังฆคุณเนี่ยมันมีอยู่ในตัวเราหรือ ย, อยังมีอยู่สี่ข้อใช่ไหมคะพระอาจารย์ mm hmm. คือสีข้อในี่สุปฏิปันโนแล้วก็อุชุเนี่ยมันคือปฏิบัติดีกับปฏิบัติชอบอันเนี้ย สงสัยมันต่างกันยังไงแต่ว่าข้อสามกับข้อสี่เข้าใจข้อสามมันคือข้อสามคือยาญาณนี่คือปฏิบัติเพ่อดับทุกข์คือดับทุกข์ก็มรรคแปดอ่าแล้วข้อสี่ปฏิบัติตรงปฏิบัติ ต, ง, ตงคื อ, อยังไงตากับช็อตดียังไงก็เหมือนเดินทางจากที่ไปกรุงเทพก็ไม่ว่าที่ไหนตรงไปกรงุงเทพอย่างเดียวแม่ว่าสวรรค์หม่ว่าอ่าอะไรถ้าถ้าไปเจออภินญาก็ไม่เอาอ๋อเป็นสมาธิอย่างเดียวโอเค มันอับมุ่งไปสู่กานิพานอย่างนี้แล้วก็ไปปัญญาเลยอ่ะแล้วก็ขึ้นขึ้นอริยะอริยสัจแล้วถ้าข้อแรก็ไม่เอาอย่าไปสนใจอย่าไปเล่นกับมันได้ไม่ไม่คือจะสาส่ป่งหรือพระอาจารย์แล้วก็ถ้าเกิดเป็นข้อแรกก็สุติปันโนปฏิบัติทุกวันปฏิบัติสี่ชุดไงโรงเรียนก็ไปเรียนทุกวันไม่ขาดเรียนปฏิบัติก็ไม่ไม่ไม่ไม่มีเว้นเวลาปฏิบัติเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ใช่บอกว่าวันนี้ปวดท้องขี้เกียจ มัวงนอนไม่ไหวหิวเกินไปร้อนเกินไปหนาวเกินไป <สะ S 1> อีกข้ออ้างไม่ปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าไม่สุปฏิปันโนไม่ปฏิบัติดีมันนักเรียนน่ะนักเรียนที่ขา้นได้สี่จุดเนี่ยเป็นยังไงอันนั้นนักเรียนดีใช่ไหม <c oughs> ได้สี่จุดนี้ก็เลยเป็นนักเรียนดี <c oughs> นักปฏิบัติดีก็เหมือนกันก็ปฏิบัติเต็มร้อยครู <c oughs> ชู๊ก็ปฏิบัติตรงต่อเป้าหมายที่เราต้องการไป ก็คือพระนิพพานยาแย่ก็ปฏิบัติเพื่อกดูอย่างเดียวดูกําจัดความทุกข์ดูตัวที่เราดูเป้าเป้าหมายของเราคือยาดีทุกเมื่อไหร่ต้องกําจัดมันให้ได้ยาแยะแล้วมีเราจะได้มีเข็มทิศเี่ยวว้เราเรากำลังทำอะไรอยู่บางีปฏิบัติต้องงหลงทางใช่ไหมเป้าหมายก็คือนิพพานบลังมสุขนิพพานังพลังสุรคขังแล้วก็ กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปญาญายะสามีจิตก็ปฏิบัติถูกต้องตามคําสอนทุกประการมากแปดสอนให้ปฏิบัติและนี้หมดสมัยนี้เดี๋ยวนี้ก็ว่าสมาธิไม่จําเป็นนะไปไปวิปัสสนึกเขเลยตามอาบูญยังเนเ้นเลยสติกับปัญญาเนี่ยโหแบบท่านเน้นมากเลยเมืฟังรูปเนี่ยแบบเหมือนที่พระอาจารย์พูเลยในเราตืต่นแล้วกลับมาที่ ที่สติเพราะว่าสติประธานสีเนี่ยท่านบอกว่าต้องขอบคุณอาจารย์อีกพระอาจารย์จริงๆคือสติประฐานสี่ท่านก็บอกเลยว่ามันเป็นเครื่องมือที่เข้าสู่เข้าสู่อริยสัจเปี่าสติประฐานสีก็พอเข้าใจก็กําลังตอนนี้ก็คือพยายามทํามากขึ้นแล้วก็ฟังคือตอนเนี้ยตอนวันก็ฟังซีดีเยอะขึ้นนะคะพระอาจารย์แล้วก็ทําเพราะรู้ว่าสติสําคัญพยายามเอาสติให้ได้เยอะๆแล้วก็ให้ได้สมรรถที่เบิดขาอันนี้เรายังอยู่ในระดับนั้นวิชาสมาธิอยู่ ยัง<ช>ไปปัญญาไม่ได้สมัยก่อนที่เรียนหนังสือในหา ม, มอะไรานี้วิชาบางวิชานี้ก่อนจะเรียนวิชานี้เขาว่าต้องไปเรียนวิชานั้นก่อนในทางวิศวะนี่เขามีวิชาที่ต้องเรียนก่อนถึงจะไปเรียนวิชาหนึ่งได้เขาเรียนปริเวกคุชิตถ้าไม่เรียนวิชานี้ไปเรียนวิชานั้นไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เรื่องถ้าไม่เรียนที่เสษยจก่อนแล้วไปเรียนไออย่างอื่นต่อนะี่มันเรียนไม่ได้ เพราะมันต้องมีพื้นฐานความรู้ของมันนีไ้ไปเรียนต่ออันนี้ก็เป็นกันก่อนจะไปวิปัสสนาถ้าไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาอย่าไปไปก็ทําอะไรไม่ได้ไปได้ก็แค่จินตามัยปัญญาเล็กได้คิดได้แต่หยุดมันไม่ได้หยุดกิเลสไม่ได้เพราะไม่มีกําลังไม่มีอุเบกขาขาดสมถะภาวนาต้องไปเจริญสมถะ ทีนี้เอาปัญญาของจิตตามมาผสมกับสมถะกลายปเป็นภาวนาเมายัปัญญาไปเห็นตอนนี้พวกเราส่วนใหญ่เนี่ก็เป็นขั้นสติขั้นสมาธิเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังก่อนได้อปันาสมาธิยังอย่าเพิ่งอ่านทันทีนน ก, นก็ยังดีทําไห้อปันาเอ า, าเอาชื่อแบบงูแลบลิ้นขอนก็ยังดีแบบฟ้าแลบเป็นยังไงดูสัมผัสกับความสงบแบบฟ้าแลบเป็นยังไง มันเป็นเหมือนคนละโลกนะยไห้รู้กันเวลามันสงบนะโดยเฉพาะเวลาจิตเครียดแล้วเราใช้ใช้สติหยุดมันเนี่มันเหมือนกับขึ้นจากดาโลกขึ้นมาบนสวรรค์เวลาจิตสงบนะเวลาเครียดเนี่ยโอ้โหแสนทรมานพอเราหยุดความเครียดได้ด้วยสติพุโทโธพุโทโธไ้ปมันคลิกหน้ามึงเป็นหลังมั น, นอยู่เลยจากเครียดสุดๆกลายเป็นสุขสุดๆ ข, ข, ขึ้นมามนะไม่รู้สึกตัว เมื่อเราแปลกใจเราไม่จิตใจเรามันเปลี่ยนพลิกเป็นหน้ามือเป็นหลังมือได้ไม่ต้องไปแก้ด้วยวิธีอื่นไม่ต้องไปกินเหล้าไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปอะไรก้าก็กล้าแบบนั้นก็ก้แบบไม่ไม่ไม่ไม่ถาวรแล้วก็ไม่ไม่แปลกมากเท่าไหร่แต่อนี่มันแปลกเหมือนกับนรกกับสวรรค์เลยเคยคือตอนที่เอาสติเอาสมาธิให้ได้ก่อน ปัญญาก็ก็คิดไปบ้างก็ได้ะกระแก่เจ็บได้ให้มันเป็นความรู้สำหรับที่จะคอยเตือนเราว่าอย่าเราอย่าหลงทางนะเรามีงานทำแต่ที่จ ะ, ะให้เป็นวิปัสสนาจริงๆนี่มันมันต้องผ่านสมาธิก่อนเ<อ>พราะเราต้องไปปล่อยร่างกายร่างกายเป็นด่านแรก ไ, <อ>ไม่ต้องตัดความกลัวความแก่ความเจ็บความตายให้ได้ ได้พระอาจารย์เคยคือรู้สึกว่าเอพอหลักตอนที่ทอนั่งนั่งสองชั่วโมงเนี่ยพอตอนที่มันเจ็บมากมากทอนแถวตอนที่มันผ่านความเจ็บไปได้เนี่ยมันคือมันเหมือนกับละมันหายไปเลยอพระอาจารย์แล้วมันจากเจ็บมากมันก็คือไม่เจ็บแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็นั่งได้คือรู้สึกว่าความรู้สึกตรงนั้นเน่ะมันมันน่าจะเป็นอัปปนาสมาธิไหคะพระอาจารย์เพราะว่ามันจากเจ็บไม่ป็นไรเขาให้มันบงบมีความสงบแล้วมันก็ค่ะขั้นต่อไปก็พิจารณาด้านแล้ว ถ้ายังกลัวความเจ็บอยู่ก็บอกกลัวทําไมกลัวก็ทําอะไรไปไม่ได้ควาเจ็บไม่กลัวแล้วพ่ออาจารย์ตอนนี้คนเจ็บไม่ไม่อนผ่านได้นะพ่อาจารย์เพราะว่ารู้สึกว่าตั้งแต่ตอนนั้นมาก็คือทําตอนนี้กำลังอาจารย์พักร่างกายัค่ะได้โอเคนะมีอะไรไหม ไม่มีค่ะแต่เดี๋ยวไปไปไปพระอาจารย์วันไปเดือนแล้วก็กะจะไปพราตารย์ฝนวันจันทร์เพราะว่ามันวันมันแยกไม่ได้เลยเพราะว่ามันต้องมันมันมีประชุมตลอดก็เลยเดี๋ยวไปวันจันทร์พรอาจารย์ฝันเพราะว่าต้องให้ท่านเห็นหน้าแล้วก็เดี๋ยวไปถามถ้าเกิดว่าเออเขาเปิดวันแล้วก็จะได้ไปอยู่ก็อาจจะเอาสามวันก่อนนะพระอาจารย์เพราะว่าจัดเวลาช่วงนี้มันได้แค่สาวันได้ทําไปเท่าที่ทําได้กแล้วกันโอเคท่านต่อไปคุณยินดียินดีจากเซาแคลร์เนี เป็นยังไงเีวิดทางานเหรอเปิดไมค์ก่อนสิ unmute microphone โ, โ, โอเคท่านอาจารย์น้องชายก็มาใส่บาตเมื่อเช้านี้หรือเมื่อวานนี้ไม่จะไม่ได้มา<ภ>บ่อยวันนี้มาบ่อยบอกว่าเจ๊ถามด้วยก็เลยมาบ่อยนาเขาก็เหมือนมาพยศอาจารย์ถลมว่าวันวันก็าทำอะไรเขาก็อยู่บ้านดูแลบ้าน ไม่กลัออกก็แบผมไม่ก ล, ากล้าโกอกค่ะค่ะเดี๋ยวหนูกลับไปแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวหนูไปทูลท่านอาจารย์ค่ะอ่ะอาหนาาเลยดี๋ยวไปไดวิทเดวิ ด, ด, วดเอ่อฉีดวัคซีนแล้วค่ะเมื่อวานค่ะอาจารย์ดีนะเามีสิทธิพิเศษ ห, หรือว่างด้ว่าได้ค่ะเาไปเร์เพราะบริษัทมิชลินเขาแบบทางบริษัทมิชลินที่อเมริกาเขาก็โอเคอยู่อะค่ะแล้วเขาก็ เได้สิทธิพิเศษตรงนี้จากทางรัฐบาลทางทางทางรัฐทางเนี้ยค่ะก็เลยได้ีแต่เฉพาะเพนักงานทั้งหมดอะค่ะของมิชลินที่ได้เราไม่ได้ฉีดด้วยไม่ได้ฉีดค่ะยางค่ะแต่หนูไม่ทราบว่าโครงการจะเมื่อไหร่อะค่ะอืก็ไม่ทราบน่าจะให้ฉีดด้วยกันนะเพราะอยู่ด้วยกันเดี๋ยวคนหนึ่งฉีดอีกคนไม่ได้ฉีดคือเขาก็ต้องเอาพนักงานก่อนเพราะมันไม่พอนะคะสงสัยจะเป็นในรักษณะเนี้ยค่ะ แต่ก็ถา ม, มาไม่ได้ด้วย<ม>ดีดเห็นเมื่อวานก็ฉีดมาแล้วไม่มีอาการอะไร น, นะไม่มีค่ะเช้านี้ถามว่าเป็นยังไงบ้างพ่อหนูกลัวว่าจะมีไข้เพราะว่าเพื่อนเขาอีกคนที่ว่าเพื่อนร่วมงานเ อ, อเด็กพนักงานที่ทํางานด้วยกันน่ะเขามีไข้อยู่ที่ 38.5 ค่ ะ, <อ>คะเขามีไข้ เ, เป็นแค่วันเดียวเป็นแค่วันเดียวเฉยๆค่ะแล้วปวดกล้ามเนื้ออะไรบ้างค่ ะ, คะนี่เขาเมาาื่อเช้า เขาบอกว่าเขาปวดแขนเฉยๆค่ะเขาก็ฝากกลับสวัสดี <Okay. S 1> ท่านอาจารย์ด้วยค่ะเช้า ม, okay. มีท่านี้นะค่ะ <Okay. S 1> ขอฟังค่ะอาจารย์อาจารย์พร้อมอาจารย์พรมเชิญมีอะไรไหม ส, สวัสดีมีค่ะรับฟังเหมือนเดิมค่ ะ, ะคุณนุ่งโกนสบายดีนะเมื่อกี้เห็นมายืนอยู่พักหนึ่งไปแล้วเสบายดีค่ะมาแล้วค่ะ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีรับฟ okay. Do ังทางผู้ค่ะเมื่อคืนนี้เข้าไปในซูมภาษสังเกตหรือเปล่าไม่ได้เข้าเมื่อวานเฟซบุ๊กครับอ๋อดูดูย่านหลังดูดูข้างนอกผมไม่ได้เข้าไปเฟซบุ๊กมีไลฟ์ด้วยนะฮะเมื่อวานนี้ใช่เมื่อคืนภาษาอังกฤษใช่โอเคก็ต่อไปนี้อาจจะฟังทาง Facebook บ้างค่ะผมไม่ไม่ค่อยได้ถามเป็นผู้ฟังได้ได้โอเค ขอให้สุขสบากันทั้งคู่นะขอบคุณค่ะโอเคคุณเอกต่อเลยคุณเอกจากเชียงรายา ก, การนมัสการพระอาจารย์ครับอาว่าม า, ม, า, ม, ามีอะไรครับผมเออสัปดาห์ที่มาเออสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ผมกับอรายงานพระอาจารย์ครับก็หุมปฏิบัติเพิ่มขึ้นครับพระอาจารย์<ม>ก็เดินให้ได้สามชั่วโมงแล้วก็หลังจากนั้นก็พยายามนั่ง สมาธิก็มันมันมันจะมีเพียนหน่อยมาไม่ถึงชั่วโมงมันห้าสิบห้าสิบห้านาทีครับแต่ก็พยายามจะนั่งนั่งให้มันได้ชั่วโมงะคะเพราะมันมันเริ่มจะง่วงเพราะมันเดินเดินไปสมชั่วโมงช่วงช่วงหัวค่ำครับรอ า, าจารย์แล้วก็ช่วงเช้าก็ช่วงเช้าก็ตื่นเช้าขึ้นมาอีกตื่นตีสามครึ้นครับก็ปฏิบัติไปก็จะมีประมาณนั่งไว้ชั่วโมงกว่า ก็จะเจอวเวทนาก็พยายามฝืนอยู่ฮะแต่ใจมันยังมันยังตัดไม่ได้แต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับรุนแรงกับพระอาจารย์มันก็เอ่อมันก็เบาบางมาคเออก็นั่งไปพุโทโธไปครับมพุทโธพุทโธสู้กับมาณครับสู้ครับผ ม, บผมสู้วนไปจนกระทั่งถึงหกโมงหลังจากหกโมงก็งก็เอ่อมีฟังฟังพระเทศอีกประมาณสามสิบนาทีซึ่งเป็นาพระสายทาง ปัญญาฮะก็ก็ฟังไปจนถึงหกโมงครึง่งช่วงเช้ากับอาจารย์แต่ก็ช่งชวงเช้าตอนตอนเข้าสมาธิมันมันนิ่งมันนิ่งมากเลยนิ่งแล้วก็อยู่ประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันจะเป็นประมาณนั้นนะฮะ <Hey. S 2> ผมมันจะเป็นลนักษณะที่เออมันจะไปตามขั้นแล้วพระอาจารย์มันไม่หลด น, นะฮะก็มันก็จะมีเ อ, อเ อ, อน้ำ ก็จะมีวิตกวิจารณ์ก็วิตกวิจารณ์ไปแล้วก็มันจะมีปิติก็เหมือนกับน้ําตาจะไหลฮะก็ก็รับทราบว่าก็รู้ก็สักว่ารู้เหมือนพระอาจารย์ได้สั่งสอนไว้ฮะมันก็จะไหลไหลเข้าไปก็จะนิ่งอ่ะครับของผมจะเป็นลักษณะอย่างนั้นฮะอกไรก็ไม่ทำไปสนใจก็าอยากอยู่กับผู้โธรไปครับผมครับผมของผมถ้าเกิดพู้โธรไปแล้วก็รู้สึกว่ามันนิ่งผมก็จะดูลมไปก็จะดูที่ปลายจมูกไปเข้าออกเข้าออกไปอ่ะ ได้เดี๋ยวกว่ามันถอนถอนลงมาก็เอูโทรไปใหม่อะได้ครับผมก็พระอาจารย์พอมีเพิ่มเติมอะไรไหมครับก็ปฏิบัติให้มากขึ้นเพ่ก็ก็พยายามเพิ่มเติมอยู่ครับเพราะว่าวันที่พระอาจารย์ได้ได้บอกให้ผมเดินเดินให้มากๆผมก็เออพยายามจเดินจะเดินแต่แต่มีอยู่วันมาคิดดูว่าเอาเนี่ยเราอ่ะคงจะประมาทไปแล้วเพราะว่า เหมือนกับบทสวดของเอ่อที่สวดของพระพุทธเจ้าที่เป็นปัะชิมมะฮะครั้งสุดท้ายบ๊วยใช้ชีวิตอย่างประมา่เนี้่โอ้มันทําให้ผมเกิดความคิดขึ้นมาว่าเอ้าถ้าเกิดพรุ่งนี้ผมไม่หายใจล่ะเพราะผมจะไปทํายังไงอ่ะผมผมต้องรีบแล้วอย่างเงี er ้ยไอ้ผมต้องพยายามปฏิบัติให้มากเหมือนกับพระอาจารย์บอกนะครับอพยายามตัดงานอย่างอื่นไปให้ให้มากที่สุดครับผมทั้งที่จะเป็นนะครับจะเป็นตัดมันเพราะว่าเพราะว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ช่วงกลางวันนี้พอดไีไม่ไม่ค่อยจะได้นั่งสมาธิตอนช่วงของพระการเทศนะฮะเพราะว่าจะมีบางวันถ้าเกิดเทศไปเออถ้าเกิดนั่งไปคือมันมันจะง่วงอหรครับเพราะอาจจะเป็นเพราะตื่นเช้าด้วยหรือเปล่าไม่รู้หรืว่าช่วงเวลาอาจจะทานอาหารกลางวันเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้ก็มันจะง่วงก็ผมก็เลยเบ น, นไปมาทําช่วงเย็นหนักไปเลยอย่างเงี้ยครับได้ครับเพราะว่าตอนบ่ายนี่เราจะกินอาหารกลางวันเสร็จแล้วก็จะง่วงได้ ครับมันจะง่วงนะครับบางทีแบบมันพอถ้ารู้สึกง่วงก็ก็จะลุกขึ้นเดินไปแต่ว่ามันก็จะหางางเสียงไปนิดหนึงถ้ามันง่วงเรากินมื้อเดียวเอามื้อเช้ามื้อเดียวทีนห้มันเสร็จไปคนเดียวเนี้ยเหมือนกับคราเอาเอาชั้นมื้อเดียวมาตั้งแต่ปวดเนี่ยที่จริงก็ก็อยากจะทําอยู่แต่ท่านแม่บ้านก็ไปห่วง ตอนที่ก็หนักวนรถไเยอะก็บอกพี่เบาเบ้างที่กินหนักบนเนี่ยดีโลกภัยข้าเจ็บจะได้ไม่นานเดี่ดเียนครับผมใช่ครับก็ก็ดีอยู่อย่าไปฟังเขาเขาพวกหูหนอกตาบอดเพราะว่าผมผมก็คุยกับทปังเขาไปผมันก็เลยทำให้ไปไหนไม่ได้มันมีสมองสมองถ่วงไว้ครับผม คนที่มีวิชาทิฏฐิเนี่ยอย่คอยทวงอยู่คนที่มีวิชาทิฏฐิก็ลําบากอย่างเงี้ยแทนที่จะบาเพ็ญสาทูอนุโมทนาพี่อดไปเลยครับผมครัวห่วงกินเยอะๆแล้วมไม่ตายมันก็ตายเหมือนกันเลยถึงเวลามันจะตายครับใช่ครับใช่ใช่ครับพระอาจารย์ไม่ได้ปฏิบัติอะไรมันง่ครับเราดูเห็นเราดูสักอาทิตศ์ดูหมายมันเพื่อเดียว มันต่างกันตรงไหนมือมื้อช้ากับมื้อกลางวันก็แค่สองสามชั่วโมงนั่นเองครับไม่ต่างครับไม่ต่างเพราะว่าผมผมวันพระวันพระผมก็ทานนิดเดียวอยู่แล้วครับอาจารย์วันพระแล้วก็ถ้าวันศุกร์ผมก็กินมังสวิรัติอแล้วครัเอออบเพราะว่าปกติทุกวันก็มื อ, ม, อมือเย็นผมไม่แตะอยู่แล้วครับอาจารย์ อ, อก็จะมีะนนนที่แตะนี่ต้องการแก้ความง่วงงาตอนบ่ายก็ลองดูลองกินเช้าหรผอครับผมเพราะเดี๋ยวนี้แบบว่าข้ผม เพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดมีแบบว่ามีอะไรมากระทบเงี้ยก็ผมก็จะพิจารณาอยู่ตลอดว่าเออช่างมาันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จากกันนะหายใจเข้าไม่หายใจออกเนี่ยก็จากกันแล้วช่างมาออันเถอะให้มันผ่า น, ผ, านผ่านไปเงี้ยเวลามีอะไรามากระทบอมว่าเอ็ช่างมาันเถอะไปเถอะเดี๋ยวไม่เขาก็เราอะเดี๋ดยวก็าจากกันนะผมก็คิดอย่างเงนเนี้ยทุกวันนะอาจารย์คัมว่าเอไม่ไม่เขาก่อนหรือว่าเราก่อนก็ไม่รู้ถ้าเราก่อนก็ไม่รู้ถ้าเกิดเรากนั้าพ ครับผมไม่ได้าไป <จะ S 1> พรอมกันครับถ้าเดนกศึกาไม่ทีเดียวก็ไปพร้อมกันเลยไปพร้อมกันนะครแต่แต่ก็คิดอยู่ในใจแล้วพระอาจารย์ว่าอถ้าไปพร้อมกันขอให้เห็นร่างกายหรือเห็นร่างกายมันนอนแล้วว่าร่างกายมันนอนเออเราคงคงจะไปดีอยู่นะอย่างเงี้ยเราคิ ด, ค, ดคิดอยู่ในใจอยู่เหมือนกันนะครับอาจารย์ครับครับพอาจารย์กับผมคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่ที่ได้สั่งสอนครับก็มีมีเรื่องของเออมีมีของเมื่อกี้คุณหมอเขาพูดเรื่องของหลวงตามหาบัวครับ อผมผมเคยมีที่ว่าผมที่ผมตอนเช้าผมนั่งสมาธิแล้วก็เกิดเวทนาหลังจากนั้นผมก็ออกมาผมก็ไปเปิดไปเปิดวิดีโอของหลวงตามหาบัวฟังนะครับฟังแล้วพระอาจารย์ผมรู้สึกว่าโอ้มันแบบว่าเข้าถึงจิตถึงใจมากเลยพระอาจารย์ฟังสิ่งเทพของของท่านจะเข้าใจเล้ครับเหมือนคือคือในใจผมคิดเลยว่าโอ้เออหลวงตามหาบัวครับท่านแบบเป็นอัจฉริยะบุคคลมากกว่าแบบ โอ้ oh oh, แบบไม่ไม่เหมือนนแบบว่าฟังแนละ้วมันจับจิตจับใจมากเลยพระอาจารย์ใน mm hmm. บทที่เอเวทนาฮะพระอาจารย์ mm hmm. โอ้ถึ ง, ถ, งถึงใจมากเลยถึง แ, แบบโอ้เนี่นในแบบท่านเป็นอจฉริยญาเลยนะครับ mm hmm. ในในความคิดของผมอะครับพระอาจารย์แต่ก็ผมขอบคุณพระอาจารย์นะฮะที่ที่ได้สั่งสอนเข้ามาถึงขนาดนี้ผมก็อืมพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับพระอาจารย์ก mm ็ร hmm. ีบเร่งด mm ้วยครับอืมข้าผม Okay, นะครับผมโอเคนะครับไม่มีมีอะไรมากครับอาจารย์ขอบพระคุณพระอาจารย์อีกครั้งครับสาธิครับท่านต่อไปคุณทวิษาอยากสวิตเซอร์แลนด์เชิญคุณทวิษาวันนี้วันพระของคุณทวิษาใช่ไหมวันนี้อยู่ทำงานใช่ค่ะท่านพระอาจารย์ค่ะกับนวัตกรรมกลับสร้าค่ะรสิ้นแปด<อ>แล้วก็เพิ่มเพิ่มคืออดอาหารค่ะค่ะารย์ไม่กินเลยเหรอต้องวันไม่กิน ค่ะไม่กินเลยค่ะออดื่มน้ําเป ล, าลาเ่าค่ะค่ะข้าวขึ้นค่ะครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วก็ดี ก, ดก็ใช้ได้ค่ะคืออดได้คือไม่รู้สึกหิวไม่รู้สึกอยากอะไรเลยค่ะเพียงแต่บางทีเราอ่ะพอตื่นเช้ามาอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียนดิดนิงแต่ก็ไม่ไม่เป็นปัญหาก็เลยคิด ว, ว่างงงเราจะทําแบบนี้ต่อไปค่ะปฏิบัตินี้สบายตัวเบาค่ะก็รู้สึกดีขึ้นค่ะ สติดีแต่ก็บางทีตอนนี้ก็คือคือฝึกสติค่ะเรื่อยๆแล้วก็เพราะว่าบางมันก็ยังปุ้งร้านอยู่ค่ะต้านเอาปยญญา<ก>ท<ำ>ตั้งแต่ลืมาตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาคอยควบคุมจิตคอค่รควบคุมความคิดอะไรบางกับให้มันอยู่กับร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรให้มันเฝ้าอยู่เลยถ้าไม่พูดโธก็ดูร่างกายไป แล้มันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่า่าค่ะค่ะยอมใช้อคือแบบบางทีแบบบางครั้งมันเผลอบ่อยก็คือเหมือนกับว่าเราแปรงฟันหรือเราทําอะไรก็คือบางทีถ้ากิใช้ฟุตโฟมค่ะเราก็เลยเราก็เลยใช้คําว่าแปรงฟันอยู่ก็แปรงฟันทากับข้าวก็ทำกับข้าวผัดก็ผัดก็คือพยายามนึกแบบนี้แต่ถ้าเกิดมันแวบมากก็ เอาพูดโทเข้ามาอย่างนี้ได้ไหมคะใช้ได้ไหมคะได้เรื่องถ้มันมันมากก็หยุดก่อนแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่อ๋อหยุดทำงานอยู่แล้วก็เข้ามาดูงานที่เราทำแล้วก็เริ่มต้นใหม่ใหม่ก็ได้อ๋อวิสตาร์ทลดอย่างเนี้ยมันลดมันกำลังจะตกเขวแล้วก็หยุดลดไปก่อนอืมค่ะหยุดพักรถมันดีไหมค่ะโอเคค่ะค่ะมีแค่นี้ค่ะพี่สาว พยายามฝึกสติไปแล้วก็นั่งสมาธิไปน ะ, ะถ้าจะคิดเกี่ยวกับทิศทางหลังตายล่างฐานอนิจจทุกขังอนัตตานะค่ะกับขอบพระคุณครับอาจารย์คุณมาลีใช่ไหมคุณมาลีเด็กชายเปรตศิษย์อาาพูดได้ภาพนิ่งแสดงว่าสัญญานึงคุณมาลีได้ยินหรือเปล่า อ่าได้แล้วโอเคเชิญพูดได้เลยคุณมาลไม่ไม่ได้ยินเสียงฮัลโหลฮัลโหลกลาหลวงพ่อค่ะได้ยินเสียงยได้ได้ยินแล้วค่ะโอเคาววันนี้มีอะไรบ้างหนูก็ยังปฏิบัติอยู่เหมือนเดิมค่ะหลวงพ่อก็ไปกลับกลับมาแล้วค่ะ กลับ<ต>มาแล้วคะ่ะวันนี้ขอไวสักวันนึงจะกลับมาเรียนทำมากับหลวงพ่อคะ่ะ<า>แล้วก็หนูก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้ก็ยังนอนเหลือประมาณแค่สี่ชั่วโมงนิดนิดค่ะหลวงพ่อปฏิบัติเช้าแล้วก็เย็นกลับมาก่อนนอนก็ถึงบางทีก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วก็พอตีสี่หนูก็ลุกมาใหม่แล้วก็พอไปถึงออฟฟิศก็ประมาณช่วงเจ็ดโมงครึ่งถึงช่วง ก่อนแปดโมงครึ่งอะค่ะหลวงพ่อแล้วที่เหลือหนูก็ทํางานมันก็ต้องใช้สมองคิดงานอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนขาดช่วงไปเงี้ยค่ะหลวงพ่ออื้จทานีจำเป็นก็จำเป็นก็ต้องยอมมัค่ะแล้วแล้วทีนี้ที่บอกว่าปฏิบัติแล้วมันเขาเรียกอะไรทรมานตัวเองอะไรตามที่ภาษาทางพระพูดนะคะหลวงพ่อว่าอะไรนะที่แบบ อ่าประมาณมันถือว่าประมาณไหนถึงถือว่าทรมานร่างกายคะหลวงพ่ออ๋อนั่นต้องแบบพวกลุ่ยสีนั่งบนที่นั่งที่มีตะปูให้มันเจ็บก้นอย่างเงี้ยเรียกว่าอ่ายืนผ้าปฏิบัตินะแต่แต่ไม่ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ทําอะไรทางจิตใจยังแต่ใช้ขันติอดทนสู้กับความเจ็บป่วยของร่างกายอย่างเดียวค่ะหลวงพ่อมันได้แตได้แต่ขันติแต่มันขันติมันไม่พอ สิ่งที่เราต้องการคือสติอย่างนี้ไม่เรียกว่าอย่างที่ที่สอนให้ทำนี้ไม่เรียกว่าทำมาร่างกายมากแต่เกิดตายเช่นไม่กินอาหารเว้นวันอย่างเงี้ยอดอาหารวันสองวันสามวันนี้ไม่แต่เราว่าเอามาเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการกำลังสติสมาธิของเรา คือเรื่องเรื่องอาหารตั้งแต่หนูฟังหนูพ่อเทศแรกๆอะค่ะที่บอกมาถือแปดใช่ไหมคะหนูก็กลายเป็นกินแค่ไม่เกินสองมือ้อแล้วก็บางทีก็มื้อเดียวบางทีก็ไม่คือมื้อเดียวไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูหนูก็ต้องทํางานแต่มันก็อยู่ได้นะคะหลวงพ่อแล้วเวลาปฏิบัตินะคะมันก็เหมือนมันไม่หลับอะค่ะหลวงพ่อเวลานั่งนั่งแล้วอะ่ะคือเหมือนกายมันปักนิ่งไปเลยอะค่ะแต่ว่าบางครั้งอะ กว่าจะเข้าได้บางทีมันก็ไวบางทีมันก็ช้าค่ะหลวงพ่ออยู่ที่สติของเราบางวันก็ดีประวัน ก, ก็ไม่ดีค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วทีเนี้ยเมื่อเมื่อเช้าเนี้ยค่ะประมาณตอนตีสี่กว่าหนูก็ปฏิบัติแล้วมันเหมือนแบบมันงึบหนูไม่ได้หลับไม่ได้อะไรรู้ตัวตลอดแต่ว่ามันเหมือนล่วงแบบมันล่วงหลายรอบอเงี้ยมั น, ม, นมันสับปล่งอกอะไรนะคะสับเปล่งออก แต่มันไม่ได้หลับอะค่ะหลวงพ่อรู้ไมันก็มันจะหลับแล้วก็รู้สึกมันใกล้จะหลับสับสนงงค่ะหลวงพ่อรู้ขึ้นมาได้รู้ขึ้นมาได้รู้ขึ้นมาเยืนก็ค่ะหลวงพ่อก็หนูก็ยังปฏิบัติอยู่ไม่ไม่ได้ทิ้งค่ะหลวงพ่อทําอาจจะเป็นเพานอนไม่พอก็ได้นะบางทีนอนไม่พออาจจะง่วงง่ายค่ะหลวงพ่อแต่พอ ตอนเช้าแต่มันไม่ทนไม่ไหวจริงๆก็ต้องให้มันพักก่อนต้องให้มันพักร่างกายก็ต้องดูแลรักษามันเดี๋ยวใช้งานมันบ้างๆมันก็เดี๋ยวช้ำนุชุดโซนได้ถ้าประพอไม่พอค่ะแต่พอไปถึงที่ทํางานแล้วหนูก็ขึ้นไปปฏิบัติที่ห้องพักของบริษัทนะคะก็รู้สึกว่ามันสงบนิ่งดีแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่า สุขใจเยอะหรือว่าทรมานมากอะไรเงี้ยมันก็อยู่แบบกลางๆเงี้ยค่ะหลวงพ่อยังไม่สงบเต็มที่ค่ะหลวงพ่อก็พอดีหมดเวลาเพราะปฏิบัติได้แค่เวลาก็จะเข้างานแล้วเงี้ยแปดโงครึ่งเงี้ยหนูก็เลยเลิกค่ะหลวงพ่อก็ทำอย่างเงี้ยทุกวันค่ะหลวงพ่อได้ทำไปเถอทำเท่าที่เราทำได้ตอนนี้ค่ะหลวง มือนกัยังไม่ได้ขึ้นทางด่วนเพราะยังติดไฟแดงไฟเขียวไฟแดงสียากค่ะหลวงพ่อเพราะมีงานต้องทําอยู่ยังต้องผ่ ะ, ะยังมอนนีอันนี้ก็เตรียมเตรียมจิตเตรียมใจไว้ก่อนก็แล้วกันพอถึงเวลาขึ้นทายู่วนหน้าจะได้หเหยียบไปเต็มที่เลยค่ะหนูก็พยายามพยายามอยู่ทุกวันค่ะหลวงพ่อเท่าที่เราจะทําได้ปฏิบัติได้ค่ะหลวงพ่อ ความเปลี่ยนพยายามเป็นเหตุความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอีูที่นั่นนะค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อคะเมื่อวันอาทิตย์เนี้หนูเห็นเ อ, อที่โพสต์ลงมาในเฟซบุ๊กค่ะที่หลวงพ่อไปบินธบุรตอนเช้าวันอาทิตย์น่ะคนเยอะมากมากเลยอาทิตย์เนี้แล้วแล้วหนูก็ร่วมกับ พี่ที่ทํางานอ่ะชื่อพี่หนึ่งอ่ะที่ผมซอยซอยสั้นๆใส่เสื้อขาวค่ะที่ขอถ่ายรูปกับหลวงพ่อตอนตอนส่งพ่อขึ้นรถมาดีฝากของอะไงมาร่วมกับเขาถวายอาหารค่ะหนูเห็นแล้วหนูก็ดีใจมากแต่หลวงพ่อน่าจะเหนื่อยมากเลยนะคะเดินเดินก็ไต่ไม่เหนื่อยแล้วสบายก็เดินไปไเรื่อยเดินเป็นไกลเอาออกอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้แบกของหนักตลอดเวลา ต้องแบบนี้ทุกวันเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อทุกวันแต่คนจะมากน้อยต่างกัน อ, อย่างวันธรรมดา น, นี้ก็สองร้อยเป็นหลักถ้าเสาร์อาทิตย์ก็สามร้อยขึ้นไปมาทิตที่ผ่านมันห้าร้อยมั้ากว่าเยอะเยอะมากเล ย, ลยค่ะค่ะแต่วันมาถ้านี่พันหนึง่งพันกว่าเยอะแบบโอ้โหบอก ถามพี่หนึ่งว่าแล้วหลวงพ่อเหนื่อยแบบอย่างเงี้ยเดินไกลไปเป็นกิโลหลวงพ่อไม่เหนื่อยเหรออะไรเงี้ยได้เหรอเท่าเดิมมันธรรมดาหรือวันนี้มันมันก็เหมือนเดิมเพราะระยะทางก็เท่าเดิมขอไม่มีคนคอยเอาออกมีเรื่อยค่ะอะไรไม่มีความแตกต่าง เ, เหนื่อยตรงที่คอยนับคนนะเราเราชอบทำทิทำเจตีปีแล้วอะไรทุกวันเราเดินทอนนี้พูดโทรเรือะไรแล้ ว, ลวก็นับคนไปหนึ่งสองหามสี่ห้านับไปเรื่อย หนูเห็นที่เขาถ่ายหนูนึกว่าจะหมดแล้วแบบโอ้โหแบบมันแบบ<ห>เยอะมากมไม่หมดแล้วขึนลแล้วก็ยังมีคนตามเข้ามาใส่บนรถ่อยใช่ใช่ค่ะหลวงพอ่อหนูเห็นหนูก็ดีใจแบบโอ้ขอบคุณพี่หนึ่งเขาส่งรูปมาให้ดูแบบดีใจมากเลยค่ะหลวงพอ่อโอเคนะค่ะขอบพรคุณค่ะหลวงพอ่อวันไหนก็เาม า, มาใส่วันไหนมีโอกาสก็เรามาเตือนเช้ามาใายบาตดูทั้งหมดหนูก็อยากไปค่ะหลวงพอ่อ อยากไปมากมากเลยคนไปยงเทมาใส่เยอะนะถามเขาเติร์นมอตีสี่บ้างตีสามบ้างค่ะหนูถามพี่เขาว่าไปวันไหนเขาบอกว่าเขาไปวันเสาร์ค่ะวันเสาร์วันเสาร์าเขาบอกเขายังไม่ได้ย้อมผมแต่วันอาทิตย์เขาก็ไปย้อมเป็นย้อมผมเป็นสีดาำเพราะหนูเห็นเพราะวันเสาร์เห็นอีกสีหนึ่งวันอาทิตย์เห็นอีกสีหนึ่งเขาก็ส่งรูปมาให้ดูค่ะ หนูดีใจหนูก็บอกว่าถ้าไปอีกถ้าหนูไม่ได้ไปหนูจะฝากไปด้วยนะคะหลวงพ่อฝากไปทําบุญถวายหลวงพ่อเหมือนกันนะคะดีใจค่ะหลวงพ่อสาธุแค่กราบข้าวว่าคุณหลวงพ่อนะคะปฏิบัติต่อนะค่ะหลวงพ่อขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะคุณน้มน้อมจากบอกวินก็มาใส่บาตรัึงวันเสาร์แล้ค่ะน้ำมัสการค่ะพระอาจารย์ แล้วนี้ก็มาตอนบ่ายด้วยมนเลือดเลือดอาทิตย์วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์เนี่ยแจดไดของของหลวงตาแจดไดของพระอาจารย์ได้ยินไหมคะอ่าพูดใหม่ค่ะเออเห็นพระอาจารย์แจกของหลวงตามหาบัวของแจกได้ของพระอาจารย์หมดหรือยังค่ะยังมีอยู่แต่เป็นของของปีที่แล้วของเก่าของล่าสุดนี้กําลังทําอยู่ใกล้จะเสร็จแะของเของปี หกสามที่ใกล้จะเสร็จแล้วของเก่าก็ยังไม่ได้ที่แจกอยู่นี้ปีหนึ่สองก็ไม่ขอเนี่ขอใช่ค่ะบอกว่าบางวันแฝดได้ก็จะหยิบให้พอดีเอาของหลวงตามหาบัวมาแล้วก็ก็เลยอยากได้ของพระอาจารย์ค่ะวันนีวางบางวันแล้วก็ลือประกาศบอกใครต้องการแฝดได้ก็มาขอรับได้ค่ะเพราะถ้าวางไว้เฉยๆเนี่ยกลวคนไม่รู้เนี่ยหยิบไปหยิบไปก็เลยต้องเข้า ให้คนที่เขาอยากจะได้จริงๆดีกว่ามันจะได้ไม่เสียของค่ะพอดีคิดว่าฟังใน y o u t u ู e ก็ได้แต่ทีเนี้ยบางทีอยากจะแบบใช้ u s เอสบีในรถจะได้เขาใช้อินเทอร์เนต็ตใช่ครับรวไปนี่ครับเดี๋ยวนี้ใช้สายได้เหมดทั้งวันค่ะถ้าก็มาคราวหน้าเ้ามาขอได้บอกขอค่ะ่ถ<อ>้า อ, อาจารย์คะถ้าเรามาสายปฏิบตัต แล้วคือพอดีมีอยู่ที่ห้องพระมีเราเร า, าเราต้องทุกวันพระเราต้องไม่ต้องทําอะไรเลยเก็นว่เฉยๆบูชาด้ดวยด้วยการกราบก็พอไม่ต้องถวายดอกไม้แล้วก็นต้อดอกไม้ทุกเทียนไม่ต้องน้ําบคนถวายน้ําเขียวน้ําแดงเพราะว่าพระชอบดื่มน้ําเขียวน้ําแดงพอดีหลังจากที่<อ>ปฏิบัติบูชาก็้วเปล่าเป็นเอาเป็นที่ทตั้งสติ เห็นพระจะได้รับเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นคิดถึงการปฏิบัติแต่ไม่ต้องไม่ต้องบูชาอย่างอื่นด้วยของประดับอะไรทั้งนั้นทำไว้เหมือนเดิมใครใครมีอยู่ก็ตั้งไว้เหมือนเดิมไม่ไม่เสียหายอะไรตรงไหนแต่แต่ไม่แต่ไม่ต้องเปลี่ยนดอกไม้ได้ก็เอาดอกแบบพลาสติกเสลยน้ไม่ต้องเปลี่ยนคน้ําก็ต้องเปลี่ยนไหมคะไม่ต้องแล้วน้ํำไม่ต้องถวายแล้วทั้งนั้นบอก คของวัตถุนี้ไม่ต้องถวายทู่ไม่ต้องจุดสมัยนี้ก็ไม่นิยมจุดทู่เทียนก็ไม่ต้องจุดกลราบก็พอกราบสามครั้งค่ะปฏิบัติบูชาดีกว่าค่ะอันนั้นก็าเรียกว่าอามิสบูชาคถวายเยอดอกไม้ทูบเทียนพอดีมาปฏิบัติบูชาแล้วก็ก็เลยไม่ได้ถวายํากับดอกไม้ร้ยปฏิบัติบูชาก็ถือว่า แต่ว่าใช่ได้นะเป็นบูชาที่พระเจ้าทรงต้องการให้ปฏิบัติให้บูชา uh huh. แต่บางทีต้องอาศัยอมิสบูชาก่อนพอ uh huh. ต้นยังปฏิบัติไม่ได้ก็เราม้ทุบเทียนไปก่อน uh huh. จะได้จิตใจจะได้น้อมข้าหาพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ uh huh. พอได้ศึกษาทำแล้วพอเริ่มปฏิบัติแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้อง uh huh. ไม่ต้องอมิสบูชา uh huh. พอเราผ่านเปลือกมาแล้วก็อยู่ที่เนื้อข้างในใช่ไหกุฏิรา ม, มีพระพุทธรูปไหมทายการมีไหมไม่มีนะไม่มีค่ะไม่มีคนเขาถามมาบกว่าที่นี่ไม่มีพระพุทธรูปเลยค่ะพระอาจารย์คะคาถามสุดท้ายคะ่ะเ อ, อที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าทําบาปจากความกลัวจะเกิดเป็นอสุรกายคือพอดีเซิร์ชใ น, นเน็ตแล้ว มันรูปร่างอสุรากายมันไม่ชัดเจนนะคะพระอาจารย์มันไม่มีหรอกมันไม่มีรูปร่างเปรื ก, ก็ไม่มีรูปร่างมันเป็นจิตที่อยู่ในภาวะของความหวาดกลัวก็คือถ้าอยากจะรู้ว่าเวลาเราเป็นอสุรากายก็ดูตานที่เรานอนหลับเราฝันแต่เรื่องที่หวาดเสียหวาดกลัวนั่นคือเป็นจิตของอสุรากายค่ะถ้าฝันเรื่องหิวห้อหยอดยาขาดแคลนก็เป็นเรื่องของเปลือกค่ะ ฝันยังเงื่อนข่าฝันกันล้างแค้นกันอาฆาตพยายามบากกันก็เป็นนรกเนี่ยเวลาเราไม่มีร่างกายจิตมันจะอยู่ในสภาพของคนนอนหลับฝันกําลังฝันฝันด้วยบากระดบุญที่ตัวเองได้ทําไว้เนี่ยตัวจิตเองมันไม่มีรูปร่างอันนี้ก็สมมุติขึ้นมาท่านเองเจนงอกเปรตนี่ปากเท่าลูเข็มท้องเท่าตุกตัวสูงยงไง มันเป็นเป็นจินตนาการเขาเขียนไม่นค่ะแต่ความเป็นจริงมันไม่มีนะจิตมันไม่มีรูปร่างหน้าตาเทพไม่มีรูปร่างหน้าตาเขาก็ว่าจะสวยเลยเทพเทพธิดาเทพเทวดามันเป็นจินตนาการของมนุษย์สื่อก่อนให้รู้ว่าความแตกต่างของของของพบของจิตของแต่ละดวงเป็นยังไง ถ้าถ้าเราฝันถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าได้อย่างแม่นยำนี้คือมันหมายถึงอะไรคะพระอาจารย์ก็หมายถึงว่ามีตาทิพย์มันมันเป็นบางครั้งค่ะพระอาจารย์ก็ต้องก็ต้องคอยคอยพิสูจน์ไปเรื่อยๆว่ามันมันตรงกับที่เราฝันทุกครั้งหรือเปล่าถ้าตรงนี่ก็แสดงว่าเราแม่นแลต่คำว่นี้อย่าไปพูดไปอย่าไปบอกใครเลยดีกว่าเดี๋ยวเขาจะมาลอกเลีนเรา อ๋อค่ะเดี๋ยวจะมาคอยถามนี่พี่พรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่แต่ไม่ได้มีอะไรมาบอกเราในฝันใช่ไหมคะพระอาจารย์หมายถึงอะไรหมายถึงอาจจะมีแมมันมันเกิดจากจิตเราอย่างเดียวใช่ไหมคะก็จิตเรามันมันมีพลังมันอาจจะไปรับรู้เรื่องราวต่างๆได้อ๋อค่ะ อ, อ, อ, อค่ะหรือเราเลืกชาติได้พระพุทธเจ้าเนี่เราเลกชาติได้ อืมค่ะผ่านจิตใจของคนอื่นได้ค่ะติดต่อกลไกลที่ได้ค่ะดูอนาคตได้ค่ะแต่ของพวกนี้ไม่ใช่เป็นมากเป็นผลมันไม่ทําให้เราหลุดพ้นถ้าเราอยังเราปฏิบัติท่าเจอ้ของพวกนี้ก็ให้ดูเฉยๆอย่ายไปยึดไปติดมันอย่ายไปหลงให้มาไปทางวิปัสสนาทางสมาธิ นะค่ะมีท่นี้เลยค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะคุณพระรุ่ดเชิญบมาสักการะค่ะไม่มีอะไรเจ้าค่ะตอนนี้กลับมารับประทานเป็นปกติหรือยังค่ะก็ปกติค่ะกี่มื้อเลยสองมื้อสามมื้อตอนสามื้อปกติค่ะเพราะว่าก็อยู่กัแฟนเนะแฟนก็สามมื้อก็ต้องค่ะก็ต้องสามมอเา ค่ะแล้วว่าทานไม่มากเท่าไหร่ค่ะมันอิ่มกินไม่ลงแเพราะกระเพาะมันขนแล้วกพร้อมท้องค่ะพระเจยากินเข้าไปนิดเดียวก็รู้สึกอิ่มนะค่ะอิ่มค่ะก็อยู่ก็ช่วงนี้ก็อยู่เหมือนมันไม่ค่อยคิดอะไรเรื่องอื่นฟุ้งซ่านเท่าไหร่ค่ะก็คอยใช้ใช้สติคอยกลุ้มมาเรื่อยๆอย่าประมาทอ่าประมาถ้าเราเผอปล่อยไปสักพักเดียวมันก็ลามตามได้เน ค่ะค่ะทีนี้มันต้องคอยคอยคุมมันไว้เรื่อยๆแล้วก็บางทีมพุดโธขึ้นมาเองแล้วบางทีมไปอยู่ที่ลมหายใจอย่างเงี้ยค่ะก็ได้อย่างไดอย่างหมายถึงว่าตอนตอนที่เราไม่ได้นั่งสมาธิอ่ะอ่านั้นก็ได้รู้รู้พอที่ทําให้เราไม่ต้องไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วเราก็รู้ว่าตอนนี้มอยู่อามหายใจหรือว่าก็รู้เฉยๆให้รู้ว่า้วอย่า ดูเพื่อไม่ให้นไปคิดเรื่องนี้เรื่องนี้เจ้าค่ะให้อยู่ในปัจจุบันไม่ไปอดีตไม่ใหนไปอนาคตเจ้าค่ะพรอาจารย์นี่มีท่านนี้ค่ะแล้วมีวางแผนจะจะไปอยู่ต่ออะไรไหมมีหนูอยากไปเดือนละครั้งอยู่ค่ะแต่เดี๋ยวต้องดูสิ้นเดือนว่าจะประมาณสิ้นเดือนค่ะโอเคค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะ ท่านต่อไปคนนิรมนชานคนนิรมนอยู่ที่ไหนรู้สึกข้างล่างก็บาบเลยนกรับรนำ้ำมัสการเจ้าค่ะได้อยู่ใต้วันหรือเปล่วาวันนี้ไม่ใช่เจ้าค่ะยมอยู่ในกรุงเทพเจ้าค่ ะ, ะยมเดินทางไปไปพบท่านเมื่อวันเสาร์เจ้าค่ะไปจะไปร่วมตักบาทนะเจ้าค่ะแล้วตอนนี้รถ เขาทำถนนนะเจ้าค่ะก็รถเดินเดินทางไปลำบากมากเหมือนกันอใช่ช่วงนี้ก็ากำลังก่อสร้างอยู่เจ้าค่ะโยมอยากจะเรียนถามท่านเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัตินะเจ้าค่ะเวลาช่วงหลังจากวันมาคาู้ชาแล้วโยมโยมเข้าปฏิบัติทำนั่งสมาธิเกิดปวดหลังเหมือนเจ็บลึกๆ นจุดจุดเดียวเจ้าค่ะเจ็บเจ็บลึกลึกมันไม่ได้ปวดไปทั้งหลังแต่เป็นจุดจุดเดียวลึกๆเจ้าขวาโยมปวดทรมานมากโยมยมก็ก็ไม่ไม่ทราบว่าจะหลุดไอจุดปวดนี้ได้อย่างไรอ่ะเจ้าค่ะก็มันเป็นเฉพาะเวลาที่เรานั่งรม่ว่ามันเป็นเป็นทั้งเวลานั่งแล้วไม่นั่งตอนเวลานั่งเจ้าค่ะเวลาเลิกนั่งก็ไม่เป็น เวลานั่งคือเ ว, เวลาปวดปวดแต่ปว ด, ปว ด, ปวดลึกๆทั้งในนั่นๆจุดๆเดียวเหมือนเข็มที่มาเจ้าค่ะนั่นแหละแต่มว่าเป็นตอนไหนอ่เป็นเฉพาะตอนที่นั่งสมาธิเหรอใช่จู่เวลานั่งดูนังดูละครไม่เป็นอ่ะยมไม่ได้ดูละครแต่ว่ายมดูมทางคอมนี่บางทีนั่งนั่งก็แต่เวลานั่งนั่งสมาธิเนี่ยเจ้าขาจะ ขึ้นมาจะเป็นเป็นเฉพาะสมาธิหรือว่าเป็นทั้งไม่ใช่สมาธิด้วยตอนตอนอื่นเป็นหรือเปล่าตอนนั่งทํางานอย่างอื่นเป็นไหมไม่เจ้าค่ะไม่เป็นมาเป็นเฉพาะตอนที่นั่งสมาธิตอนที่นั่งสมาธิจะแรงมากจะแรงจะแรงค่ะคือเจ้ามันเป็นทั้งสมาธิและทั้งไม่เป็นตอนที่ไม่นั่งสมาธิก็เป็นเรื่องของร่างกาย ต้องการก็ต้องไปหาหมอให้เขาตรวจดู ว, ว่าเป็นอะไรเจ้าค่ะแต่ถ้าเป็นเฉพาะเวลานั่งสมาธิเวลาอื่นไม่เป็นก็แสดงว่าเป็นกิเลสเป็นกิเลสเหรอเจ้าค่ะกิเลสมันมันทําสร้างความรู้สึกขึ้นมาหลอกตลออ๋อ oh, แล้วโยมจะหลุดจากตรงนี้ได้อย่างไรอะ่ะเจ้าก็ไม่ต้องหลุดก็อยู่กับมันไปมันมาก็มาพิจารณาให้มันเป็นตายรั้ไปอ๋อ oh, ค่อนข้างแรงมากเพราะว่ามั น, มน ก็ปล่อยมันไปละลห้ามมันได้หรือเปล่าเราสั่งมันไปไล่มันไปได้หรือเปล่าไม่ได้มันไม่ได้ก็อยู่กับมันไปก็หอยู่กับมันไปอืเจ้าค่ะเจ้าค่ะเพราะโยมอยากจะอย่างนี้มันทําให้เราทุกข์ทำให้เราเครียดถ้าเราตัดความอยากได้แล้วเราจะไม่เครียดเราจะอยู่กับมันได้สบายเจ้าค่ะก็ พอจะลจะทนอยู่กับจุดปวดนี้จนจนเขาหากเนี่ยอย่าไปทนปทนทนท น, ทนทนแสดงว่ายังอยากให้มันหายอยู่ต้องตัดความอยากโดยการใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธมึงจะอยู่ก็อยู่มึงจะไปก็ไปยินดีท่านรักอย่าไปขับไล่ใช้ส่งเขาอเจ้า่ะเจ้าขาเองเปลี่ยนใจอยากการรังเกียจมาเป็น ใ, ใจที่มีเมตตามยินดีตั้งนั่มเจ้าค่ะแล้วใจจะไม่ปวดจะปวดแต่ที่ร่างกายเลือดีไม่ดีมันอาจจะหายก็ได้ถ้าใจสงบถ้ามันเกิดจากดีเลดมันก็จะหายเจ้าค่ะเมื่อกี้นี้บอกก็บอกอยู่ที่ไหนยกรุงเทพเนะอยู่กรุงเทพนะเทพจ้าค่าาะพยายามจะเก็บสติีว่าใครมาจากไหนบ้าง เจ้าค่ะมีท่านนี้เหรอคุณท่านมั้งมีเข้าค่ะโอเคต่อไปท่านต่อไปนะคนอ้อยเลยใช่ไหมจำชื่อผิดหรือเ่าไม่ทราบเขียนเป็นภาษาลาวนี่ตัอักษรลาวเชิญธรรสกาสรพระอาจารย์ชื่ออะไรน่ะลืมละอาทิตย์เดียวแล้วบอกตาลค่ะฮะตาลตานคุณตาที่เขียนนี่เขียนว่าอ่านว่ายังไงนะที่ สอนดวงพรเดชค่ะสอนดวงพรเดชค่ะ ก, ก็จากอาทิตย์ที่แล้วนะคะพระอาจารย์ก็คือแบบว่าก็ลดเข้าเย็นนะคะไม่ไ ม, ไม่ทเข้าเย็นแล้วก็เวลานั่งก็สงบก็ดีขึ้นนิ่งขึ้นนะคะพระอาจารย์แต่ก็ยังเข้าไม่ถึงความความว่างหรือเป็นสมาธิ ก็ต้องพยายามทําไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะมันเหมือนเหมือ น, นปลูกต้นไม้บางทีมันก็ค่อยๆเข้าไปอย่างน้อยก็สามารถนั่งได้ก็ถือว่าก้าวหน้าแล้วมีกําลังหอดอาหารได้นี่แสดงว่ามีมีสติดีขึ้นนะถ้าไม่มีสติทนไม่ไหวแล้วไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะครับไม่หิวไม่อะไรลเลยแสดงว่าเราคุมจิตไม่ได้จิตไม่ปรุงแต่งคิดถึงอาหาร นั่งนั่งได้นานขึ้นจากนั่งประมาณสามสิบนาทีก็เพิ่มขึ้นเป็นสี่สิบหรือว่าสี่สิบห้านาทีประมาณนี้ครับแล้วถ้าเวลาถึงเวลามันอยากจะลุกลองบังคับให้มันนั่งต่อโดยการท่องพุโทโธพุโทโธหรือสวดมนไปก่อนอย่างได้ลและค่ะพระอาจารย์แล้วจิตจิตอ่อความคิดกับเอ่อความคิดกับความอะไรนะความรู้สึกอ่ะมันแยกออกจากกาันคือ ใหม่ยังไงครับก like yeah. right. like ็จิตจ like oh ha! ิตนี่มันมีตัวรู้กับตัวคิดเนี่ยมีซ้ำมีตัวทําหน้าที่สองตัวตัวคิดกับตัวรู้แล้วแล้วก็าหยุดคิดก็จะเห็นตัวรู้อ๋อแล้วไปเห็นแล้วแล้วไปเห็นความคิดอีกทีหนึ่งว่าก็รู้ว่าตัวรู้กับตัวคิดเป็นคนละตัวกันเนี่ยค่ะอาจารย์เราใช้สติอยู่ตัวตัวคิดเราจะเราจะได้เห็นที่เหลืออยู่ก็จะเลยแต่ตัวรู้ มันรู้ว่าไม่มีอะไรให้รู้รั่วว่างไอตัวที่รู้ว่าว่างคือตัวรูว้แต่ยังควบคุมความโกรธไม่ได้เลยครับอาจารย์อ๋ออันนี้ไม่ได้ทําเพื่อควบคุมความโกรธตอนนี้ทําเพื่อพักจิตเพื่อหยุดความคิดให้จิตสงบให้จิตมีความสุขมีอุเบกขาแต่เดี๋ยวพอออกมาจากสมาธิถ้าจะควบคุมความโกรธนี่ก็ต้องลดความอยากลง ความอยากเป็นต้นเหตุของการทําให้เราโกรธอยากได้นั่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็โกรธ<ต>เห็น เ, เห็นตอนอเห็นตอนอยู่ข้างนอกค่ะพระอาจารย์ว่าเออเวลาโกรธอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาคิดอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นว่าความคิดมันแย่ออกจากกาันนะเพราะนั่นแตัวตัวเห็นกับตัวคิดเป็นคนอะตัวกันครับก็พยายามให้ให้ใหยุดตัวคิดให้หยุดตัวอยากเราจะนั้นไม่ทุกข์ ตัวคิดตัวอย่างนี่มันทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอยากได้นูน่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็โกรธอยากให้ก็ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเขาไม่ทำก็โกรธหรือเสียใจเหมือนกันถ้าไม่มีความอยากเขาก็จะทำอะไรก็เฉยไม่ใช่เรื่องของเราใช่หไหมคแล้วจะข้ามาจุดที่เจ็บปวดแล้วก็เวทนาอย่างไงครัาาอาจา อย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้ความเจ็บป่วยหายแล้วก็พุทโธของเราทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปพุทโธไปสวดมนต์ไปดู ล, ลงไปแล้วแต่จะจะถนัดวิธีไหนก็ทําไปอย่านั่งเฉยๆอย่าไปนั่งทนเฉยๆเดี๋ยวมันก็อยากจะให้มันหายพอยิ่งอยากก็ยิ่งทุกข์อยกยิ่งเครียดอย่เดี๋ยวก็ทนไม่ไหวอย่านั่งเฉยๆ เ, เวลามันเจ็บมันป่วยก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไป คือวสวดอิติปิโนะธรรมสมาสวาคาโต้ น, นี่ไปไหว้มันปวดไปอันนี้ขั้นสตินะถ้าขั้นปัญญายก็พิจารณาว่าความปวดมันเหมือนกับอ่าของที่เราไปสั่งมันไม่ได้เหมือนฝนตกแดดออกนี่เราสั่งไม่ได้เวลามันตกก็ต้องอยู่กับมันไปใช่ไหมเวลาฝนตกอันนี้ก็เหมือนเวทนาก็เหมือนฝนะ มันมาต่อข้างในใจเราแต่ยังยังแต่ อ, อ แ, ตแบบว่ายัางแบบมีความรู้สึกโกรธแบบว่าเวลาคํ า, าว่าเราอย่างเนี้ยเราก็ห้ามความโกรธตรงนั้นไม่ได้ก็เพราะเราอยากให้เขาชมเราไม่ใช่เราอยากไม่ให้เขาว่าเราเราก็โกรธเขเองก็ต่อไปก็ตัดไอตัวอย่างนี้ไปต่อไปนี้ขยั ก, กระดาษแล้วก็ยินดีเสมอขยันจะไม่ชมก็ยินดีตอนนี้เราต้องคลึกใจ จากการอยากให้เขาชมอยากให้เขาไม่ดา่ามาเป็นอยากให้เขาดา่าอยากให้เขาไม่ชมด้วยเราจะไม่ผิดหวังเราจะไม่โกรธเออวันนี้เขาด่าเราสมหวังดีใจ <c oughs> ใจดังใจหม้ค่ะอาจารย์หร <c oughs> ือไม่ใช่น่าก็อย่าไปอยากเขาจะด่าก็ได้เขาไม่ด่าก็ได้ปากของเขาเราห้ามเขาไม่ได้ให้คิดอย่างนี้แล้วคอยดูว่าวันนี้มันจะทำอะไรวะวันนี้มันก็มีสองทางสามทาง ไม่ได่าก็ชมไม่ชมก็เฉยเฉยก็มีแค่นี้แหละทำไมรับกับมันไม่ได้ของแค่นี้ที่เราไปยึดไปติดกับคำชมไปรังเกียกบคําคําด่ามันก็เลยทุกข์นั้นคลิกใจเราปล่อยใจเราให้เป็นอิสระรับได้ทั้งคำด่ารับได้ทั้งคำชมเพราะเราไปควบคุมไปบังคับของไม่ได้ ครับพระอาจารย์จะพยายามทําให้มากขึ้น อ, อลองทําดูเลยนะลองต่อไปนี้ต่ อ, อไปนี้เวลาเจอหน้าใครเหมือนนะักพูดบอลเนี่ยก็าพู้รักษาประตูนี้ก็ต้องคอยคอยเท้าว่าบอลมันจะมาทางอากาศแล้วมาทางพื้นดินใช่ไหะครับคอยก็จะพูดก็เหมือนกันก็นจะชมแล้วก็จะด่าก็คอยรับมันไว้เลยเตรียมรับไว้เลยให้มันจะมาลูกไหนวะมันจะมาชมแล้วมันจะมาด่าก็ได้ทั้งนั้นเนี่ย ถ้าพร้อมที่จะรับแล้ามันมันก็จะไม่ชุกใช่ไหมแต่เราอยากให้เขาชมใช่ไหมโอ้เป็นยังไงคนสวยสบายดีเหร อ, อ, อืยิ้มเลยแล้วก็ด่าว่นานอินั่นอินี่ขึ้นมานี่โกรธขึ้นมาแล้วก็เป็นแค่เสียงเท่านั้นเองเสียงชมกับเสียงด่ามันต่างกันตรงไหนมันก็เป็นเสียงเข้ามืหูเหราเหมือนกัน มันไปต่างที่ใจเราแท้เลยใจเราไปรักไปเลือกที่รักมากที่ช้ำเองมันก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาแต่ตัวตัวเสียงดา่าเสียงชมมันก็ไม่มันก็เป็นเสียงไงใช่ไมข่าวพระอาจารย์มีเท่านี้ข่าวพอาจารย์เข้าใจนะใช้สติถ้าถ้ามันอยากจะโกรธก็ใช้พูดโทพูดโทแล้วกกโกรธโกิดโกรธขึ้นมาแบพูดโธพูดโธ ในส่วนที่ไปโปอย่าไปคิดถึงคําที่เขาขด่าเราเดี๋ยวก็ลืมแะ้วเดี๋ยวก็หายแล้วหรือถ้าใช้ปัญญาก็พิจรารณาว่าต่อไปนี้ยินดีต้อนรับคําด่าทุกชนิดอเกิดมาแล้วเป็นเหมือนกระโถนย่อมนะอุจะจาระบอกทาตัวให้เป็นเหมือนแผ่นดินให้เขาเหยียบให้เขาย่ามอมเขาจะด่าเขาจะอะไรก็ปล่อยก็ทําไปถ้าทําใจให้เป็นเหมือนแผ่นดินแล้วสบาย นะใช่นนะโอเคสาธุค่ะเคกุณกันญยาเช้ากุณกันญยาคุณไม่ได้ไม่เปิดกล้องนะถือว่าไม่พูดนะอะอยู่ที่ไหนเปิดกล้องเลยค่ะพราจันอยู่ฝรั่งเศสค่ะเมอืองไหนจ้าอยู่ใกล้ใกล้สแตชบุกค่ะเป็นชายแดนฝรั่งเศสกต่ เ, เยอรมันค่ะทางเหนเจ้านะค่ะทางตะวันออกเฉียงเหนือค่ะหนู<ด>ฟังนะพระจันทร์มา สองสามปีแล้วค่ะแล้วก็ได้เขียนไปถามปัญหาในตรงธรรมะนาุติบ้านอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งมีโอกาสได้มาเข้าซูงครั้งแรกค่ะกับอาจารย์ยินดีรับรับจ้ะมีอะไรจะถามไหมค่ะคือหนูก็ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนนะนะคะก็พยายามปฏิบัติมาเรื่อยๆตอนนี้โชคตั้งแต่มีโควิดเนี่ยก็มันก็มีทุกข์ใจมากเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรากับ บ้านไม่ได้แล้วก็ห่วคุณแม่นะคะก็พยายามพอนึกมันเป็นทุกข์กเลยละคะ่ะพระอาจารย์แล้วนึกพุโทโธพุธโทโธพอนึกเรื่องนี้ขึ้นมาทีไรก็พยายามเอาสติมาตั้งไว้พุโทโธเราก็ทําได้แค่นี้เราก็เราก็ดูแลท่านได้ดีที่สุดแล้วแต่ว่าหูมันไม่รู้แบบมันทุกข์จริงๆค่ะว่าหล<ะ>ัก <ละ S 2> มันอยากตัดความอยากความอยากไปบ้านอยากไปเยี่ยมแม่ทําให้เราทุกข์ ใช้ความจริงมาหยุดมันความจริงก็คือไปไม่ได้อยากไปก็ทุกไปเปล่าๆค่ะแล้วเรา คือมันชอบลึกๆแล้วเราก็ไปคิดว่าเอ๊ะเราเป็นลูกไม่ดีแบบไม่กระตันอยู่คือมันก็ฟุ้งไปเองอย่างนั้นนะคะพระอาจารย์หนูก็รู้ตัวนะคะแต่หนูก็พยายามเอามาตั้งสติว่าเออเราต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไม่ไปคิดปรุงแต่งมากไปด้วยใจของเราเองนะคะหนูก็ต้องคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นใช่ไหมคะพระอาจารย์ได้คิดก็ได้คิดแล้วถ้าหยุดความทุกข์ได้ก็คิดไปถ้าคิดไม่ได้หยุดไม่ได้ก็ใช้พุโทธโธพุทโธหยุดคิด พอหยุดคิดมันก็หยุดทุกเรื่องมันก็หายทุกชั่วคราวาาาค่ะค่ะหรือถ้คิดก็คิดทางปัญญาว่าเราอยากจะไปแต่ไปไม่ได้จะทํำยัำยงไงว่ายนะ้ําไปก็ไม่ได้ค่ะ<า>ก็ต้องอยู่ตรงนี้นก่อนค่ะเพราะเนี่ยหนูหนูจะตั้งพูดแผนไว้ว่าเออจะไปการาบพระอาจารย์ที่วัดด้วยอยากจะไปหาแฟนหนูเป็นฝรั่งนะคะแล้วเขาก็ฟัง พระอาจารย์ในภาคเวอร์ชั่นภาษาตั๊กเพื่อทั้งคู่ก็ต่างคนต่างฟังอยู่ก็ฟังภาษาไทยเขาก็ตามถอดเวลาพระา อ, พอาจารย์เทพเป็นภาษาติ๊กค่ะออาจารย์ค่ะเปชาวฝรั่งเศสเนาะค่ะสั้นเลยค่ะเป็นชาวฝ ร, รววั่ง<ด><ๆ>เศสค่ะอืมดีไปอยู่ที่นั่นนานหรยังก็อยู่มาปีนี้ปีที่สิบห้าแล้วค่ะแต่ปกติกลับบ้านทุกปีคือถ้าไม่กลับก็คุณแม่มาจะต้องเจอกันทุกปีอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้พอ พอโดนโควิดเข้าไปก็เหมือนแล้วช็อกไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าทุกครั้งเราก็เจอกันตลอดปีหนึ่งหนึ่งครั้งหรือสองครั้งอันนี้กระจายกันได้เนี่ยนี้มีลายมีโซ่ค่ะก็คุยกับคุณแม่ทุกวันอย่างนี้ค่ะก็เหมือนกันน่ะดีสิสะดวกดีไม่ต้องเดินทางค่ะค่ะ ค่ะหนูมมีคำถามแค่นี้ค่ะวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะได้กราบพระอาจารย์ได้คุยกับค่ะยินดีต้อนรับค่ะขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์มาสัการคุณเกาเดียเชิญคุณเกาเดียอยู่ที่ไหนคุณเกาเดียได้ยินไหมครับได้ยินปฏิญาใช่ไหมครับไปฏิญาใตยครับอ่าปฏิญาใต้มีอะไรไหมวันนี้เอ่อนี่เขาถามครับพระอาจารย์ครับคําถามว่า การที่เรามีความรักแบบมีเมตตานะครับอืเมตตาในความรักอะไรอย่างเงี้ยเหมือนรักบุคคนที่เราบูชารักพ่อรักแม่รักแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับเราควรจะวางใจยังไงครับที่มันจะไม่ให้ทุกข์ครับในวันนี้เพิ่งโพสต์คลิปนี้อยู่ที่ในหน้าภาษาไทยเนี่ยคือรับแบบรักแบบไม่ต้องการอะไรตอบแทนไงรักเขาข้างเดียว มันมันจะดีเหรอฮะถ้าเขาขยิบย้อนอ่ะเราต้องหอมดูแลมันเป็นดีก็เพราะมันเป็ น, ปนความสุขอีกแบบหนึง่งความสุขที่เกิดจากการที่เราทําให้คนเดินเขามีความสุขแต่เป็นพ่อแม่รักลูกอนะพ่อแม่อยากให้ลูกมีความสุขก็ทําทุกอย่างให้ลูกโดยที่ไม่หวังอะไรจากลูกนจะร้อยอยู่ไรตัวตนหนึ่งละส่วนใหญ่เรารักถ้าเป็นแฟนนี่เรารักแบบหวงขนหวงมันก็เลยทําให้เราเครียด ครเขาต้องเป็นของเราคนเดียวคนอื่นแตะต้องไม่ได้เขาไปคุยกับคนอื่นไม่ได้เขาไปคุ ย, คนน ไ, ไ, ไ, ปคยไปทําอะไรกับคนอื่นนี่นก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีครับต้องคิดว่าเราลักเขาแต่เราต้องให้เขาเป็นอิสระเขาจะไปทําอะไรก็เรื่องของเขาแล้วเขาจะชอบเราหรือไม่ชอบเราก็เรื่องของเขาแล้วเราจะไม่เสียใจเราจะไม่ทุกข์ใจถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับ ดีที่สุดก็คือไม่ต้องไปรักใครไม่ต้องอยู่คนเดียวดีกว่าอือไม่รักใครไม่รักใครแล้วเราจะมีเป้าหมายหรือภารกิจอะไรงัยนั่งสมาธิ<ห>นั่งสมาธิแตกมาเลยครับผ ม, มใจดีดีกว่าความสุขที่ได้จากการมีแฟนเนี<ม>่ยอย่างนี้พระจะมาอยู่ได้ไหมพระอยู่กัน้ก็ว่าท่านจะหาความสุขจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบ ใช่ครับแล<ร>นะ้วไม่ต้องมาทุกข์กับแฟนมีแฟนต้องทุกข์น ะ, ะเดี๋ยวก็ทะเลาะกันนะเดี๋ยวเห็นหน้าตาไม่ยิ้มไม่ให้หน่อยก็กังวลแล้วเขาคิดอะไรก็ เ, เป็นอะไรหรือเปล่าเราทําอะไรหรือเปล่ามรือเรื่องเวลาตลอดเวลาให้ทุกขนะ์อยู่คนเดียวสบายไม่ต้องทุกข์กับใครอยากจะมีความสุขกับพุทโธพุทโธดูลมไปเดี๋ยวเดียวก็สุขอลองทําดูสิต่อไปจะได้ไม่นอง มันมันทําแล้วค่ะจานแต่ทีเนี้ยประเด็นเลยคือผมรู้จิตของผมคือมันเหมือนลิงไงครับคือมันจับมันจะบแบบทุกคนเหมืันนะเี่ยเพราะว่าถ้าทําไปสักพักเดี๋ยวมันก็ลิงมันก็เชื่อมงเองอ่ะปราบลิงได้ธรรมะของท่านย่าเนี่ยปราบลิงได้เป็นเป็นยาปราบลิงเป็นเครื่องมือปราบลิงปราบลิงได้จริงจังได้เนี่ยเป็น คนที่เป็นสาวกองทัจ้านี่เมื่อก่อนก็เป็นลิงนั่นเราทำพระองค์ท่าททมาปฏิบัติปั๊บเลยลิงเีงเข้ามาก็เชื่อมกันมาสงบสเเหน่งเตรียมตัวเรียบร้อยถอาม่เชื่อเราปฏิบัติดูย๋ยวนมันเป็นพักพักพกวัจจานมันไม่ใชพักตอนขึ้นใจแตกมาเนี่ยมันจะกลับมาแล้วเนี่ยลิงจะเรียนต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆหยุกต้นไม้ครับและอีกคําถามข้อสุดท้ายครับ คำถามเรื่องของอาการบ้าบุญครับบ้าบุญนี้คือเอาตัวเองเลยนะครับคือบ้าบุญทั้งแบบเรื่องของวัตถุแล้วก็เรื่องแรงกายแรงใจคือเราอยากรู้ว่าอืมคือพระทะังอาจารย์นะครับอาจารย์ก็บอกว่าเออไม่เดือดร้อนจากเองแล้วู้อื่นแต่ลิมิตของมันนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าวเฮ้ยเกินลิมิตแล้วนะเว้ยแบบก็ทําไม่ไหวแล้วใชเมื่อทำไม่ไหวก็เกินลิมิตเออเกิลิมิตถ้ายังทําได้ก็ทําไปได้แล้วแล้วผมอยากถามว่า อย่างบุญกุศลนะครับมันมีโคต้าไหมครับเช่นสมมุตินะครับเอาไม่เอาสมมติเอาควาทีนี้นะเช่นเอาสวรรค์ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นหนึ่งต้องบุญนระดับมีชั้นสองบุญระดับดีชั้น3ามบับเนี้ยใช่มีมีหกชั้นอ่ะก็ถ้าถ้าทาบุญน้อยละสิของทรัพย์สมทรัพย์สินเรามันก็ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองมันแบ่งประมาณสิบห้าเปอร์เซสิบหกเปร์เถ้าทําถ้าเรามีร้านหนึ่งเราทำแสนหกทำแสนหกนี้เราก็ได้ชั้นหนึ่ง แล้วเราทำสามสามแสนสองเราก็ได้ชั้นที่สองนะถ้าเราทําทั้งล้านเลยเราก็ได้ชั้นหกเลยครับไอ้ที่นี้จะถามว่า ส, สมมติเราทาบัญชงที่ได้สวรรค์นี้คือเขารวมบุญเก่าไหมครับไปถึงไงว่าที่ทํามาทมาํทาวันทั้งวันนี่อของเก่าก็ยังสะสมอยู่สสแต่ก็มีหมดนะเพราะเวลาเราเราไปเกิดเป็นในสวรรค์แล้วก็ไปใช้บุญครับ พอบน้หมดต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หม่มาเติมใหม่แต่ยังผมไปใสีบานทุกวันผมอยากให้มันเข้ากับสมการทานสินภาวนาครับคือให้ทานก่อนแล้วก็รักษาศินอย่างน้อยก็สินห้าแล้วก็ภาวนาเราคือการที่เราพุทโธหรือท่องคาถามหาจากักรพรรดิหรือแบบว่าพุทโธธรรมสังโฆอย่างนี้เข้าใจถูกใช่ไหมครับถูกต้องแล้วเนี่ยมาฝึกทำเนี่ยก็เป็นปัญญาผม ผมจะให้พยายามให้มันเข้าสมการเนี่ยครับก็เลยพยายามให้ทานสีสมาธิปัญญาให้ได้สีความนี้ครับปัญญาปัญญาแล้วแตนิดนึงเลยคเลยครับโอเคนะโอเคครับใจเย็นๆของวันนี้มันต้องใช้เวลาศึกษาไปเรื่อยๆศึกษาไปใจร้อนนะอาจารย์เดี๋ยวใจเย็นๆใช้เวลาเราไม่ได้เป็นพวกบัวบัวบัวเหนือน้ําที่พอไม่ทําั๊ันนู่นเลยโอยผมบัวเป็นบัวกลางน้ําต้องใช้เวลา กว่าจะโผล่ขึ้นเหนือน้ําได้ครับเลยครับผมนึกว่าใต้คนตรทัพคอนกีดเขาตอนนี้กรมตนก็ไม่เข้ามาห้องนี้แะ้พยายามรับสุดฤทธิ์แล้วก็กรมตนก็ไปมาไปผับทั้งนั้นก็ใจแตกมาแล้วครับก็เลยกลับมาเลยนะครับเป็นช่วงๆครับโอเคเอาตอนนี้ก่อนนะคนณนายขราบข้าบเชิญคุณธนพลเชิญท่านต่อไปคุณธนพลภรรยาชื่ออะไรการชื่ออะไร แต่ไม่มีเสียงไม่ดังเลยเวลาเข้ามาไม่ได้เปิดออเดียลแบบหลบหลบไปแล้วครับออเดียลนะฮะอยู่นั่นล่ะไม่มีเสียงเสียงไม่มาแต่เปิดแต่มาแล้วคือว่าตอนที่เข้ามาในห้องก็จะให้คลิกว่า using computer computer audio แล้ไม่ได้คลิกตอนนั้นมันก็จะออกมาแล้วอ่าผู้ดได้ได้ยินไหมคะอะได้ยินแล้ว okay. อ่ะอคณรรพ์เข้ามาด้วย ครับในวัฒการครับที่อยู่ศรีราชาใช่ไหมคุณนัทพลไม่ครับผมอยู่นนทบุรีครับก็ขับเป็นครั้งแรกนะก็ขับเป็นครั้งแรกแต่ว่าจริงๆก็ได้ไปกราบพระอาจารย์ที่บนเขาหลายครั้งอยู่ครับอแล้วก็ได้มีขอรับแปรได้กลับมาฟังที่รถอยู่ก็ก็ฟังอยู่ทุกวันนะครับอครับก็อันนี้ก็ขออนุญาตขอโอกาสมาฟังธรรมของพระอาจารย์นะครับมีคําถามอะไรไหมก็ ปัจจุบันก็ก็ก็มีภาวนาอยู่ทุกวันนะครับแต่ว่าก็ยังต้องสร้างความเพียรไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์น้อยบ้างแต่พยายามทําทุกวันเจ้าค่ะก็จะหอดกระปุกกันไปอยู่ครับพยายามทําบ้างน้อยก็ทำไปวันทําได้มากก็ทำมันทำได้น้อยก็ทําพรามันมีการทําอย่างต่อเนื่องมันจะได้ไม่สะดุดถ้าหยุดแล้วเดี๋ยวเวลาจะกลับมาทําใหม่มันจะยาก ใช่ครับใช่ครับก็มีประสบปัญหานี้เหมือนกันครับอาจารย์คือว่าพอบางครั้งเนี่ยเราทิ้งช่วงไปนานๆพอกลับมาปุ๊บบางทีกว่าจะรวมได้ก็ก็ก็ใช้เวลาอยู่ครับใช่เสียเวลากว่าจะเข้าจู่อยู่กวจะกลับมาร้อมต้นที่จุดเดิมได้นี่ใช่ครับใชครับพยายามรักษามันไว้เรื่อยๆถึงแม้จะไม่ก้าวหน้าไปอย่างไรก็ย้ายมันถอยหลังครับก็อย่างที่เรียนก็ขอกราบขอกาพรอาจารย์นะครับว่าจะเข้ามาในร่วมในซูมเพราะพอดีว่าได้ได้ได้รู้จัก เออจะเป็นเป็นรุ่นพี่ของคุณหลาครับก็เลยอก็เลยก็เลยขอขอ Me ทติ่งไอดีเข้ามาก็ขออนุญาตนี่เปิดที่นี่เปิดให้ทุกคนเข้ามาได้เที่เข้าไปในหน้าเฟซบุ๊กตอนนี้ก็จะมีถาทอดสดแล้วก็จะมีไอดีให้คลิกเข้ามาได้ครับได้ครับแล้วมันก็เป็นไอดีตัวกลาบทุกครัคร้งถ้ามีแล้วก็เซฟเก็บไว้ได้แล้วเผาน้าก็สองทุ่มมันคืนวันพุธก็เข้ามาได้ เมื่อวานเมื่อวานวิคภาษาอังกฤษก็ได้แวะเข้าไปฟังในในใน<ง>ในในเฟซบุ๊กอะครับเป็นงทศชาติหนึ่งนะภาษาศอังกฤษก็ได้ความรู้ดีครับได้ความู้มากเลยครับทางชาติก็รู้สึกจะสนใจทางปฏิบัติมากเลยมากว่าใช่ครับครับโอเคไม่มีคําถามใช่ไหมวันนี้ยังไม่มีครับยังยังขอไปที่ท่านอื่นนะขอบคุณครับท่านต่อไปคุณสุวัฒนา จากบอววนนะนี่มีสามสิบเจ็ดท่านเพิ่งไปได้ไม่ถึงสิบกว่าท่านนั่นเองอ่ามีอะไรไหมกุศลพัฒนาก็มากราบพระอาจารย์ค่ะเวนยังไม่ได้มีโอกาสไปที่กุฏิสักครั้งเลยเจ้าค่ะไม่ต้องมาแต่ว่า น, นี่ก็มาที่นี่นมาในสู่หเหมือนกันนะเจ้ค่ะเอ่อวันนี้ก็ดีใจกับคุณแม่ค่ะวันนี้คุณแม่โทรมาคุยให้ฟังว่า เปิดทีวีแล้วมีเอ่อช่องที่เป็นธรรมะก็ได้ได้ฟังธรรมะของพระอาจารย์นะค่ะก็มาเล่าให้ฟังว่าว่าฟังง่ายก็ก็ดีใจกับแม่ด้ว ย, ย้ะค่ะแล้วก็ขอบพคุณพระอาจารย์ที่ที่สั่งสอนโยให้ให้ให้เข้าใจถึงมาทำแล้วก็ได้ไปบอกกล่าคุณแม่ก็อย่างที่พระอาจารย์เคยสอนว่าไม่ให้ไปอะไรอ่ะคะไม่ให้ไปบอกแม่ให้ทํานู่นทํานี่ แต่ให้แม่เข้าใจเองทําเองอันนี้โยมก็ดีใจตรงนี้แล้วค่ะเพราะถ้าเขาทําเองแนะเขาจะก็จะได้เขาจะได้ทำของเขาได้ถ้าเราไปบังคับเขาหรือไปเชี่ยวเข็งเขาะคะ่ะครั้งแรกๆที่บอกให้แม่ถือศีลแม่บอกว่าแม่ไม่ได้ทําบาปอะไรทำไมจะต้องถือศีลแต่พอะคะ่ะพอหลายปีหลายปีเข้ามาจนถึงเ น, นี่ยวันเนี้ยแม่แม่สนใจเองทําเองก็โยมก็ดีใจ ก็ขอบพระคุณะอาจารย์นะคะแล้วก็เจ้ <รอ S 2> า ค, ค่ะก็จะทําก็ค่ะอาจารย์เทศเลยเจ้าค่ะฟังไม่ละก็พูดไปจะมีอะไรก็ว่าก็จะบอกว่าตอนนิยมก็เหมือนกับเดินในเรื่องสติเจา้าค่ะที่ที่พูดว่าจเจริญสติแต่ก็ยังไม่อยากถึงขั้นนั้นเพียงแต่ว่าพยายามให้มีสติบ่อย แม้จะไม่ต่อเนื่องแต่ก็พยายามมีสติให้มากแล้วก็เรื่องที่หยุดความอยากตอนนี้ก็มามีคําสอนพระอาจารย์อีกอันหนึ่งก็คือยอมหยุดเย็นมันก็เหมือนเข้ามามาเดินในในใจอะคะ่ะว่าเมื่อเราหยุดความอยากแล้วความยอมหยุดเย็นอันนี้มันก็จะเกิดขึ้นนะคะพระอาจารย์ใช่แล้วก็ยอมกับทุกอย่างใครจะดา่าเราก็ยอมให้ก็ดา่าเ <Okay. S 2> ราจะเกลียดเราก็ยอมให้ก็เก <Okay. S 2> ลียดเราไม่ต่อต้าน แล้วก็หยุด้ค่ะหยุดะพอเราหยุดเราก็เย็นสบายปล่อยเขาแล้วอย่างอันนึงที่นั่งสมาธิบ้างก็แบนั่งนั่งแต่ว่าไม่มากค่ะพระอาจารย์เพราะว่าโยมทํางานทุกวันมันก็จะมีเสาร์อาทิตย์แต่ว่าเสาร์อาทิตย์ก็จะก็ก่อนกับงานมาช้างอะค่ะช่วงก่อนนอนตอนก่อนนอนก็นั่งได้ตอนเช้าก่อนตื่นขึ้นมาก็นั่งได้ ลก็ค่ะมีมีมีอก่อนนอนเจ้าค่ะมีก่อนนอนบ้างแต่ว่ายังนั่งไม่นานยังนั่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไม่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะก็ยังดีดีกว่าไม่นั่งเลยเจ้วค่ะพยายามนั่งกวก็พยายามตรงนี้ด้วยเช้าเย็นก่อนนอนเช้าเย็นก่อนนอนหลังตื่นนอนขึ้นมานี้เราจะครึ่งชั่วโมงชั่วโมงแล้วค่อยไปทํางานแล้วค่ะรู้สึกก็จะพยายามทำ เจ้าคะ่ะอราก็จะพยายามทําตรงนี้ให้ให้เพิ่มขึ้นเจ้าคะ่ะดีขอขอบพระคุณมากเจ้าค่ะพระอาจารย์กลับพระอาจารย์ด้วยเจ้าคะ่ะมีท่านนี้นะเจ้าค่ะคุณสซรินทานอาจกลับถึง U S A แล้วเหรอกลับมวัฒการพระอาจารย์ค่ะกลับมาแล้วค่ะพระอาจารย์กลับมาแล้วก็หนาวาา ท, <พ>ที่ที่ ท, ที่ที่โอนปัจจัยมาให้เป็นของลูกหรือเป ของขอ ง, องของของใช่ค่ะบะ ย, ย, ยมยมปลื้มใจมากที่ได้มีส่วนร่วมทมําบุญค่ะพะยมก็ข อ, ขอบพระคุณคุณหลาด้วยค่ะที่ช่วยแนะนําค่ะวันนี้เพิ่งโพสต์พบพบคลใหม่ของโรงเรียนได้เห็นหรือยังน้องค่ะยังยังไม่เห็นแต่เห็นเมื่อวานนี้ยค่ะเห็นเมื่อวานนี้มีมีอันเก่าๆขึ้นมาค่ะพะยานนี้เป็นวิดีโอให้เห็นมีภาพของโรงเรียนภาพถ่ายจากจากโรน บนฟ้าถ่ายลงมาแล้วก็มีครูใหญ่เขาอธิบายความเป็นมาของโรงเรียนเาเดี๋ยวเราก็ไปดูค่ะโยมก็บอกพี่ชายทหน้างภาษาไทยเข้าไปดูได้บอกพี่ชายเหมือนกันเผื่อพี่ชายจะร่วมสนใจทาคุณด้วยกับโยมด้วยค่ะค่ะพระอาจารย์คะเมื่อกี้นี้ที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องความฝันที่ว่า ฝันถ้าฝันไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายแต่มันไม่มีตัวตนแล้วถ้าสมมติคนที่เขาฝันที่ไม่มีจุดหมายฝันเลื่อยเปยื่อยไปเจอผู้คนอะไรอย่างนี้นี่แปลว่าอะไรอ่ะคะจิตเขาเป็นยังไงอ่ะคะเอจะแสดงว่าจิตเขาอยู่กลางๆไม่บา้าไม่บุนจิตเขาก็ยังพุ้งสร้างาอยู่เขาก็นอนหลับเขาออกฝันไปเป็นแบบกลางๆเป็นแบบมนุษย์ค่ะเป็นแบบมนุษย<ะ>์คือกลางๆ เป็นบาปไม่บุญเวลาเรามาเกิดนี่เป็นมนุษย์ได้ก็ต้องรอให้บุญกับบาปมันมีกาลังเท่าๆกันอื ม, มันก็เลยมไม่ทําให้เราฝันร้างหรือฝันดีมันก็เลยทําให้เราฝัญแบบไม่สุขไม่ทุกข์อนี้ค่ะพระอาจารย์ขเขาแล้วเหมือนกับที่พระอาจารย์คือบอกว่าเวลาที่นั่งสมาธิเข้าไปในอุเบกขาหรือว่าเข้าไปในจิตว่างแล้วพระอาจารย์ก็จะแนะนําว่าให้อยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆอยู่ให้ได้นานที่สุดแต่ว่า ก mm hmm. ารที่อยู่ตรงนั้นจริ ง, รงๆแล้วมันจริงๆแล้วมันต้องมีสติกับมีปัญญาด้วยถูกไหมคะการมีแค่อุรมันมีสติไงถ้าไม่มีสติมันก็เข้าไปไม่ได้พุโท mm hmm. โธพุทโธนี่ก็สติแล้วดูลมก็สติแล้วถึงจะเข้าไปได้แต่ไม่มี<ล>ไม่ไม่ต้องมีปัญญาไม่เกี่ยวทำสมาธินี้ไม่เกี่ยวกับปัญญาแล้วความรู้ตรงนี้ที่จะเอามาใช้กับในชีวิตประจาวันมันก็ยัง mm hmm. ไม่ได้ อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ความรู้อันนี้เป็นเอาความรู้สึกมาชันกับ<ม>ชีวิตประจำวัคือใจเย็นอุเบกขาไม่ไม่วู<ม>่วามไม่อารมณ์เสียง่ายๆถ้าเกิาอะไรก็เฉยได้นน แ, ต<ม>แต่ไม่เฉยหมดถ้ากระเทืนอนแรงๆก็ก็โกรธได้โลบได้อันนั้นถ้าจะไม่ให้มันกระเทือนเลยก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาตายรัก แล้วการเจริญปัญญานี่คือการคือการลูกเป็นตายรักแน่นอนแล้วเราก็แล้วเราก็ดูที่การวางใจของเราด้วยไหมคะพระอาจารย์ก็ดูดูด้วยเราใจปล่อยวางเขาไงปล่อยวางทุกอย่างว่าเขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้อย่างลูกเราเนี่ยเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศมันไม่ได้เป็นลูกเราเราไปคิดว่าเป็นลูกเราเองจริงๆก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศใช่ไหมคราสั่งเขได้ไม่สั่งให้เขามากับเราได้ปา แต่มันก็ยังปล่อยไม่ได้อะพ่จาเราะเรเพราะเราไม่มีปัญญาเราไม่ได้เห็นเขาเป็นดินฟ้ากันไม่เห็นว่าเป็นอนัตตายังเห็นเขาเป็นลูกเราอยู่แล้วทาไมคนอื่นทำไมอยากให้เขามากับเราอ่ะอืมคนหนึ่งก็ก็ร่างกายเหมือนกันดินอาการสามสิบสองเหมือนกันอืมใช่ค่ะคนหนึ่นต้องไม่เดือดร้อนเลยทําไมมาเดือดร่างกายคนนี้เพราะเราไปสลงไปคิดว่าเขาเป็นลูกเราไงอืออือ ลกเรามันก็เป็นเพียงสมมุติเท่า น, นั้นเองเป็นความสัมพันธ์แต่ความจริงเขาว่าเป็นดินฟ้าดินน้ํำลมไฟอะไรเป็นธ า, า่ะค่ะไม่มีปัญญามัมต้องใช้ปัญญาถึงจะปล่อยวางได้มันยังไม่ถึงจุดนั้นชไม่คิดก็ <c oughs> ไม่คิดมันไม่พิจารณามันไมถึงมาสิคือโยกพิจารณาแค่เรื่องรอบตัวแต่มันยังมีวางเรื่องที่มันมันไม่มันวางไม่ลงสัทีอะค่ะพระอาจารย์บางทีก็รู้แต่มันก็ ก็ยังถือว่อเป็นยังถือเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเป็นเราเป็นของเราอยู่ค่ะค่ะต้องเห็นว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเรานั่นแหละเมื่อไหร่มันก็จะวางได้ค่ะพระอาจารย์คะ่ะแล้วก็มีคําถามหนึ่งคะ่ะอันนี้คําถามเ อ, อทานศีลภาวนาค่ะพระอาจารย์สมมุติว่าคื อ, ค, อคือการการอริยมรรคที่มีองค์แปดที่ใช้ในการปฏิบัติเพื่อที่จะให้บรรลุเนี่ยคะ่ะ มันไม่มันไม่มีส่วนของทานไม่ใช่เหรอคะพระอาจารย์อาจารย์เขาสอนคนที่ทําทานบมดแล้วไงพวกนักบวชที่มักแปะในพิจารณาแสดงให้กับพวกปัญจวคีพวกนี้เขาทาทานหมดแล้วต้องสละทรัพย์สมบัติเขา้ากองเงินทารมออกบวชกันออืก็เลยไม่ต้องสอนเรื่องทานแล้วอย่างเมตตาเหรอคะพระอาจารย์นนเมตตา ก, ก็มีทุกคนคนที่คนที่จะมารักษาศีลได้ก็ต้องมีเมตตาถึงจะรักษาศีลได้ อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาหรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองเพราะว่าเรามันก็ีศีลถ้ามันถ้าเรารักษาศีลมันก็มันก็บังคับเราให้มีเมตตาโดยตัวโนมติค่ะแต่ถ้าสมมุติเราเจอคนบางคนที่ไม่ควรจะเมตตาด้วยล่ะค่ะพระอาจารย์คือเราพยายามก็ใช้เบตขาไปก็ใช้เบกขาเลยทีนี้เราต้องสร้างความอ๋อค่ะพระอาจารย์เข้าใจหรอคะคือถ้าบางคนที่เราสร้างความเมตตาด้วยไม่ได้ไม่ค่อย เราก็เฉยแทนใช่ไหมคะปล่อยก็เหมือนกับคนอื่นก็ไกี่ล้านคนในโลกนี้ที่เราไม่ได้ไปยุ่งกับเขาค่ะพระอาจารย์ช่วยคนที่ช่วยได้รักคนที่เรารักได้คนอื่นที่เรารักไม่ได้ช่วยไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปนั่นเองค่ะพระอาจารย์ไม่เลยขาดความเมตตาอะไรอ่าค่ะค่ะคเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์กบขอบคุณค่ะพระอาจารย์นมัสการค่ะตอนนี้กลับมาอยู่เป็นปกติแล้วเหรอเป็นปกติแล้ว แล้วโยมก็ได้กลับมาทานข้าวทานอะไรได้ฉีดวัคซีนยังได้ฉีดวัคซีนไหมยังเลยค่ะแต่จริงแล้วของโยมก็ควรแล้วนะคะ<อ>เพื่อนที่บริษัทเขาเริ่มกันแล้วะค่ะเพราะว่าของโยมถือว่าเป็นถือว่าเป็น essential worker <อ> <laughs> ไม่รู้ตัดกันรือเปล่า <laughs> <laughs> เพราะว่าโยมทำเกี่ยวกับอาหารเขาต้องเป็นพวก processor อะไรอย่างนี้ค่ะเ <Okay. S 2> ขาเขาก็จะให้เริ่มให้ฉีดแล้วอะค่ะแต่โยมยังหายังหาเอ้นี่ไม่ได้เลยค่ะ appointment ไม่ได้เลยค่ะ ยังยังยากอยู่มถึงเวลาก็มามค่ะค่าสายแล้ต้องเสิร์ชห<ส> า, าชื่อเราเขาจะกขาจะกำหนดไทม์ไลน์มาเขาจะให้เลือกว่าเราอยู่ที่รัฐไหนอะคะ่ะแล้วก็จะมีว่าเราอยู่เมืองไหนเราต้องการที่จะไปคลินิกเราต้องไปโรงพรยาบาลมันจะมีแหล่งของเขาหรือว่าจะเป็นสเตเดียมอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วมันต้องค่อนข้างจะแย่งกันนิดนึงอะคะ่ะว่าแล้วเราเร า, เราต้องรู้อะค่ะว่าสมมุติเอสถานที่นี้เขาจะเปิดกี่โมงกี่โมงเราก็ต้องรีบเข้าไป เหมือนแย่งกันซื้อของลดราคาอย่างเงี้ยค่ะพีคือเราต้องมีสิทธิ์เข้าไปจองนี้มันถ้าไม่มีสิทธิ์เข้าไปไม่ได้ไใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่เราไปฉีดเราต้องเอาหลักฐานว่าเราเรามีสิทธิ์เข้ามาไม่งั้นเขาก็จะไม่ให้เราฉีดค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์อ๋อมันจะมีสเตจของเขาว่าค่ะว่าณนะตอนนี้สมมติตอนนี้เขาจะให้เป็นกรุ๊ปวันสีก็คือกรุ๊ปที่เป็นเอานางพยาบาลหรือว่าคนที่ต้องเป็นไซไซคลิอาิสหรือว่าคนที่เขาเกี่ยวข้องคือเขาจะมีลิสต์ของเขาอะค่ะ เราของโยมเป็นมีชื่อเราอยู่ในถ้ามีชื่อเราอยู่ใน list นั่นหรือเปล่าค่ะแล้วแต่ว่าถ้าบริษัทเขาส่งเขาส่งชื่อเราเข้าไปเราก็จะอยู่ในนั้นด้วยค่ะอาจารย์ถ้าไม่มีเราก็ต้องเอาหลักฐานมายืนยันว่าเราทํางานแบบนี้ใช่ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะก็รออยู่ค่ะอาจารย์รอเพื่อนเนี่ไม่นานนเรารู้สึกตอนนี้เขาเด้งกันเต็มที่แล้วมีสามบริษัทแล้วค่ะเห็นเพื่อนเยอะแยะไปหมดเลยที่เขาฉีดกันไปแล้วอะค่ะฉีดกัน ไปแล้วเข็มหนึ่งเต็มไปหมดเลยอค่ะก็คิดว่าในเดือนสองเดือนสามเดือนนี้น่าจะยองคิดว่าโรคนี้น่าจะเร็วเวนานั้นยังไม่จบเลยใช่ค่ะยมก็วางใจจริงๆก็อยากกลับเมืองไทยนะคะพระอาจารย์แต่ก็ก็วางใจอย่างที่ว่าว่ามันมันอนุตตาเดี๋ยวเหมือนเดี๋ยวโลกนี้มันก็หมดเดี๋ยวเราก็มันก็อยู่ได้ค่ะค่ะค่ะพากลับสอบดูกับพระอาจารย์ คุณนาเรจากรู้สึกใต้หวันมันก็จำไม่เป็ดใช่ไหมคุณนาเร่พูดได้เลยกานมัสการพระอาจารย์พูดดักกดดงๆหน่อยนะเก่านมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะเอะว่ามามีอะไรไหมรู้สึกอาทิตย์นี้โหแย่มากเลยค่ะอาทิตย์นี้นี่เสตยหลุดเ่ยไม่มีเสติสชตังเลยใช่จ้าค่ะหลุด หลุดแบบเอาไม่อยู่เลรู้รู้ว่าหลุดแต่ก็พยายามดึงแบบทุกอย่างมาไม่มาเลยเจ้าค่ะอต้อพยายามพุโทโธพุโทพโธ ท, ท่องพุทโธพุทโธไปหรือสวดไิติปิโสไปเจ้าค่ะดึงกว่าลมมันจะสงบสติมันจะกลับขึ้นมาดึงมันต้องดึงด้วยวิธีนี้อย่าไปดึงด้วยความอยากใมันหยุดมันไม่หยุด ท่องพทโ ท, โทไปเรื่อยๆสวดอิติปิโสร้อยจบไปรําเราได้าเดี๋ยวอารมณ์ต่างๆก็หายไปต้องฝึกท่องไปเรื่อยๆฝึกสวดไปเรื่อยๆพอถึงเวลาจะได้ใช้มันได้ถ้าไม่ฝึกไว้ถึง เ, เวลามันสวดไม่ออกท่องไม่ออกกอนนอนเนี่ยสวดอิติปิโสไปตามอายุของเราก็ได้อายุห้าสิบก็อิทิปิโสห้าสิบจบ ต่อไปเวลาเกิดมีอารมณ์มวู่นวาขึ้นมาก็สวดไปมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีจ้ะออนะเห็นเราฟังไปเรื่อยๆนะ อ, อพวกใบยกภู ผ, ผาลูกไมพร้อมหรือเปล่าถ้ายังไม่พร้อมเดี๋ยวเอาม า, ามาแล้วาากกรครับนมัสการครับนมัสอ่ายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมค่ะ <พอ>ยังไม่ไพร<อ>้อมครับดเีคุณพักัก่อนนะเดี๋ยวรอแปบยกลับมาใหม่นะค่ะต้องนั่งอยู่เต็ม จ, จอนนะเดี๋ยวจะได้เรียกได้งั้นเดี๋ยวไม่เรียกนะอาจารายาาร์สายทิพย์เชิญอาจารย์สายทิพย์จากมาสักการเป็นยังไงนะกับนามสกา ร, รพระอาจารย์ค่ะขอะอนุญาตรายงานการปฏิบัติค่ะก็ นั่งสมาธิค่ะแล้วก็ช่วงนี้พรอิญได้ไปไปฟังเรื่องของโลกธรรมแปดค่ะแล้วก็เลยพยายามที่จะรักษาใจตัวเองให้ให้อยู่เหนืออ่าโลกธรรมแปดหมายถึงว่าพยายามรักษาใจไม่ให้แบบยินดีอย่าไปยินดีพยายามค่ะพยายามวางใจแบบว่าเอช่างมันอะไรก็ช่างอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามรักษาใจ ไ, ได้มาแล้วเดีวก็หมดไป ใช่ค่ะคือได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้มาก็มาไปก็ไปแล้วก็เลยใช้สิ่งนี้กับคนใกล้ตัวด้วยเคลื่อนเขาจะดีจะไม่ดีก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ทําของเราไปดีดีก็ดีไม่ดีก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะเริ่มไม่คาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นอะไรเงี้ยค่ะ น่าเข้าใจนมาลวน่าเมนงตาค่ะก็เลยก็เลยสงบดีค่ะใครเราก็ช่วยเราช่วยในฐานะของตามหน้าที่บทบาทหน้าท um> ี่ของเราค่ะที่เหลือเราก็ต่อยแล้วแต่เป็นไปคแล้วนั่งสมาริแล้วก็ัุขสันฮัลโหลสัญญาณมากดีค่ะ นั่งทุกวันรู้สึกสงบเออต้องนั่งทุกวั น, ย น, นพยายามนั่งทุกวันฝึกสติทุกวันรับการเจริญปัญญา ม, มีการมีการเจริญย่อมมีการเสื่อมในลาบนุสรนเสริญสเสมอค่ะตอนนี้ก็พยายามรักษาใจด้านนู้นให้ให้ให้ใหตัวเองไม่ไม่คาดหวังแล้วก็ไม่ไม่ทุกข์กำมันค่ ะ, ะอที่นี้จะถามอาจารย์ค่ะ แล้วแต่มันจะเป็นไปไม่ว่าร่างกายหรือจิตใจหรือใครก็ก็ไปมันเป็นตามทางของมันค่ะแต่ว่าเราก็ทำของเราอยู่ดูแลได้ก็ดูแลไปค่ะดูแลได้ก็ดูแลดูแลไม่ได้ก็ก็กำใครกำมัน อ, อ, อะไรแบบนั้นค่ะมาไงสัญญาเมื่กีดีขาดการให้ให้อ่า ่าทีนี้หนอนั่งสมาธิค่ะแต่ก่อนมันจะมันตุบแล้วก็เปลี่ยนปีนมาสงบแต่ว่ามันเหมือนลงเร็วจนแบบเหมือนแบบปุบไปเลยอะค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็แก้ไขยังไงดีค่ะถ้ามันสงบเรื่อเรื่องอะไรสงบค่ะพอมันลงมันเหมือนแบบมันเหมือนละตัวเราแบบอย่างเงี้ยมันจะมันจะลงช้าลงเร็วลงแบบนั้นไม่สําคัญก่อนขอให้มันสงบกัแล้วกัน ค่ะสัญญาอาจารย์ก็ดีเลยก็ขอให้มันสงบค่ะมันจะสงบสัญญาคอนโดอาจจะไม่ค่อยดีค่ะงั้นถามพ้าอาจารย์เพียงเท่านี้ค่ะฟังไปก่อนแล้วกันนะโกรย์ันไม่ค่อยรู้ค่ะกับศาสตร์ทุกข้ค่ะคุรุนสกาวรุนสกาวจากโนเวจะยินไหม ไปยินค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงเดีวหนาวไหมวันนี้กี่องศาวันนี้วันนี้หนาวหน่อยค่ะพระอาจารย์วันนี้หิมะตกหิมะตกคิดว่าจะได้มีสปริงแล้วพระอาจารย์แต่ว่าหิมะกลับมาตกนิดนึงค่ะเป็นหิมะเบาเบาเนเป็นเป็นเป็นอายุ อ, อ่าเบาเบาค่ะพระอาจาราย์สวยดียนะถ้าอายุ มีบ้างลงเบาๆนี่สวยนะเป็นเหมือนเป็นเบนือนอที่เล่อนลงมาเป็นฟอยอาขาวๆไม่ฮะมีมีเบาๆค่ะพไปจาน ม, <c oughs> มีอะไรไหมวันนี้นั่งฟังเอนั่งฟังมาเข้ามาฟังอะค่ะแล้วก็ได้ เ, เขียนคำถามไปที่หน้ากุติอะค่ะวม่าวัน วันอาทิตย์ไหมแล้วก็ไม่ได้อ่านนะคะแต่ว่าก็คิดนนได้คำสอบบ้างพระอาจารย์ถามตอนนี้ใหม่ก็ได้าบางทีกท็อ่านไม่เจอมันค่อนข้างเปอรน์นอว่ะค่ะอาจารย์แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันมันดีเ่าในความรู้สึกเราอะค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ฝังใจมันเกี่ย ว, ก, ยวกับ การวางตัวค่ะพระอาจารย์กับกับอา่ากับคนใกล้ชิดนะคะพระอาจารย์เราจะวางตัวยังไงไม่ให้ทุกก็วางตัวเป็นกลางทําตัวให้เป็นกลางคือทําใจให้เป็นกลางอย่าไปหวงังอย่าไปอะไรต้องการอะไรจากเขาค่ะยินดีทํามืนเหมือนขอทานไม่ใช่ขอทานห พอทานยินดีตามมีตามเกิดนะวันนี้เขาจะดีกับเราก็โอเควันนี้ก็จะร้ายกับเราก็โอเคเราไม่มีทางเลือกถ้าเราทำใจนี้ได้เราก็จะอยู่กับใครก็ได้ค่ะเพรา ะ, ะว่า อ, อตอนที่ตอนที่หนูหนูนั่งคิดนานนะคะพอาจารย์ก่อนที่จะจะเขียนถามเข้าไปแล้วก็บอกว่า อ, อแล้วก็บอกว่าเพราะว่าแล้วก็คิดคิด คิดใช้ปัญญาคิดนะค่ะพระอาจารย์ว่าถ้าเป็นพระอาจารย์จะตอบอยังไงก็ได้ความคิดได้คําตอบคล้ายๆที่พระอาจารย์ตอบมาตรง น, นี้นะคะ่ะเราก็ารู้สึกว่าทําทําได้ประมาณหนึ่งคะ่ะพระอาจารย์แต่ด้วยคารที่การที่อสิ่งที่เกิดขึ้นบางทีมันกระทบกระเทือนเรากระทบกระเทือนใจเนื่องด้วยมันเป็นบุคคลใกล้ชิดแล้วบางทีมันก็ย้อนกลับมา ย้อนกลับมาใหม่แต่ว่าก็ก็คงต้องต้องทําใจเหมือนอาจารย์บอกใช่ไหมคะอย่าไปหวังเลยอยากใครมันจะไม่ผิดหวังเพราะวังพอมันไม่ได้ัใจก็จะผิดหวังมันจะเสียใจ อ, อแต่ว่าที่แล้วเราจะทํายังไงคะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ก็ทําอยู่แล้วก็ทำ เ, เขาได้รู้สึกว่าค่ะแล้วเราจะทําทํำยังไงคะเพื่อเพราะว่ า, าศาสนาเราเนี่ย เชื่อเรื่องบาปบุญคนโทษมันเป็นกรรมของเราแล้วทํำยังไงถ้าจะให้ปัจจุบัน ต, ตัวยังไงเพื่อจะไม่ให้มีกรรมติดต่อกันไปอ่ะค่ะก็เราเฉยๆไปไม่ตอบโต้ค่ะให้อภัยไม่จองเวรสัเป็นสัตตาเวลาหุนตุกค่ะสัทั้งหลายทั้าปูงจงไม่มีเวรกับกับเราเราจะไม่มีเวรกับสัตว์ทัางหมายทั้งปูงค่ะใครจะร้ายอะไรกับเราเราไม่ร้ายกับ พ่อจายมันเฉยไว้หรือให้อภัยเขาให้ เ, เหมตตาเราสงสารเขาดูเขาว่าเป็นเหมือนเด็กกันแล้วกันเวลาเด็กทำํำอะไรเสียหายเราไม่ค่อยโกรธเขาใช่ไหมไม่อะค่ะอตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ดูด้วยความเมตตาดูด้วยความเมตตาคิดคิดถึงว่ามองได้เหตุด้วยผลนะคะพระอาจารย์ว่าว่าทําไมเขาถึงทาอย่างนั้นแล้วแต่ว่าแต่ว่าพอคิดได้อย่างนี้ก็ มันเป็นทางเลือกของเขาแล้วเราก็มีหน้าที่ทําหน้าที่ของเราถูกต้องอยู่ของเราไปค่ะเราจะไม่ไปทําร้ายเขาไม่กล่าวร้ายเขาไม่คิดร้ายกับเขาค่ะคก็ฟ้รราอาจารย์ก็พูดเหมือนตอนที่พ่อหนูสอนนะคะ ก, ก็พ่อก็สอนอย่างเนี้ยค่ะแต่ว่าบางทีบางทีมันพอมันกลับเข้ามาใช่ไหมคะอาจารย์ มันก็มันก็มันก็กระเทือนใจแต่ว่าเราก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ก็ถือว่าอยู่ในโลกนี้ก็อย่างนี้มีสรรเสริญมีนินทามีรักมีชัง่งมีสุขมีทุกอย่าไปเอาอย่างเดียวไม่ได้จะเอาสุขอย่างเดียวไม่ได้จะเอาสรรเสริญอย่างเดียวไม่ได้ค่ะนะค่ะอโอเคนะโอเคค่ะอาจารย์เดี๋ยวท่านพิจารณ์นะค่ะ คุณสุภาตราจากดัลลัสเท็กซได้ฉีดวัคซีนหรืยังคุณปว้คจริญตามนมัสการพระ์อาจารย์เจ้าค่ะยังเอ้าค่ะลูกไม่ได้ตามเท่าไหร่เรื่องวัคซีนอยู่แต่ไม่สนจะไม่ไม่กับสามีไม่ค่อยสนใจเจ้าค่ะอยู่แต่ในบ้านแล้วก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะเจ้าค่ะสามีทํางานที่บ้านแล้วลูกก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็เลยไม่มีความจําเป็นต้องต้องฉีดนะเจ้าค่ะ เลาวค่ะเดี๋ยวนี้ลูกกูดมอร์นิ่งกับเขาทุกเช้านะคะแล้วก็หิวหิวไหมเขาเดินฮะเดินแล้วเขาบอกว่าเขาบอกอย่างน้อยอ่ะเจอหน้ากันตอนเช้าว่ากูดมอร์นิ่งสักนิดนึงก็ยังดีก็เลยก็เลยทําเมตตาแล้วเจ้าค่ะเขาก็ชื่นใจแล้วจ้ะแผนเมตตาเนี่ยนะวิธีแผนเมตตา S 1> <S 1> <S ไม่ใช่เวลาสวดมนคนเดียวแล้วแผลเมตตาอันนั้นไม่ได้แผลนะเวลาสวดปวดแผลเมตตาคนเดียวคนใกล้ชิดกันเยอะเพราะว่าวันนี้แายเมตตาให้กับสัตว์ตวตประสาทั้งพวงพ อ, อเจอคนใกล้ชิดกันหน้าเบึ้งตึงอย่านี้เจ้าค่ะลูกก็ไม่คิดว่าแบบอะไรเราเงียบเราเงียบขนาดนั้นใช่หรอก็ไม่รู้ตัวเจ้าค่ะจนเขาบอกเอ๊ะทำไมทักกันสักนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะเพื่อสดชื่นหน่อย ลูกก็เมื่อเช้าเราก็กุดมอร์นิ่งเลยเจา้าค่ะเห็นหน้าจะรีบขุดหมด <c oughs> นานจะนาจะตั้งสติมากเกินไปจดจ่อมากเกินไปในเรืร่องทุกอย่างรอบตัวเราเออเจ้าค่ะขำตัวเองเออเมื่อวันเสาร์นี้อ่าเมื่อวันเสาร์นี้ลูกมีอาการปวดท้องอ่ะเจ้าค่ะก็พอปวดท้องปุ๊บคําสอนของพระอาจารย์ก็เข้ามาทันทีเลยบอกว่าบอกว่าเออมันเป็นธรรมชาติร่างกายมัน เขาเป็นอย่างนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะลูกก็เลยพอตั้งสติได้ก็อ่าไม่เป็นไรดีแล้วที่มาพระอาจารย์เคยสอนว่าให้ยินดีให้ต้อนรับอะไรเงี้ยเจ้าค่ะลูกก็เอามามาก็มาแล้วลูกก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เจ้าค่ะแล้วก็ทํางานไปก็สุดท้ายพอตอนเย็นก็ก็หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบอ่ะเจ้าค่ะก็ก็อยู่กับมันไปก็เลยมีรู้สึกว่าเออเราเริ่มมีวิธีที่จะอยู่กับความเจ็บปวดแล้วใก็อยู่กับมันยินดีต้อนรับมัน พระอาจารย์บอกให้ให้นึ้อก็เป็นเพื่อนอะไรให้ยินดีต้อนรับเลยมาแล้วดีดีมาแล้วจําได้แล้วค่ะที่พระอาจารย์สอนไว้แล้วสามีเขาก็ถามบอกว่าเป็นไงปวดมากไหมเลยบอกเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่เป็นไรปวดก็ดีพระอาจารย์สอนไว้ปวดก็ดีนานๆจะมาทีมาเลยมาเลยต้องมาความของเราอยู่ที่เราเป็นรังเกียจเขาแน่ เจ้าค่ะตอนเยินดี้ตอนรับเขาล้วก็มีความสุขอ่ะเ่ะผมมีความสุขผมบอกมาเลยมาเลยเอ้าแล้วผมไปไปมามาตอนบ่ายเอาหายไปไหนแล้วล่ะทำไมต้อไมแต่ก็รู้ตัวเจ้าค่ะว่าว่าปวดก็มีอาการปวดแต่ก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้อ่ะเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์สอนทําเป็นเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขาก็ไปเจ้าค่ะเจ้าค่ะอย่าไปย้ายเขาหายแล้วค่ะแล้วคานำ แล้วค่ะเขาก็ไปของเขาเหมือนที่พระอาจารย์บอกเลยเจ้าค่ะเหมือนดินฟ้าอากาศเข้ามาเดี๋ยวเขาก็ไปของเขาก็ยินดีกับเขาไปไม่ไปขับไล่จะเราจะได้ไม่ทุกข์อะเจ้าค่ะเออเออค่ะก็ก็ดีใจปฏิบัติไปมันก็จะยิ่งทำมากขึ้นไปเรื่อย เดี้าค่ะก็ดีใจตรงที่ว่าได้ได้รู้วิธีเมื่อก่อนไม่ทราบวิธีก็ออตอนนี้เราพอจะเราก็เลยไม่ค่อยตัวความปวดแล้วเจ้าค่ะก็ก็รู้สึกว่าเออเขามาก็ดีนะดีดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคือมีอันนึงลูกอยากเอ่อร่วมปัจจัยกับโรงเรียนนะเจ้าค่ะลูกลูกจะทํายังไงจ๊ะคะคุณจันเสลก็ได้อ่อเดี๋ยวคุณจันเสลคนละสองข้อมูลหน้าเจ้าค่ะเจ้าค่ะค่ะค่ะลูกอยากร่วมปัจจัยตรงนี้เจ้าค่ะ ไม่มีอะไรแล้วเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะชัดเดี๋ยวกลับไปที่ใบยกภูผาลูกไมยตาดีฟ้ากันใช่ไหมแม่ไม่าเออแล้วค่ะลูกลีครอบครัวขอบนมสักการครับครอบครัวนีแฮปปี้นะธรรมะธรรมุน่ะครอบครัวเลยอาก้คนมีครอบครัวอย่างนี้นะท่านจะมีครอบครัวต้องอย่างนี้ ทำความเชื่อมวันนี้มีการเีอะไรไหมก็คือว่าเวลานั่งสมาธิเห็นปวดมากเลยเวลาทําอย่างอื่นเอาไม่เห็นปวดเลยก็เพราะเราเพลินไงเวลาเราทําอย่างอื่นเพลินเล่นเกมนี่เพลินไม่สนใจกับอาการเจ็บปวดของร่างกายโอ้นั่งสมาธินี่มัน มันไม่มันไม่เพลินเนี่ยมันก็เลยอะไรดิ้นโผขึ้นมาก็รู้สึกเจ็บขึ้นม า, าทันทีก็พยายามพุดโธ<ช>พุโทพโธไปให้เพินอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วมันจะไม่เจ็บเขาจะครับครับครับพอมันเจ็บก็เท่าพุโทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจความเจ็บให้สนใจอยู่กับพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวมันก็ลืมเรื่รรรองความเจ็บความเจ็บมันก็จะหายไปเอง ขอบคุณขอบคุณช่วีกสอบขอบคุวันนี้ขอกำลังใจค่ะจะสอบเมื่อไหร่สอบวันที่ไม่ใช่ไม่ที่หนึ่งเมษาเขาเลื่อนแล้วค่นวันที่สามเมษาเย็นกิฟต์เตอรนะใช่ก็ดูหนังสือเยอะๆเสร็จกำลังใจอยู่ที่การดูหนังสือถ้าดูเยอะเราก็จะมีความมั่นใจหนูกาลังสับสนเพราะมันเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่ว้ก็ค่ะแล้ว หนูก็ Lab. อยากรู้ว่าหนูควรเก็บเนื้อหาทุกวิชาดีไหมซึ่งมันใช้เวลายืดยาวพอหนูจะต้องสนุปด้วยให้ตัวเองเข้าใจหรือว่าหนูควรจะทําข้อสอบเก่าแล้วก็ค่อยมาดูว่าส่วนไหนที่หนูขาดหายไปค่ะก็ได้เอาทำส่วนที่เราขาดส่วนที่เรารู้แล้วก็เป็นกแตดูผ่านๆก็ได้อยากได้ไหม ก็จุด <มา S 1> ทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันอย่าไปเครียดกับมันดูเท่าที่เราดูได้นะมันเราประมาทเองเมื่อก่อนมีเวลาเยอะไม่รีบดูไว้ก่อนมามาดูตอนใกล้จะสอบความผิดของแม่เองค่ะมองยังความผิดเรื่อยๆเพราะว่าถ้าม่าม่าบอกเลิกดิวแต่ว่าหนูหนูน่าจะเอามาอ่านก่อนมันต้องทําอยู่เรื่อยๆทุกวันไม่ใช่รอมาคอย มามาทําตอนใกล้จะสอนบสมองมันรับเข้าไปไม่หมดหรอกความจำมันมันรับทุกอย่างไปไม่ได้มันต้องมีเวลาให้มันค่อยๆเ ส, สริมทราบเข้าไปมันคือความจริงเจ <c oughs> <c oughs> ้าค่ะความความผิดของโยมเองค่ะหลวงตาคือว่ามันเกิดจากโยมคิดว่าจะไปอเมริกาใช่ไหมคะโยมก็เลยให้ลูกหยุดอ่านหนังสือเพราะว่าโยมไม่อยากให้เขาเครียด โยมคิดว่าให้เขามีเวลาแบบสนุกสนานตามไวบ้างเงี้ยค่ะโยมก็เลยให้เขาหยุดที่จะอ่า น, นเยอะให้เขาอ่านนเดียวพออย่างเงี้ย แ, แต่พอรอบนี้ก็เลยโยมก็คิดว่ากลัวพลาดเหมือนครั้งที่แล้วถึงจะมีโปรแกรมว่าเราอยากเราอาจจะไปอเมริกาก็จริงแต่ว่าโยมก็ยังให้เขาสอบเผื่อกันไว้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็<อ>มีเวล า, วลาตอนนี้ก็ยังพอมเวลายอยู่ก็พยายามเตือน ตอนนี้ก็ตัดกิจกรรมอย่างอื่นไปเน้นก็มาตเตรียมตัวสอบกันเลกสามอาทิตย์น้อสอาทิตย์ก็<ด>ยังมีเวลาสั้งใจสรานะทำทำทำไม่ดีดดทีท่สุดก็้องกันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้จะไปทำยังไง <laughs> <laughs> ลูกสามีความอยากอยาก <c oughs> อยากก็ต้องดูเยอะๆโ <c oughs> ยม <c oughs> เห็นเคขาสงสารเลยค่ะผดลงตาเขาว่าตื่นตีห้าไม่ไม่ไม่<อ>จากอย่าไปสงสารแบบนี้แบบนี้แบบนี่้ดีเขาเปความเพียรพยายามเขาอ่านหนังนสือถึงเที่ยงคืนแล้วเขาก็ตื่นตีห้าโยมก็สุดไปดอย่างนี้ดีเราอย่าไป ส, งส่งเสริมลูกในทางที่ผิด อ๋อแค่เขาอ่านไปใช่ไหมคะอ่าน่านไปถ้าเขามีกําลังที่อ่าได้ก็พอแค่ช่วงไหนช่วงสองแค่นี้ถ้าเราไม่ไปเคี่ยวเข็นเขาเขาเคี่ยวเข็นตัวเขาเองแสดงว่าดีเขามีไฟในตัวคนอ๋อยมกลัวว่าเขาเด็กอยู่นอนไม่พอแปดชั่วโมงเดี๋ยวจะอ๋อไม่ต้องอ่ะนอนจริงจริงสี่ห้าชั่วโมงก็พอค่ะก็ค่ะกะค่ะเนีเน่ยตัวอตัวยมช่วงนี้ก็ยอมก็ยังปัด พยายามปฏิบัติระหว่างวันเหมือนเดิมค่ะเสวดมนต์อิติปิโสวันละหน้อยแปดจบเหมือนเดิมทุกๆวันแล้วก็ตอนเช้าก็พยายามนั่งสมาธิวันละประมาณสิบถึงสิบห้าทีตอนเช้านะคะแล้วก็สวดมนต์ธรรมัดเช้าแล้วก็บ่เยค่ะเ อ, อความต่อหน้า ย, ยังไม่เท่าไหร่ค่ะยังเทียบกับอาทิตย์ก่อนก่อนก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าโยมก็ยังมีปิดปิดกระลูกอยู่ค่ะทําเท่าที่เร <c oughs> า, าได้ไป <c oughs> บางทีก็<อ>ยังมีบางทียังมีพลิกกับลูกเพราะว่าลูกชินกับการเรียนออนไลน์มากไปแล้วเขามันไม่ค่อยตอนนี้กลับมาเรียนปกติเขายังมีความโดยเฉพาะคนลูกชายเนะะี่ยค่ะความรับผิดชอบเขาก็ยังแบบเหมือนกับต้องเตือนต้องกระตุ้นตลอดอย่างเงี้ยค่ ะ, ค ะ, <c oughs> ะยอมยอมยมมีความกังวลใจส่วนตัวด้วยเรื่องที่จะไปอเมริกาค่ะ แต่แต่โยมคิดว่าเดี๋ยววันอาทิตย์โยมจะไปกราบพระอาจารย์แล้วยมจะขอเมตตาปรึกษาพระอาจารย์ตอนท้ายๆถูกได้ไหมคะอ่าได้ได้ทำเวลายายมจะไปค่ะตอนเช้าโยมไปใส่บาตรแล้วก็ตอนช่วงบ่ายสองโยมจไปฟังเทศด้วยค่ะโอเคพอจะพาเด็กๆไปกราบนะคะได้ได้โอเคแล้วเจอกันนะค่ะขอบคุณค่ะกรรมการค่ะ คุณปางวะไรเชิญคุณปางวะไรกลับกลับน้ำพการค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะเมื่อช่วงที่ผ่านมาค่ะยมรู้สึกว่ายมต่อสู้กับเรื่องของความโกรธซึ่งก็เคยได้ได้เรียนกับพระอาจารย์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาคือยมตั้งใจจะไปฟังธรรมะที่ที่วัดเตรียมของทุกอย่างแล้วค่ะพระอาจารย์ ทีนี้ที่บ้านเขาไม่ให้ไปมันก็เลยมีความโกรธขึ้นมาโกรธจนกระทั่งเออ่มีทบเถียงกันนะคะพระอาจารย์เรายมก็เลยต้องหนีไปนั่งไปนั่งนั่งทําใจค่ะตั้งสติแล้วก็เออ่หลับตานั่งสมาธิแล้วก็สวดอิติปิโสเหมือนที่พระอาจารย์เคยเคยบอกว่าลองลองสวดดูสวดไปหลายๆรอบหลายรอบจนสติมันมาแล้วก็หายโกรธก็ต้องทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะแต่ด้วยความที่ เป็นคนที่บ้านนะคะพระอาจารย์เราก็เลยยังมีความรู้สึกว่ายังหมั่นไส้เขาอยู่โยมก็เลยรู้สึกว่าโยมยังตัดเรื่องของความอยากแล้วก็ความโกรธออกไม่ได้นะคะก็ต้องมองภาพจริงไงว่าเราอยู่กับเขาเราก็ต้องมีเราก็ต้องทำนึ่งถึงเขาว่าเขาจะว่ายังไงถ้าเราจะทำอย่างนี้นั่นอย่าไปถือว่าเราเป็นใหญ่เป็นโตก็<ะ> รถ้าเขาเขาเป็นห่วงโยมอะค่ะเพราะว่ายมต้องขับรถจากที่สีราชามาที่วัดเขาก็เลยกลัวกว่าเหตแต่ว่าโยมอยากไปที่วัดเพราะว่าเวลายมไปฟังธรรมน้ากุฏิโยมจะมีสมาธิมากกว่าที่บ้านอืก็อธิบายเขาฟังหนึ่งแล้วก็พูดดีๆกันอ๋อเหมือนเราไปรักษาใจเหมือนไปโรงพยาบาลเราเข้าอย่างนั้นถูะค่ะ ค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือเมื่อเดือนที่แล้วค่ะที่นั่งสมาธิเราเกิดอาการปวดปวดเขา่าทีนี้ก็ยังใช้บทเดิมที่พระอาจารย์เคยบอกว่าลองลองสวดอิติปิโสดูค่ะทีนี้อิติปิโสนี่คือต้องเป็นบทเต็มคือเป็นพุทธคุณธรรมคุณหรือสังคคุณนะคะก็คงจะเต็มทั้งพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณอะอย่างนี้ยมใช้แค่พุทธคุณก็ได้ใช้คำเดียวก็ได้พุทธคุณอย่างเดียวก็ได้ แล้วแต่เราอันนี้จะสวดยังไงก็ได้เป็นแต่ขอให้สวดไปจนกว่าจิตมันสงบเท่านั้นะอ๋อค่ะตอนนี้อาการปวดเข่าหายแล้วค่ะเวลานั่งก็นั่งสบายเพราะนั้นก็ตอนนี้ก็ได้ได้เต็มที่ครั้งหนึ่งก็ยาวถึงชั่วโมงหนึ่งค่ะแล้วก็พักเหมือนที่เคยแจ้งพระอาจารย์ไว้อือดีก็เป็นเรียบรชยะได้นุเครามาเดินสดับกันค่ะ ก็วันจัาทร์คเกี่ยวที่โยงเรียนพระอาจารย์ไว้คือโยงต้องลองไปกลับดูก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าที่บ้านเขาอนุญาตให้ยงไปคานได้โยงก็จะไปปฏิบัติเต็มที่โอเคขอบคุณค่ะอยเย็นอย็นอย่ารีบรอนยาวแต่ความอยากเดี๋ยวมันไม่ได้แล้วมันจะโกรธนะไได้ค่ะแบ่รับแบ่งสู้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคพูดใหม่อธิบายกันใหม่ค่ะเลยต้องไปถวาย ถวายเพนอาจารย์อ่าพระพระอาจารย์ทุกวันเลยค่ะแล้วก็ความความด้วยด้วยแลกเปลี่ยนกับเขาได้ไหมเขาเข้าหน้าเขาต้องการอย่างงี้เราก็บอกตาคุณต้องการอย่างงี้ค้งชันต้องการอย่างงี้เขาก็ทําให้เราเนะใช่ค่ะเดี๋ยวโยมจะพยายามค่ะพระอาจารย์อยืนหมูยืนแมววันบ้างมีโยมโยมสาวทำบี โยมมาทำดีทุกอย่างเอาใจทุกอย่างจนจนยแต่งตัวแล้วนะคะพระอาจารย์เตรียมของเรียบร้อยแล้วพอจะพอจะออกปุ๊บไม่ให้ไปโยมก็เลยโกรธจัดเลยค่ะพระอาจารย์พอเราไปหวังมากไปใช่ค่ะเราิดหวัง็เลยโกรธอันนี้คือจะเป็นบาปไม่บาปมันเป็นกิเลสค่ะพอต่อไปแล้วทำแบบแบ่งรับแบ่งซื่ห้าสิบห้าสิบ ก่อนจะไปพูดอะไรกับเขาต้องทําใจแล้วอาจจะได้มันแทงหวยองเงี้ยอาจจะถูกก็ไมันถูกถ้าหมยไม่ค่เสียใจนะเพราะเราเราเผือไวล้วใช่ไหมขาเผ่อยเผื่ไม่ถูกซะมากกว่าที่จะซ้ำาปเพราะถูกทีนี้ก็โดดขึ้นฟ้าเลยเราไม่ได้หวังที่จะถูกค่เพราะถูกแล้วกีใยต้องคิดแบบนี้เวลาไปขออะไรจากใครก็คิดแบบเนี้ยเหมือนไปทางหวยก็แล้วกันโอกาสที่จะได้ได้ตามที่เราขอเนี่ยคงจะยาก ถ้าเกิดได้ขึ้นมามันก็จะได้ดีใจเวลาไม่ได้มันก็ไม่เสียใจค่ะตอนนี้ก็ดีใจนะคะพระพระจามเพราะว่าก็เปลี่ยนจากมาถวายอาหารเช้าที่วัดก็เตจอพระจามทุกวันเลยค่ะอืมเราไม่ได้ฉันเพนนี่นยกเข้าใจผิดไหมอ้าอเ <ฮะ S 2> ช้าใช่ไหมคะถวายอาหารเช้าใช่ไหมคะที่ที่หอฉันใช่ไหมคะอ๋อค่ะขอของก็ไม่านเพลงค่ะขว่า้งหนค่ะอืมค่ะค่ะเ มีท่นี้แหละมีเท่านี้ค่ะพระอาจารย okay. ์ น, น้ำควนเกสเนโบสใช่ชื่อสุดถูกแหมโบใช่ไมหรือโบเวสหรือโบโสบสเจ้าค่ะโบสโอเคก่าวนสตนค่ะเป็นไรวันนี้มีอะไรัหมไม่มีเจ้าค่ะมาร่วมฟังธรรมดิใชนเจ้าค่ะเเจ้าตื่นไอยังตื่นนานแล้วเจ้าค่ ะ, อะ ต, ตอนนี้นุกสาวาอยู่ด้วยกันหรือบป อ่ามาและเอ็งเจ้าตอนนะั้น <c oughs> นี่สาววันนี้ทำงานใช่ไมเขาไม่ใช่เป็นทหารอยู่วันนี้วันนี้ทำงานเจ้าค่ะทำงานร้านอาหารไทยเจ้าค่ะอืมไม่มีอะไรก็จะให้คนอื่นก่อนนะมีเจ้าค่ะโอเคไม่มีเจ้าค่ะเห็น <Okay. S 2> ไ, okay. ไปที่คุณที่ว่าตอบคนที่วีคุณที่วามีอะไรไหมการน้ำตกการเจ้าค่าอาจารย์วันนี้ไม่มีอะไรเช่นเคยเจ้าค่ะบ้านนี้ไหนนะเลยกละ ที่กรุงเทพค่คะพระอาจารย์กรเทนะโอเคเห็นก็ฟังไปนะวันนี้ไม่มีคําถามทํามารับฟังพระอาจารย์เชิญฟังไปต่ อ, อคุณประเวศจากดัลลัสเท็กซัสอาจฉีดสองเข็มแล้วใช่ ไ, ได้คล่าวเรียบร้อยครับผมฉีด<า>ไปสองเข็มได้หนึ่งอาทิตย์แล้วครับผมสบายแล้ว ก, ก็ดีใจครับเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะไปไหนมาไหนได้สะดวกขึ้นครับออืแต่ก็ยังระมัดระวังอยู่ ครับผมถ้าไปสถานที่ที่มีคนเยอะๆเราก็ยังใส่หน้ากากอยู่ครับผมถ้าท่านที่อยู่ตอนนี้เขาอนุญาตให้ไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วทุกแห่งในเท็กซัสกฎหมายกฎหมายเรื่องวันนี้ครับผมของสเตตเท็กซัสให้อนุญาตให้ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่หน้ากากแต่เราก็ยังใส่อยู่ครับครผมการวม่ดีกว่าเผื่อไว้ครับผมกินยาฉีดก็มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้จิตใจเราสบายขึ้นครับผม มผมก็นะขออนุญาตพูดคำหนึ่งนะครับอาจารย์ครอบครัวใบหยกที่จะมาอเมริกาก็อาจจะเป็นโชคดีก็ได้ครับเพราะว่าประธานาธิบดเขาสั่งไว้ว่าเดือนเดือนเมเนี่ยจะพยายามให้คนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยฉีดยายให้ได้ถึงเจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นตนี่ผมว่าอโอกาสที่เด็กนักเรียนจะเข้าเรียนของปีใหม่เนี่ยก็มีโอกาสแชน้นที่จะเข้าไปเรียนตามปกติได้ครับ ใดยินแม่บายโยกูนันก็ดาเนินการไปได้นะไปอเมริกาได้นะผมผมผมคิดว่าเขาเประธานเข า, เขามีโครงการที่เอายามาฉีดให้ทุกครบให้ทุกคนภายในสิ้นปีนี้ครับผมว่าเขาคงจะทำได้หมดครับอา่าดีเพราะว่ายาตัวใหมน่นี่มันง่ายแก่รัฐบาล เยอะมากครับเข็มเดียวเสร็จเข็มเดียวกานสันนันจานสันแล้วก็ไม่ต้องแช่แข็งด้วยครับผมสามารถฉีดได้ไดทุกอย่างทุกสถานที่ครับคงคงคงมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จครับเพราะว่าอตอนนี้ก็เปิดให้กิจการร้านอาหารต่างๆพวกบริษัทต่างๆนี้เข้าเปิดได้เต็มที่ครับอโอเค ไไมมผมว่าใบก็เป็นโชคดีของครอบครัวใบหยกครับขอให้ทําเอกสารมาก่อนที่จะเปิดเทอมใหม่ครับผมว่าเตรียมจะไปได้นะถ้าไปได้ก็ไปเพราะนะยามาพร้อมแล้วก็คงจะดีขึ้นครับโอเคเรไม่มีอะไรครับมีตัวาบอกพระอาจารย์ว่าการปฏิบัติธรรมช่วงนี้ก็ดีขึ้นเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปวัดมากขึ้นครับเพราะหนึ่งปีแล้วที่ว่าตั้งแต่มีโควิด <c oughs> มานี่แต่ว่า ก็ทําที่บ้านมากขึ้นครับวัดก็คือที่ที่มันสงบแล้วที่ไหนสงบที่นั่นก็เป็นวัดครับก็ตอนนี้ปฏิบัติมากกว่าปีก่อนๆครับเพราะว่าโอกาสมีเวลามากขึ้นครับไม่มียอะไรก็ฟังฟังฟังพระอาจารย์ตอบปัญหาแล้วมันมีความสุขครับก็เลยมานั่งฟังอยู่เป็นชั่วโมงแล้วก็มากลาบรรทัศนการพระอาจารย์ก็ขอให้ อาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับโอเคสาธุไม่มีอะไรครับผมโอเคแล้วไปที่คุณออดี้ต่อครับคุณออดี้มาสักการค่ับพะอาจารย์ไม่มีไม่มีคําถามค่ะเข้ามาเติมน้ํามันเฉยๆเองไปที่คุณพัฒนาพรบวสุขอาจารคุณพัฒนาพรได้ยินไหมกาลังเดินทางอยู่แล้วมาสักการ์สครับ ยังไม่ถึงบ้านนะครยังครับตรงเรียนเลิกกี่โมงต้องเรียนเจ้าค่ะรงเลี้เลิกสี่โมงดีสี่เจ้าค่ะวงเรี้ยนเขาเลิกสี่โมงอ่นี่ขับรถได้สิบนาทีครับมีอะไรมีอะครับมีครับมีครับยกเว้นอืม ตอนนี้ที่บ้านมีแมวเหมือนเขามามาจากไหนไม่รู้อะครับแล้วเหมือนแดดเขาก็เลยพาไปหา mm hmm. เห็นว่าเหมือนเขาดูไม่สบายแต่เขาไม่ใช่แมวเราเวยพาไปหาหมอแล้วเขาบอกว่าแล้วหมอกบม่าแมวตัวนี้เขาเป็นมาเรงนีนะครับอ mm hmm. แล้วเหมือนมันแบบแล้วมันไอมาเร็งมันค่อยๆแบบกินเนื้อของเขาไปเรื่อยๆทีละวันทีละวันแล้ก็จะบว เหมือนแบบทร um, um, um, มานสำหรับเขาแล้วก็ให้เขาแบบแล้วเหมือนหมองเขาบอกว่าเขาอาจจะต้องพุดธหิมดาวอย่างนี้ครับเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นบาปใช่ไหมครับได้ถ้าไปทำให้เขาตายก็บาปสูเล้งว่ารีกว่านี้ก็ไปแล้วว่าถึงแม้เขาจะทรามานอาจจะเป็นเป็นโอกาสของเขาที่เขาจะได้ฝึกจิตของเขาให้ให้ให้อยู่กับความเจ็บปวด น, นั้นก็ได้ อยากไปปิดอกอยากไปปิดกั้นโมการของเขาอย่างเช่นแต่เป็นคนอย่างฝรั่งเขาไม่ค่อยเข้าใจกันครับใช่ก็มันก็โง่ไงคนฝรั่งมันโง่ทั้งเรื่องเรื่องจิตใจก็ไม่รู้เรื่องแล้วการไปทําบาปก็เป็นเป็นการทําให้จิตใจเขาเขาเขาต่ําลงไม่มีความเหมนฝรั่งเขาเฝรั่งเขาคิดว่าเขาคิดว่าอืมเหมือนว่าจะปล่อยเขาเยอะเขาเหมือนว่า เหมือนให้หยุดทรมานไปเลยดีกว่ามากกว่าที่จะมาปล่อยให้ทรมานก็ ม, นมันเป็นชีวิตของเขาถ้าถามทาไมทําไมเขาไม่ทําตัวเขาเองแล้วก็ฆ่าแมวได้ทําทไมเขาไม่ฆ่าตัวเขาอยู่ในโลกนี้มันก็ทรมานทุกวันอยู่แล้วเหมือนกั น, นใช่ไห ม, ม, มการฆ่ามันไม่ดีทั้งนั้นอนะ่ะฆ่าคนเหนือเนื้วฆ่าเราเราี่มันไม่ไมดี ต้องฆ่ากิเลสถึงจะดีเขาไม่รู้ว่าตัวที่ต้องฆ่าคือกิเลสใช่ที่เขาต่พูดยังไงเขาเหมือนเขาจะสบายใจเงอะเาเห็นแล้วเขไม่สบายใจเขาทรมานเองเราอาจจะไม่รู้ว่าแมวเขาไม่ทรมานก็ได้ก็อาจจะแฮปปี้เหมือนคุณสุภัสตาบอกยินดีต้านรับโลกภายใข้เจ็บก็ได้ก็ยังอาจจะเอ็นจอยชีวิตของเขาอยู่ก็ได้ใช่ไหม งั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทํำลายชีวิตแม้แต่ของเราก็ไม่มีสิทธิ์ใช้โอกาสที่มาทําให้มันเป็นเออป็นใช้เนี่ยเหตุการณ์ที่มาทําให้มันเป็นโอกาสทองก็ได้เราอาจจะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่านี่แหละเกิดแกเจ็บตายเป็นอย่างนี้แหละมันทุกข์อย่างไรเราจะได้เห็นสายแห่ ง, งความทุกข์ว่าเกิดจากความอยากของเรา หยุดคามอยากปั๊บแล้วมันก็จะหายทุกครับแล้วอย่างเช่นที่บ้านเพราะว่าใกล้ๆบ้านเรามันเหมือนมีเขาเรียกว่ามันอะไรเกินแค่แค่โฮเทลไซด์ว like อลเลนเทอรี่โฮมฟอร์แคทแบบแบบครับแล้วมันก็เหมือนอยู่ใกล้บ้านเราแล้วแมวหลายตัวก็จะชอบเหมือนเราให้อาหารไว้ในบ้านแล้วแมวที่นั่นโขาจะเหมือนจะมากินที่บ้านเราก็ดีแล้วก็ทำแล้วพายายาม ดีดีครับแต่คือเหมือนพอแมวพอมามาที่บ้านเราแล้วเหมือนกินทุกวันมันก็เหมือนแบบอยากมาอยู่กับเราแล้วเนี่ยครับแล้วคือเราคือแมวคือแมวเราส่วนตัวเรามีเยอะแล้วมีห้าตัวแล้วเนี่ยครับแล้วก็มรับไม่ได้รับไม่ได้ครับไม่ได้เราก็อยากช่วยนะครับแต่ว่าเหมือนว่าถ้าแต่ว่าช่วยตามกำลัง เพราะเราไม่สามารถอยู่ได้อย่างตอนนี้มีโควิดคุณพ่อกบคุณแม่ไดกัได้กับคุแม่ก็จะอยู่บ้านตลอดแต่ถ้าไม่มีโควิดแล้วเรากลับไปเมืองไทยเป็นเดือนอเราไปบ้านอื่นที่กลับไปบ้านอีกหลังที่ฝรั่งเศสแล้วใครจะดูแลแมวนี้เราก็เหมือนเราไม่อยากให้เขาแบบต้องมาก็าช่วยไม่ได้ถ้าเกิดเราตายไปเขาก็เขาก็ต้องช่วยตัวเขาเองครับแต่อย่างนี้ถ้าเกิดเราพยายามไม่ให้หันเขาเอย่างนี้มันจะเป็นบาน ถ้ายังถ้ายังให้ได้อยู่ก็ให้ไปมันไม่บาปนะ่น ไ, ไม่มีความเมตตาแต่ถ้าเราต้องไปหรือเราสมมติเราตายมันก็เป็นเรื่องสุดวิสัยไม่มีไม่ได้เกิดจากเจตนามันก็ไม่มีปัญหา ร, รับเพราะบางทีเหมือนริวก็พยายามเหมือนไม่คือใจอยากจะให้อยู่แล้วครับคือแต่ว่า คือว่าเรามีแมวเยอะแล้วเราคือเรามองอนาะคตว่าเออถ้าเกิดเราไม่อยู่ขึ้นมาเราก็สงสารแมวพวกนี้นะใครถ้าเกิดเหมือนแมวยิ่งใหอาหารไปมันมันก็เหมือนจะไม่รู้ไปกินที่ไหนอย่างเงี้ยก็อย่าให้เด็ดไม่งั้นก็มั น, ม, นมันก็จะได้ไม่มาหรอมันก็ต้อไปหาคนอื่นที่ให้เขาครับถ้าเริ่มคิดนึ่งนีครับอย่างคุไม่ก็จะบอกือน ถ้แม่ก็เหมือนจะกลัวว่าถ้าแม่ให้มันจะเป็นบาปหรือเปล่าเลยไม่บาปเราเป็นแต่ขาดความเมตตาไม่ไม่มีความเมตตาแต่คือใจเราอยากให้แล้วเราก็ให้อยู่ตอนนี้เท<ม>่าที่ทำได้ถ้าอยากจะเมตตาก็ให้เข้าไปพอ<ม>เวลาเราไปเ้าก็ไปแล้วก็ไหวเข้าไปตามบุญตามกรรมเข้าไปคือที่นั่นเหมือนที่ที่ v o l u n t a r home เลยมันมันมีเขามีให้อาหารอยู่แล้วนะครับแต่ว่า<ม><ม>คือที่บ้านเรา แน่นอนให้หาแมวบ่อยกว่าที่บางคนจะเพียงแมวก็จะ ไ, ไปคืนก็ไปส่งไปคืนให้เขาเวลาบ้านมา <c oughs> ก็อยากเลีเ้ยงมันแล้วก็ไปส่งครับ <c oughs> อกแมวเอาคืนดูจอกมาเนี่ยเอาคืนไปก็ <c oughs> จะได้มีคนดูแลตลอดเวลาเพราะเดี๋ยวคุณไม่อยู่บ้านแล้วใครจะดูแเลเขาคร <c oughs> ต้องใช้เหตุผลทำอะไรต้องใช้เหตุผล ถ้าใช่เหตุผลแล้วใจยังไม่รู้สึกทุกข์นีเพราะมันเป็นความจริงความจะเป็นครับคที่ท่านนี้แหละขอบพระคุณเั้าค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าค่เจ้าค่ะสบายดีเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกอ่าอ่าลูกจะร่วมทําบุญกับโรงเรียนเรียนด้วยเจ้าค่ะคุณน้าส่งข้อมูลไดือน เจ้าค่ะ<ช>ขอบคุณเจ้<ส>าค่ะเข้าไปเข้าไปในเฟซเพจเฟซบุ๊กเพจวันนี้ก็โพสเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนพอดีอเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกก็เ ข, เขมีข้อมูลให้ติดต่อกัโรงเรียนได้โดยตรง อ, อ๋อโอเคค่ะถ้าต้องการบัญชีก็าจากคนหลานก็ได้บัญชีของ ค, ค่ะคุณหลานสมบูรณบัญชีไปให้ก็ไดนะ้ขอบขอบคุณเจ้าค่ะขอบขอบขอบขอบคุณเจ้าค่ะแล้วค่ะสาธุขอบคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อ ค่อยเจอกันใหม่นะเั้าค่าหลวงพ่ออีกไม่กี่เดือนคงจะได้มานะน่าจะจำค่ะน่าค่ะน่าจะคิดว่าคิดว่าเราพยายามถ้าเกิดได้วัคซีนก็คงจะได้กลับกันเลยนั่งริวตัวเขาก็ก็หวังว่าจะได้ไปกราบหลวงตากันเจ้าค่ะค่อยเจอกันเดี๋ยวที่หน้าที่เจอกันอยู่นะยังมีซูมอยู่ทั่วประเทศอยู่ เจ้าค่าหลวงพ่อเพราะว่าลูกอ่าลูกจะไม่ค่อยได้เข้ามาคําถามเข้ามาตอนท้ายเพราะว่าน้องลิวเขาจะเลิกสี่โมงเย็นนะเจาขาเพราะว่าลูกก็บางทีลูกก็จะจอดจะจอดฟังถ้าถ้ามาหรือว่าไปก่อนเพราะว่าบ้านเรามันอยู่บนยอดเขาบางทีถ้าเราฟังแล้วมันมันจะไม่ลูกก็จะจอดจะจอดฟังก่อนก่อนที่จะกลับบ้านหรือไม่งก็ ก็กลับไปที่บ้านก่อนแล้วก็แต่ว่าคำถามลูกก็ไม่มีเพราะว่าคือลูกฟังหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติคือมันตรงกับที่ก็คำพูดหลวงพ่อหมดนะคะหรือหลวงพ่อจะพูดอะไรออกมาบางทีมีคนถามคาถามแล้วลูกก็มันมันออกมาก่อนที่หลวงพ่อจะตอบแล้วอย่างเงี้ยจ้งค่ะดีดีงแล้วมีปัญญาดูกคำถามสาธุสาธุเจ้าค่หลวงพ่อเจ้าค่ะ นี่คื อ, อประโยชน์อของการฟังธรรมสนทนาธรรมจะไม่เกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมาสามารถกำจัดปัญหาต่างๆได้เจ้าค่ะสาธุบางทีก็ขำเจ้าค่ะบางทีก็คือตอนเช้านั่งฟังแล้วมันมันใช่อะค่ะมันมันใช่เพราะว่าเราฟังว่าเราปฏิบัติจริงด้วยแล้วมันมันใช่อะเจ้าค่ะมันก็ มันก็เลยพอได้ยินหลวงพ่อพูดแล้วลูกก็จะยิ้มแล้วขําทีบางทีสามีเขาเดินเข้ามาเห็นเป็นนั่งยิ้มขำคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็มีความสุขกับฟังแล้วเราก็มันใช่อะมันเป็นคําพูดที่หลวงพ่อมันมันถูกต้องมันใช่เพราะว่าเราทําจริงปฏิบัติจริงแล้วเราก็ฟังหลวงพ่อพูดแล้วเราก็ทําตามแล้วมันก็ใช่จากเวลาที่คนอื่นมีคําถามมาหลวงพ่อก็ตอบแล้วแบบ ไอ้มันมันก็ออกมาจากอันนี้เราเห็นเรารู้ละเราเราก็จะขาที่หลวงพ่อพูดยิ้มมีความส่สุขมไม่ยอมเห็นไม่ยอมมองความจริงไงเาะถูกความหลงหลอกพอเวลารัากอะไรมันหลงเชื่อเป็นศขนยยอย่างเดียวอย่างฝรั่งก็แบบ<ช>เล่าไปสิบลายนะ เ, เวลามีความรักแล้วเหมือนคนตาบอดหลงรักใครแล้วเห็นเขาดีไปหมดเลยทัง้งทั้งทีเขาอาจจะเป็นปีศาจก็ได้คนอื่นก็เห็นเป็นปีศาจแต่เราจะเห็นว่าเขาดีไปหมด เรื่องจริงนะเจ้าค่ะใจเจ้าค่ะหลวงพ่ออย่าง mm hmm. ที่หลงเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยลูกก็เหมือนโง่เนอะเหมือนแบบเขาบอกว่าสามีอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แม้แต่แมวยังขึงกับเจ้าค่ะหลวงพ่อ mm hmm. แต่วันที่เราแบบเราปดเราทิ้งทุกอย่างหลวงพ่อมันกลับมันกลับเป็นคนเราฝั่งเลยอะค่ะ mm hmm. สมมุติเวลาที่กขบินไปต้องบินไปไประชุมที่ลอนดอน เขาจะบินที่บินไปเช้ากับเย็นเราจะบอกเฮ้ยทาไมยูต้องรีบกลับยูนอนไปคุยกับพี่สาวสักคืนดินเนอร์กับเขานอนคุยสักคืนแล้วค่อยกลับมาอะไรอย่างเงี้ยจุม๋มหลวงพ่อมันกลับไปเลยแบอบกว่าเราสึกว่าเรามีเมตตาเรามีเมตตาแลทาะทนยังหึงใช่เจ้าคะ่ะสมัยก่อนต้องลูกต้องบอกเป็นเพื่อสุดตรงแบบแม่แต่แมวยังหึงนะเจ้าคะ่ะอันนี้เรื่องจริงเลยนะเจ้าคะ่ะ อันนี้เรื่องจริงแล้วมันมันกลับทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับหมดเลยเาเจ้าค่ะมันกลับแม้เรื่องสวยเรื่องงามมีแต่คนบอกอุ้ยคุณกีถ้าคุณกีปล่อยได้เนี่ยคือแบบมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วคือไปไหนต้องมีช่างทําหน้าทําผมแบบคือบอกเพื่อนตอนนี้ปล่อยแล้วคือปลดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแบบแล้วมันโลง่งมันรู้สึกมันมีความสุขเพราะหลวงพ่อมันสบาย <c oughs> ตอนนั้น เ, าเราทุกขนาดที่น้องลิว บ, บอกคุณแม่ครับ คุณแม่ใช่ดัดดีไล่ไล่เลยขาคนนี้ออกเลยไหมคุณแม่ไม่พอใจมุพ่อเป็นขนาดนั้นน่แม้แต่พูดให้ทุกจริงๆนะคะแป้แต่แมวยังหึงอ่แล้วก็แล้วก็พอลปล่อยแบบโอโมันมันมันเบามันสบายมันมีความสุขเฮ้ยทำไมฉันโง่แบบฉันโง่ยงิ่เงาแบบแล้วมันมีความสุขแล้วแบบยิงเขาไม่อยู่เขาไปไประชุมก็บินไปไหน จะกลับมาแล้วหรอเนี่ยทาไมฉันมีความสุขกับการ น, น, นั่งสมาธิค่ะปะอะไรอย่างนี้เจ้าพเจ้าค่ะมันเป็นความรู้สึกที่มันอธิบายใครไม่ได้ตอนรู้ได้เฉพาะตอนแล้วต้องทำจริงๆเจ้าค่ะเรแต่งทำนันทั้งบุญเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วออกแล้วหลวงพ่อเจ้าข่าลูกมีเรื่องหนึ่งที่ที่ที่ที่ทจะต้องกราบขอขมาหลวงพ่ อ, อยังไม่ได้ กล่าวขอขมาตั้งแต่หลงริวข้อดออกมาเจ้าการเรื่องนี้ยังอยู่ที่ใจอยู่ตอนที่ลูกไปปฏิบัติบารมีหลวงพ่อเจ้าข่าลูกอย่ากมีลูกแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าจะมีทําไมล่ะโยมมีแล้วมันทุกข์นะโยมตอนนั้นนะลวงลูกคิดลูกในใจคิดหลวงพ่อพูดอะไรนะลูกไม่เข้าใจเลยแล้วก็เจ้าค่ะอันนี้ลูกต้องกล่าวขอโผศิกรรมกับขอขามาให้ลูกด้วยเจ้าค่ะแล้วเจ้าค่ะ แล้วแล้วพออ่าก็กลับมาก็ท้องน้องลิวแล้วก็พอคลอดเขาเล่าเราคํานั้นหลวงพ่อมันขึ้นมาที่หัวสมองแล้วบอกอ๋อนี่นะที่หลวงพ่อพูดว่าจะมีทําไมมีแล้วมันทุกนาโยมการมีลูกเค้าว่ามันทุกเพราะว่ามันมีโซ่อยู่ที่ขามันห่วงทุกเวลาค่ะห่วงทุกเวลาแล้ว แล้วตอนนั้นอะลูกรู้สึกว่าดวงตาเห็นคำขึ้นมาปึ้งเลยว่าอฉ mm hmm. ันนี่งโง่ฉันนี่โง่ฉันทุกข์เพราะฉันห่วงโทรถามพยาบาลที่เลี้ยงลูกฉันเป็นยังไงอะไรทุกนาทีแม้จะออกมาแบบใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้ลูกรู้สึกโอ้ยตายละนี่ฮนะ ทำไมตอนนั้นจึงคิดว่าหลวงพ่อพูดอะไรนะฉันไม่เข้าใจเลยลูกต้องกล่าวขอหัวซิกามกับขอขมาจําหลวงพ่อ ด, ด้วยไม่เป็น<อ> ไ, ไม่เป็นกรรมอะไรทั้งสิ้นหรความโง่ของเราเองเที่ยังไม่เข้าใจธรรมว่าเป็นยังไงใช่เจ้าค่ะหลวงพ่ออย่างตอนเนี้ยจะย้ยอนเวลาได้่าย้อนเวลาได้นะคะแบบผูไม่เอาทั้งทั้งสามีทั้งลูกทั้งแบบรู้เลยเจ้าค่ะ รู้เลยได้เนแมฉพาะตอนนี้มันอยากจะแบบมันอยากจะทอดทุกอย่างผมก็เห็นมันทุกมันเห็นแล้วมันทุกข์ฉันต้องมาหวีฉันต้องมาสระคือถ้าฉัโกนไปแล้วฉังคงไม่ต้องเสียเวลาต้องมานั่งใช่จริงๆเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าขาลูกลูกไปไหนกัจริงๆตอนเนี้ยเจ้าค่ะเดย์โอเคไม่โดนถ่ายให้ทำนะ ค่อยๆเห็นยังไม่ยังไม่ยังเห็นไม่หมดค่อยๆเห็นไปเรื่อยๆแลปฏิบัติไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นมากขึ้นไปเรื่อยๆโอเคนะข้าพเจ้ากราบขอบพระคุณเจ้าค้าหลวงพ่อมีใครบ้างที่อยากจะพูดมีใครไหมนางฟ้าจำแรงนางฟ้าจำแรงอยากจะพูดไหมเชิญหนูมาฟังเฉยๆเจ้าค่าพระจาย์เจ้าขาแล้วสอทอกรุ้ยนี่อยากจะพูดหรือเปล คงไม่จับไม่ไม่เปิดหน้าครับไม่ไ ด, ดคึคุณวาริศวาริศฮนะาวาริศเนี่ยรครับผมพ่อครับเพิ่งกลับมาถึงบ้านครับวันนี้ครับางานทางานมาหรือครับไปกินข้าวกับเพื่อนครับอ่าหลวงพ่อครับถ้าสมมติเราเห็นคนอื่นทําบุญแล้วเราจริตใจเปเห็นเขาทําบุญเราก็มีความสุขด้วยแต่ถ้าสมมติว่าเห็นโจรจับคู้ร้ายได้หรือว่าอย่างนี้เราคิดว่าคิดว่าเออจับได้แล้วดีมันเป็นอกุศลหรือเปล่าครับหลวงพ่อ มันก็มันก็มันก็เห็นว่าดีมันก็ดีแล้วผู้รายมันก็ไม่ควรที่จะถูกให้ปล่อยเพ่นพ่านไปนสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นจับมาค้ำมานในกรงได้ก็ดีเหอเสือองเงี้ยวเวลาจับเสือมาค้ำในกรงก็ไม่ไม่มก็ดีดีกว่าปล่อยให้มั น, นออกไปเพ่นพ่านอ๋อครับเพราะบางเพราะช่วงหลังเห็นข่าวในกฎหมายมีคนถูกจับแล้วคนพวกนี้เป็นคนผิกกดกฎหมายในใจรู้สเออดีพวกนี้โดนจับเอ้ย แตัดใจกัความทุกข์ของคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยถ้จะดีก็คือต้องเฉยเดีกว่าเฉยเฉยศักแต่ว่าเห็นศักแต่ว่าได้ยินไม่ต้องไปดีใจไม่ต้องไปเสียใจแต่แต่ไม่ถึงขั้นแบบเป็นตัดใจบนความทุกข์ของคนอื่นใช่ไหมไม่ไม่ไม่แบนั้นใช่ไหมครับก็แล้วแต่เหตุผลของเราเราสัใจเพราะอะไรนะแต่พอแบบเห็นคนทําผิดกฎหมายแล้วแบบได้รับกรรมอะไรแบบนี้ครับหลงพ่อแล้วเราจถูกลงโทษ็ดีใจมันก็ ทำส่งผลให้เห็นทันทีอ๋อแบบนี้ก็ได้อยู่โอเคครับพราะคิดว่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือทําการที่พระให้พรมีส่วนมีส่วนอะไรทําให้บุญกุศลมากขึ้นไหมครับหรือไม่เกี่ยวกันเลยครับเกี่ยวกันเลยเป็นพิธีกรรมครับตอนอยู่ที่การกระทําของเราครับก็เลยพอเห็นแําหลวงตามหาโบท่านตั้งใจให้พรมากแบบท่านสวดนําคนเดียวเลยก็เลยเอ๊ะทําไม มันเพราะว่ามันเป็นเป็นการแสดงของท่านแล้วก็คนต้องการให้ท่านให้พรท่านก็เลยต้องทําท่าทำทางให้พรพอได้รับพรแล้วก็ดีใจสุขใจสาธุไปอ๋อครับถ้าถ้าไม่ให้พรเขารู้สึกว่าเขาขาดอะไรไปอ๋อครับคือกุศลกุศลนี่ได้เต็มแล้วไม่เกี่ยวท่านมาให้พรเลยใช่ไหมใช่แล้วคนฟังไม่เข้าใจพวกนี้ก็ยังไม่อยู่ในระดับฟังธรรมที่จะเข้าใจก็ยังไม่ได้ปฏิบัติก็เลยยังคิดว่า บุญวะยังไม่ได้สําเร็จถ้าหงตายไม่ให้พรเนา อ, อ๋อเห็นท่านเป็นประธานให้คนให้องค์เดียวเลยองค์อื่นนั่งอ๋ออันนี้เป็นธรรมเนียมของวัดป่ามันตัไม่ต้องสวดทั้งทุกององค์เดียวก็พอให้วัวหน้าสวดองค์เดียวก็พออ๋อครับแต่บุญนี่คือไม่เกี่ยวว่าท่านจะเกี่ยวบุญอ ย, อยู่ที่การกระทําอยู่ที่การให้ของเราอ๋อครับไม่ใช่แบบเทพแบบเจ้าจงได้อย่างบุญอย่างนี้ศาสนาพุทธไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้อโอเคครับเคลียร์แล้วครับขอบคุณมากครับหลวงพอ่อ มาสักกันโอเคทุกท่านได้ถามคำถามแล้วทีนี้ก็ให้คุณหล้าเอาคำถามจาก a c e b o o k เข้ามาถามต่อมีมคกณห้ามีคำถามจาก Facebook ทั้งหมดสิบสี่ท่าน<อ>เจ้าค่ะอาว่ามาเลยเคำถามแรกจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเจ้าค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการหาสถานที่ปริกวิเวกเพื่อปฏิบัติภาวนา มีสองคำถามเจ้าค่ะคำถามที่หนึ่งควรพิจารณาความเหมาะสมอย่างไรเจ้าคะระหว่างการเช่าอยู่อาศัยกับการสร้างบ้านของตนเองอ๋อถ้าต้องการปฏิบัติธรรมก็อย่าอย่าอย่าไปสร้างให้มันเป็นภาระเลยเช่าดีกว่าถ้าแต่ข้อสัมพั์ก็คือมันต้องเป็นที่สงบข้อสมคั์ก็คือต้องเป็นที่สงบถ้าถ้าไปปลูกบ้านแล้วมันเป็นของเรามันจะเป็นภาระ ต้องกังวลห่วงยายถ้าเช่าบ้านครับมันก็กังวลเท่าไหร่เสียก็บ อ, อ, อกเจ้าของม้านเข้ามาซ่อ ม, มได้มเมาเป็นแต่คนเช่าจากครเช่ออาอย่างสบายกว่าเออคำถามที่สองที่ถามพระอาจารย์ได้ตอบไปเมื่อสักครู่นี้แล้วด้วยเจ้าค่ะก็ตอบไปคําถามของคุณสุภาเมื่ออยู่ใกล้ศัตรูมันคิดอกุศลตลอดแต่ปัญญาสอนว่าคิดได้คิดไปแต่อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียด พออยู่ห่างๆใจก็คลายได้ไม่โกรธไม่เกลียดแต่อยู่ใกล้ทีไรก็คิดโกรธเกลียดทุกทีจะแก้อย่างไรเป็นทุกครั้งถ้าเลี่ยงไม่ได้ค่ะสวดพุดโทโธสวดอินทิวิโสไปอย่าปล่อยให้ใจมันคิดมันก็จะคิดแต่ผลิตแต่ความโกรธความเกลียดขึ้นมาเราเรว่าลนาำโกรธน้ำเกลียก็สวดอินทิวิโสไปสวดไปภายในใจหรือท่องพุโทโธไปภายในใจ เนียมันก็หยุดคิดมันก็มันก็หยุดนอนได้คำถามต่อไปจากคุณกะยาถ้าฝันดีบ่อยๆคือสภาวะของจิตพบภูมิเทวดาขึ้นไปใช่ไหมเจ้าคะใช่ถ้าฝันดีก็แสดงว่าบุญเยอะบุญเยอะก็าบาปคำถามต่อไปจากคุณโฟกัสในสิ่งที่ต้องการหลวงพ่อครับบางทีมีคนถามผมว่าทำไมไม่มีเพื่อน หรือว่าเพื่อนไม่ครบผมก็ไม่รู้กับตัวเองครับด้วยความที่ผมมีอุปนิสัยชอบปฏิบัติแต่บางทีผมรู้สึกว่าผมแปลกไปหรือเปล่าผมควรทำอย่างไรดีครับออมันน่าจะแปลกสาหรับชาวบ้านเขาเพราะชาวบ้านเขาเห็นว่าต้องมีเพื่อนเยอะๆถึงจะเป็นปกติถ้าไม่มีเพื่อนถ้าเป็นคนโดดเดี่ยวนี้ก็ ว, ว่าในสายตาของโลกทาชาวบ้านก็จะคิดว่าไม่ปกติ แต่ในทางสายตาทางธรรมคนที่คนที่ไม่มีเพื่อนคนที่ชอบอยู่คนเดียวนั่นแหละเป็นเป็นคนที่ธรรมะธรรมโอเป็นคนที่ต้องการความสงบเป็นดับหรือไม่ก็อย่าไปกังวลกับความรู้สึกของทางโลกเขาก็าจะคิดเังไงเขาต้องคิดไปตามทางความคิดของเขาเราก็ทําเรื่องของเราไปถ้าปราบได้เราไม่ไปสร้างความเสียหายเดี๋ยวนอนให้กับคนอื่นก็ไม่ต้องไปกังวล คำถามต่อไปจากนายเนนะกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์ด้วยความลบอย่างสูงลูกนั่งสมาธิมีความสงบเย็นไม่มีความคิดแต่ยังได้ยินเสียงลมหายใจเข้าออกที่หูบางครั้งมีเสียงดังจากภายนอกเข้ามาคือหูไม่ดับเป็นเพราะสาเหตุใดต้องแก้อย่างไรกราบขอพระคุณขอรัก ถ้าใจเราเฉยๆไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่เราสัมผัสได้ก็ไม่ไม่ต้องทำอะไรใช้สติประคองใจให้มันอยู่เน่้งๆอย่างนั้นไปได้เรื่อยคําถามต่อไปจากคุณเชอรี่ขอกลับนมัส ก, การพอจะมีวิธีละจิตยอย่างไรคะออจิตนี่เป็นสียงที่เรายังไม่ถึงเวลาต้องไปละมัน สิ่งที่เราต้องลากตอนนี้ก็คือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอสามีภรรยาลูกให้ได้ก่อนลากของภายนอกก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปรากของภายในตัวจิตที่เป็นตัวสุดท้ายลากมรยารัากของนายก่อนลากเงินทองมันด้วยการทําบุญทําทานถ้าหววเงินหัวทองก็เอาไปทําบุญทำมันหมดไปเลยมันจะได้หายหัวหายหัวแล้วค่อยมาลากสิเพราะถ้าเราไปห่วงไม่ห่วมันเป็นทุกข์ มัอะไรที่ทําให้เราทุกข์กันละมันไปเลยยกให้คนอื่นไปเลยห่วงสามีห่วงภรรยาก็ยกให้เขาไปเลยจะได้หายห่วงถ้าเวชสันดอนนะี่ใครจะมาขอภรรยานี่ก็เตรียมจะยกให้ะมาขอลูกปัญหาชาลีก็เอาไปเลยจะได้หายห่วงให้ละของไว้นอกก่อนแล้วค่อยมาละร่างกายแล้วก็เวทนาแล้วค่อยมาละจิตมันมีหลายระดับด้ยวยกัน อนนี้เรายัางไม่มีปัญญาที่จะไปละจิตได้ถ้าเรายัางละของนอกไม่ได้ของง่ายๆไม่ได้ละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ได้ละราชวดั ล, สลเสริญศุกไม่ได้ก็อยากขึ้นไปละจิตคำถามต่อไปจากคุณเตเต้วัฒ ญ, ญามีทั้งหมดสองคำถามเจ้าคะ่ะกราบน้ัสการพระอาจารย์ค่ะมีความสงสัยคะ่ะว่าสิ่งที่ทําให้พวกเราต้องเวนไหว ต, ตายเกิดคืออะไร เพราะต้องมาใช้กรรมที่เคยทาไว้ใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกเพราะความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนินก้วมือก็เลยต้องมีร่างกายถ้าเราตัดความอยากหาความสุขทางร่างกายได้เราก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ไม่ต้องมาเกิดคําถามที่สองจุดเริ่มต้นของชาติแรกเราทํากรรมอะไรกันไว้ถึงต้องมาเกิดมาทุกข์กันจริงๆก็พอทราบว่า ทราบไปก็อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแต่ก็เป็นสิ่งที่ติดใจสงสัยมานานแล้วค่ ะ, ะก็ก็อย่าไปสงสัยเลยพระอุตจ้าก็เคยสงสัยพยายามย้อน น, นึกชาติไปทั้งเท่าไหร่ก็ไม่ถึงชาติที่หนึ่งทีนั้นเสียเวลาท่านก็เลยบอกอย่าไปเสียเวลามาแก้ปัญหาในปัจจุบันดีกว่าปัญหาปัจจุบันก็คือความไม่สบายใจความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากปฏิบัติธรรม ปฏิบัติศสมาธิปัญญาแล้วก็จะละความอยากต่างๆได้แล้วก็จะดับความทุกข์ใจได้คำถามต่อไปจากคุณลัดละเอียดกราบสาธุเจ้าค่ะโยมอยากฝากคำถามเรื่องจิตแฝงเวลาเรานั่งหลับตานั่งสมาธิจะมีคนลอยเข้ามาในตาคือจิตของเราไม่แข็งแรงใช่ไหมเจ้าค่ะเราจิตไม่มีสติ ต้องให้มีสติอยู่ก็พูดโทพุโทโธพูโธไปอย่านั่งเฉยเฉยนั่งเฉยเฉแล้วถมีอะไรเข้ามาโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆื่คำถามต่อไปจากคุณชัยชนะคือโยมไปงานสวดอภิธรรมพระแล้วตอนที่พระให้โกรวดน้ำโยมก็อุทิศส่วนบนโดยเอ่ยชื่อพระที่มรณะภาพก่อนแล้วตามด้วยชื่อพ่อแม่ญาติเจ้ากํานายเวรสัพรพสัต ท, ทั้งหลาย เทวดาทั้งหลายให้มารับส่วนบุญนี้จะถูกหรือเปล่าครับมันก็แบ่งกันคนละนิดเท่านั้นเลถ้าให้คนเป็นพันมารับบุญพันบาทก็ได้คนละบาททั้งเองให้คนเดียวไม่ดีกว่าแล้ก็จะได้ทั้งพันบาทไปเลยเราทำบุญเพื่อใครกันแน่เพื่อคนที่ตายไปยังไงก็ให้เข้าไปคนเดียวพอคนอื่นไม่ต้องไปสนใจแล้วยังก็ต้องไปแบ่งกันเลยที่ ถ้าคุณให้สรรพสัตว์ั้งปรนี่ยิ่งโอ้โหยิ่งเกินเป็นล้านเนลยแล้วเดี๋ยวเขาไปมาแยกกันเลยกับบุญแค่พันบาทของคุณเนี่ยส่วนใหญ่ ก, ก็เวลาไปงานศพเขก็คุฒิค่ายกับคนตายคนเดีย ว, วพอแล้วยกเว้นว่าบงเล็บว่าถ้าคุณไม่รับก็ให้ใครอยากจะได้ก็มารับไปก็แล้วกันเพราะบางทีคนตายไปเขาอาจจะมีบุญมากเขาไม่ต้องมารอรับส่วนบุญก็ได้ คำถามต่อไปจากคุณนัทธดาพรมีสองคำถามเจ้าค่ะช่วงที่นั่งสมาธิใช้หมอนเล็กๆหนุนไว้ตรงก้นได้ไหมเจ้าคะได้แต่ไม่ดีแหละนั่งแบบไม่ต้องมีอะไรดีกเ่าอย่งต้องพาโฟมหมอนไปทุกแขกทุกคนเลยจะเป็นเดี๋ยวที่ไหนไม่มีหมอนก็นั่งไม่ได้ปฏิบัติไม่ต้องมีของภายนอกดีกว่านั่งมาตรงไหนก็ได้คำถามที่สอง ช่วงนั่งสมาธิเหมือนตัวเราเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งแต่ไม่ได้หลับรู้สึกตัวและขยับตัวใหม่ได้ไหมได้ปกติ<ม>ใช่ไหมคะแต่รู้สึกว่ามันกลับมาเริ่มใหม่เริ่มสมาธิอีกครั้งเจ้าค่ะใช่อย่าไปขยับถ้าขยับม า, าก็มันกลับมาที่เริ่มต้นใหม่เวลาเราเริ่มนั่งเราก็นั่งตัวให้ตรง แล้วพอเราเริ่มพุทโธเริ่มดูลมแล้วมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเอ็นไปทางไหนก็ไม่ต้องไปสนใจบางทีมันเป็นความรู้สึกของไปเป็นความรู้สึกหลอกเราเนี่ยมันจะเอ็นก็ปล่อยมันเองไปแล้วก็ดูลมพุทโธเราไปบางครั้งมันจะล้มลงไปจริงๆมันค่อยขยับแต่ถ้ามันไม่ล้มลงไปจริงๆก็แสดงว่าบางทีเหมือนเราคิดไปเองหลอกใจหลอกตัวเราไปเองงั้นอย่าไปสนใจกับความรู้สึกนั้น ให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธอยู่กับลมไปคำถามต่อไปจากคุณพรชัยกราบนมัส ก, การพระอาจารย์การนั่งสมาธิภาวนาตอนนี้ทําได้ยากเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุทางกระดูกสันหลังจะใช้การนอนภาวนาได้แต่ไม่ค่อยได้ผลการเดินก็ได้แต่ผลเหมือนการนอนขอคําชี้แนะด้วยครับก็ทําเท่าที่ทำทำเท่าที่ทําได้ ส่วนใหญ่มันไม่ได้อยู่ที่อิริยาบดหรอกมันอยู่ที่สติถ้าสติดีท่านอนก็ได้ท่าเดินก็ได้ท่ายืนก็ได้ถ้าสติไม่ดีท่าไหนมันก็ไม่ได้เท่งนั้นนั้นพยายามเน้นสติอยู่เรื่อยๆฝึกสติไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจอยู่โดยไม่มีสติควบคุมคอยพุโทโธพุโทโธไปคอยหยุดความคิดต่างๆคำถามต่อไปจากคุณพานุ ขอโอกาสครับการมีสติอยู่กับผู้รู้เพื่อพิจารณาธาตุขันธ์ต่างๆต้องพิจารณาย้อนกลับมาที่ผู้รู้ด้วยไหมครับว่าผู้รู้นี้ก็เป็นสภาพธรรมหนึ่งเป็นตัวเป็นตนกราบอขอโอกาสสอนถามคําถามหลวงพ่อด้วยครับผู้รู้ไม่ต้องไปพิจารณาหรอกผู้รู้ไม่มีปัญหาที่ต้องพิจารณาก็คือสิ่งที่ผู้รู้ไปติดไปหลงไปติดไปรักไปชังนั่นก็คือ รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆภาพยอดสรเสริญร่างกายวินาเนี่ยอารมณ์ต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องไปเจรจาแต่ตัวผู้รู้เองเราไม่ต้องไปเจรนาคำถามต่อไปจากคุณเพก็กกี้กราบนลมัสการเจ้าค่ะคำพูดของเราที่พูดออกไปเพื่อเจตนาจะตักเตือนลูกด้วยความห่วงใยแต่ลูกเขาไม่เข้าใจเราไม่พอใจ จึงเกิดการโต้เถียงกันจนทำให้สติหลุดเจ้าคะ่ะอารมณ์โกรธเข้ามาแทนที่มาพิจารณาอีกทีว่าคำพูดที่อบรมลูกเราใช้อัตตาตัวตนแสดงความเป็นแม่เกินไปไหมเจ้าคะ่ะที่พยายามที่จะให้ลูกฟังเรายอมรับเจตนาที่เรามีให้ด้วยความห่วงใยกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ว่าควรจะทาอย่างไรดีเจ้าคะ่ะ ก่อนจะพูดอะไรก็ให้ใจเราปราศ จ, จากความโกรธก่อนปราศ จ, จากความอยากก่อนทําใจให้เป็นกลางแล้วก็พูดแบบเป็นครูสอนนักเรียนในห้องเรียนสอนวิชาไปบวกลบคูณหารก็สอนไปสวยเขาจะฟังเข้าใจไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องของเขาถ้าไปอยากให้เขาพูดแล้วเขาต้องเชื่อเราทําตามเรานิรนางเราใช้กิเลสของเราแล้ว เขาก็จะไม่ชอบคงเหมือนก็เขาถูกบังคับแล้วก็ต้องมีอยากไปพูดแบบนั้นแล้วก็พูดหลักพันเป็นจริงว่าลูกถ้าลูกทำอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้นะอย่างนี้ได้อยู่ปติยาเสพติดแล้วเดี๋ยวก็ไม่มีเงินก็ต้องไปขโมยเงินไปซื้อยาเสพติดนะอซื้อไปขโมยเงินเดี๋ยวก็ถูกจับเข้าไปติดคุกติดตารางนะไม่มีใครช่วยได้นขนาดเป็นมหาเศรษฐีไปทําผิด ขับรถชนคนก็ยังต้องเนี่ยก็ยังต้องไปติดคดีอยู่นี่ยต้องพูดกับเขาสอนเขาด้วยเหตุด้วยผลไปอย่าไปบองคับว่านี่หนูไม่ดีต้องทําอย่างนี้จะไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้เขาพอกว่าทําอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นส่วนหนูจะทําไม่ทำํำเป็นเรื่องของหนูนะถ้าหนูไปติดคุกมากไปมากไปม่ก ไ, ไปติดคุกด้วยนะอาจจะไปส่งน้ําส่งข้าวให้แต่ไม่ไปติดคุกให้ด้วยนะ ผู้ใมันเห็นเหตุเห็นผลจากการกระทำของเขาเขาจะเชื่อไม่เชื่อเราทําหน้าที่ของเราแล้วเรามีหน้าที่สอนก็สอนเขแล้วมันก็จะเอาไปทําไม่ทมาํ า, า ก, ก็เรื่องของเขาก็อยากจะเป็นติดคุกก็รื่องของเขาคำถามต่อไปจากคุณสุมาศกราบเรียนถามพระอาจารย์การวางใจที่ถูกต้องควรทาอย่างไรครับก็วางที่อุเบกขาเนี่ยวางใจให้เฉยไม่รักชังกลัวหลง เห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไก็สักแต่ว่าได้ยินได้ยินเสียงด่าก็เฉยได้ยินเสียงชมก็เฉยบ ม, มยาใจแบบนั้นไม่ใช่พอเขาชมโหนูดี อ, อกดีใจกระโดดต้นเต้งพรก็ด่าก็โกรธขึ้นมาอย่างนี้ไม่ได้ต้องอยู่กลางเียเฉยคำถามอาตอบเ อ, อมีเพิ่มเข้ามาอีกเจ้าค่ะื อ, อ, อ, อมีดีครับาน อีกสองคำถามอีกจากสองท่านเจ้าค่ะโอเคจะได้ปิดทันทีมันยาวแล้วคำถามต่อไปจากคุณต้อมแต่มกราบนละมการพระอาจารย์ค่ะมีข้อสงสัยอยากสอบถามสองข้อค่ะข้อแรกพญาตเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไม่เจ้าค่ะถ้ามันไม่มีตาหูจมูกเล่นกายก็ไม่มีดวงวิญญาณถ้ามันมีตาหูจมูกเล่นกายก็แสดงว่ามันม่ดวงวิญญาณไม่วิญญาณ มีความรู้สึกนิ่ัยคินเหมือนเหมือนสัตว์ทั่วไปข้อที่สองถ้าเราเจตนาทานยาค่าพยาธเพื่อสุขภาพร่างกายของเราเราจะบาปไหมคะถ้ามันเป็นเชื้อโรคมันก็ไม่บาปนะเชื้อโรคนี่มันก็ทําให้ร่างกายเราจะบไข้ได้ป่วยเราก็ต้องฉีดวัคซีนหรือกินยาต้านหรืออะไรทำนี้หรือกินยากําจัดแต่พวกนี้ไม่ถือว่ามีดวงวิญญาณเพวกเชื้อโรค คำถามสุดท้ายจากคุณฟามีสองคำถามเจ้าค่ะกราบนมัส ก, การพ่อแม่ครูอาจารย์พระอาจารย์สุชาติลูกกราบขอโอกาสถามธรรมะการที่จะพบตัวอวิชชาในจิตคือการดูจากอาการของจิตคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่หรือไม่ครับไม่ใช่หรอกอวิชชาไปหาไม่เจอเหรอก เพราะมันเป็นตัวคอยดานเราอยู่ข้างหลังเราต้องใช้ปัญญาเราถึงปัญญามันก็จะทำให้เราเห็นอวิชชาเองสร้างปัญญาขึ้นมาด้วยการพิจารณาตายละอันนี้จากทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างข้อที่สองหากพบตัวอวิชชาในจิตคือโทสะโมหะราคะจะต้องพิจารณาในอนิจจังทุกขังอนัตตา เพื่อวางจากประวิชาใช่หรือไม่ครับนั่นหละถูกต้องต้องใช้ปัญญาไม่ต้องเห็นตายลัเห็นอริยสัจสี่หมดแล้วใช่ไหมคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะมีการอยากจะถามอีกไหมเปิดให้โอกาสคำสองคำเพราะว่ามันก็เกือบสามชั่วโมงละสองชั่วโมงสี่ส้านาทีก็คิดว่าน่าจะพอสมควรแก่เวลานะมีใครไหมมีคุณจีบเพิ่เข้ามาเลยอ้าวจีบ ชอมาว่ามาขอบตุมาสััรอาจารย์แค่<า>เข้าม า, มาสุดท้ายลยนะวันนี้ขอบอาหาราเจ้าค่ะได้ยินไมเจ้าค่ะเดี๋ยวยมเปิดนะแอบเปิดหน้าแป๊บหนึ่งไม่เป็นไระเมื่อกี้ฉันากากา ก, า ก, า ก, า ก, ากา็ได้ยินเมื่อกี้ได้ยินอไม่ต้องถอดข อ, อ, องค่ะนมแค่อยากมาเห็นหน้าพระอาจารย์แค่มาฟังก็ชื่นใจแล้วเจ้าค่ะโอเคไม่มีอะไรนะ อะไรก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆเจ้าค่ะเพบคุณสัตย์ริทนยังแกกลับมาแล้วนี่ค่ะเห็นได้คุยแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้เจอค่ะเพราะว่ากำลังวุ่นเรื่องลูกจะกลับไปเรียนที่โรงเรียนกันอยู่ค่ะอยู่บางเดียวกันใช่ไหมอยู่ใกล้กันอยู่บางห่างกันที่สิบเกค่ะขับรถนะค่ะพระจันทร์ตอนนี้เป็นไงซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะอยู่ที่ตอนนี้ดูเหมือนเนี่ยค่ะพระจานทร์หนูให้ดูแบบนี้ มันเป็นเหมือนแมคโครเมืองไทยอะค่ะมันเป็นแบบซื้อของอะซื้อของเกินของใช้ซื้อของซื้อเข้าบ้านนะคะพอดีของมันหมดก็เลยก็เลยขับมาตรงนี้เลยได้โอเครักษาตัวดีนะใส่หน้ากากไว้นะใช่พระเนี่ยโยมก็รอรอวัคซีนไปลงชื่อไว้นานแล้วเป็นเดือนแล้วยังไม่ได้ได้คิวเลยค่ะใกล้แล้วยังไม่ได้ค่ะค่ะพระเจ้ารักษาสุขภาพนะคะโอเคสวัส พักค่ีก่อนอาทิตย์หน้าไปเจอกันใหม่นะค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเข้ามาเร็วๆโอเคิดว่าพอสมควรแก่เวลาญาติโยมสำหรับวันนี้ไว้พบ ก, กันใหม่ในอาทิตย์หน้าเวลาเดิมขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ